ประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจะบับสมบูรณ์บทนำภาพแรกของหนังสือในชื่อเรื่องใต้สามัญสำนึกโดยสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังศิรินทโรเสียงอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีจัดทาโดยเจ้าภาพหลักศาสตราจารย์ด็อเตอร์ในแพทย์วิปราวิประกสิทธิครอบครัวสินทวัตอทิขันเครือสุภัตราและเกียรติัยสุธานทิพย์ ครอบครัวสีโพคาครอบครัวอิมวงศรีนฤพลจิระพนากุลสำหรับเสียงอ่านประวัติพระอาจารย์มั่นฉบับสมบูรณ์แยกเป็นสองภาคนะครับคือภาคแรกหลวงพ่อวิริยังท่านใช้ชื่อเรื่องว่าใต้สามัญสำนึกเป็นการเล่าประวัติหลวงปู่มั่นผ่านชีวิตการบำเพ็ญเพียรของหลวงพ่อวิริยังและสิทธิ์องค์สําคัญของหลวงปู่มั่นท่านแนะนําว่าควรอ่านหรือฟังภาคต้นนี้ก่อน เพื่อจะได้เข้าใจประวัติหลวงปู่มั่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนภาคสองจะเป็นประวัติหลวงปู่มั่นโดยตรงรวมจริยวัดเทศนธรรมเรื่องราวตั้งแต่เริ่มกำเนิดจนถึงวันละสังขารทั้งนี้ผู้จะเข้าใจประวัติท่านได้ดีควรฟังหรืออ่านภาคแรกคือเรื่องใต้สามัญสำนึกก่อนซึ่งปัจจุบันมีบางแห่งตัดเฉพาะภาคหลังไปเผยแพร่แล้วอ้างว่าเป็นประวัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งไม่ถูกต้อง ควรได้อ่านหรือฟังให้ครบทั้งสองภาคนะครับสำหรับประวัติหลวงปู่มั่นนั้นมีพระอาจารย์ซึ่งเป็นสิทธิ์องค์สำคัญหลายท่านได้เรียบเรียงไว้หลายเวอร์ชั่นมีเนื้อหาเชิงลึกแตกต่างกันไปควรแก่การศึกษาอย่างยิ่งซึ่งทางจุมรวมผลดีจะจัดทาเป็นเสียงอ่านต่อไปและตั้งใจจะจัดทาทั้งหมดรวมถึงหนังสือรวมคาสอนของหลวงปู่มั่นด้วยนะครับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพซึ่งประวัติคำสอนของท่านนั้นส่งผลดีมากมายหลายอย่างทั้งการเข้าใจธรรมที่เรียบง่ายลึกซึ้งตรงทางเพื่อความดับทุกข์โดยแท้จริงเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของพระสงฆ์ที่ดีให้ดาเนินตามว่าควรทาตัวอย่างไรและเป็นกาลังใจให้แก่นักปฏิบัติภาวนาได้อย่างมาก รวมถึงให้คนทั่วไปได้เข้าใจว่าพระแท้เป็นอย่างไรอันเป็นเหตุให้ทําบุญได้ถูกต้องถูกทางไม่หลงไปเคารพ บ, บูชาพระปลอมอลาชชีเดรถีนักบวชมิจฉาทิฏฐิที่กำลังทําลายศาสนาอย่างร้าวลึกได้อย่างในตอนนี้นะครับก่อนที่จะฟังเนื้อหาจากหนังสือขออนุญาตอ่านรายชื่อเจ้าภาพที่ร่วมจัดทาเพิ่มเติมตรงนี้ส่วนหนึ่งก่อนเพราะเนื้อหาเป็นตอนยาวจึงไม่อยากไปอ่านชื่อขั้นระหว่างตอนนะครับ ร่วมจัดทมโดยวิชยาดามุงวิชาครอบครัวนิติสรวุธครอบครัวทรงพลครอบครัวธัญโกเศสสุขสุเมธมาโซภากริษณาพโลปกรพนอมรักเพชรสเถียรเข็นทองโภคาพานิช์อริยะพันทสิกร่วมกับอีกหลายท่านฟังรายชื่อได้จากท้ายเรื่องนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมและท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับสับพพทานังธรรมทานังชินาติ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 สมเด็จพระญานวาชิโรดมวิริยังสิรินธโรคำนำการเขียนประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทตาเทระฉบับนี้นั้นผู้เขียนได้เขียนจากการไต่ถามด้วยปากคํากับท่านเองระหว่างที่ผู้เขียนได้เป็นพระอุปถากและบีบนวดถวายท่านเป็นเวลาสี่ปีซึ่งผู้เขียนพยายามไต่ถามท่านในทุกโอกาสที่มีอยู่ และบันทึกความจําไว้เป็นอักษรตลอดเวลาฉะนั้นการเขียนจึงเป็นสัมมวนเดิมที่บันทึกไว้ร่างนี้เพียงเรียบเรียงตามบันทึกเดิมเท่านั้นผู้เขียนเมื่อได้อยู่กับท่านและเห็นการปฏิบัติตลอดจนการอบรมแนะนําสั่งสอนสิทธาอนุสิทธิ์ผู้เขียนมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งจึงได้พยายามที่จะบันทึกประวัติของท่านไว้เพราะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน หรือผู้ที่ติดตามผลงานของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเทระด้วยจึงพยายามบันทึกทุกทุกแง่ทุกมุมเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ผู้เขียนมีความเห็นว่าการศึกษาประวัติของผู้เป็นวีรบุคคลโดยทั่วไปนั้นย่อมจะได้ประโยชน์มากเพราะว่าผู้เป็นวีรบุคคลแต่ละท่านนั้นย่อมจะต้องมีอะไรดีพิเศษให้ได้ศึกษา เมื่อได้ศึกษาแล้วก็นำเอาตัวอย่างบางประการที่เป็นประโยชน์มาเป็นแนวทางการเขียนประวัติของพระอาจารย์มั่นภูริทตะเทระนี้ผู้เขียนก็ยังไม่อาจยืนยันว่าสมบูรณ์โดยแท้จริงแต่คิดว่าจะเป็นฉบับที่เป็นเนื้อหาสมบูรณ์กว่าที่เคยแต่ผู้เขียนก็ถือว่าการเขียนครั้งนี้เป็นการตอบแทนคุณานุคุณของท่านผู้เป็นพระอาจารย์ด้วยประการหนึ่ง ทั้งเป็นการเขียนด้วยความเลื่อมใสบูชาเคารพนับถือโดยความบริสุทธิ์ใจของผู้เขียนการเขียนประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะปัจจุบันปรากฏว่าท่านได้รับการเคารพนับถือจากชาวไทยเป็นอย่างสูงเนื่องด้วยสิทธิของท่านหลายองค์เป็นผู้มีชื่อเสียงกระชอนและเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงทั่วประเทศไทยเช่นหลวงปู่แหวนสุจินโน แห่งดอยแม่ปังเชียงใหม่หลวงปู่ฟ้านอาจาโรแห่งวัดอุดมสมพรสกลนครหลวงปู่เทศเทศะรังสีวัดหินหมักเป้งจังหวัดน้องคายหลวงปู่อ่อนยานสิริวัดหนองบัวบานอุดรธานีหลวงปู่ขาวอนลโยวัดถ้ำกลองเพงอุดรธานีพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปนโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีหลวงปู่บุญมาทิตาเปโม วัด ส, สารวันอุดรธานีหลวงปู่ชอบฐานาสโมจังหวัดเลยพระอาจารย์วันอุตตโมภูเหล็กสกลนครพระอาจารย์จวนภูทอกอุดรธานีเป็นต้นและยังมีอีกหลายร้อยองค์ที่เป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นอุริธทธตะเทระที่ยังไม่มีใครรู้จักเพราะท่านเที่ยวแสวงหาความสงบส่วนตนตามป่าเขาลำนาไพรไม่ติดต่อบุคคลภายนอกเท่าไหร่ ดังนั้นสิทธ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงเป็นการส่งเสริมครูบาอาจารย์ไปด้วยทั้งที่สิทธิอาจารย์มั่นที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามโอวาทของครูบาอาจารย์ปรากฏเด่นขึ้นในภายหลังทําให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านอาจารย์มั่นเด่นขึ้นอย่างมากมายซึ่งก่อนนั้นก็ไม่ใคร่จะมีผู้กล่าวถึงกันเท่าใดนักมารยานีสิทธิของท่าน ได้รับการเคารพนับถือทั่วประเทศจึงส่งเสริมให้ท่านมีความสำคัญในเวลาต่อมาประชาชนทั่วประเทศได้กล่าวถึงท่านอย่างสูงสุดไม่เคยมีครั้งใดที่พระเทระผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเหมือนพระอาจารย์มั่นปุริทตะเทระเลยผู้เขียนแหลงเห็นความสำคัญหลายๆประการ ประกอบได้เคยอยู่เป็นพระอุปถัก์ท่าน4ปีได้รู้เห็นทราบซึ่งในจริยาวัรและอุบายวิธีคำสอนต่างๆทั้งส่วนสำคัญและส่วนเล็กเน้อยๆยเป็นเรื่องมีค่าต่อการศึกษาของกุลบุตรต่อไปอย่างยิ่งจึงรวบรวมบันทึกความทรงจำของผู้เขียนนำมาเป็นหนังสือประวัติซึ่งจะเป็นหลักฐานต่อไปแต่การเขียนครั้งนี้ผู้เขียน ต้องขออ้างถึงพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญผู้เป็นอาจารย์องค์แรกของผู้เขียนและเป็นสิทธิเอกของพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตเตระองค์หนึ่งพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าก็จะให้หัวเรื่องว่าใต้สามัญสานึกเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง ก, กันกับประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระฉบับสมบูรณ์อย่างไรก็ตามก่อนที่ท่านผู้อา่าน จะได้อ่านประวัติพระอาจารย์มั่นภูริะะทัตเตระฉบับสมบูรณ์ก็ควรจะได้อ่านใต้สามัญสำนึกที่ข้าพเจ้าผู้เขียนได้เดินทุดงไปกับอาจารย์กงมาจิระปุญโยอาจารย์องค์แรกของผู้เขียนว่าผู้เขียนได้มีความสัมพันธ์กับพระอาจารย์มั่นผูริทัตตะเตระมากน้อยเพียงใดเสียก่อนจะทําให้ผู้อ่านได้พบกับความมั่นใจหลายประการในการที่จะได้อ่านประวัติของพระอาจารย์มั่นต่อไป พระอาจารย์โกงมาจิราปุญโญท่านเกิดที่บ้านโคกตำบลตองโคกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านอุปสมบทเมื่ออายุ25ปีท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเทระในวงเล็บหนูอดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาวรามกรุงเทพเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตะเทระเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านได้ปฏิบัติอยู่กับพระอาจารย์มั่นหลายปี อินทรียแก่กล้าท่านจึงได้เป็นพระคณาจารย์แนะนําสั่งสอนพุทธบริษัทและได้รับผลเป็นอันมากผู้เขียนเป็นสิทธิ์ของท่านผู้หนึ่งเพราะท่านได้นําข้าพเจ้านั่งสมาธิจนได้รับผลทางใจและนําข้าพเจ้าบวชเที่ยวทุดงข้ามดงพญาเยน็นไปทุกหนทุกแห่งที่ธุระกันดานท่านนําข้าพเจ้าข้ามน้ําข้ามทะเลไปจังหวัดจันทบุรี ทำให้ข้าพเจ้าสร้างวัดวาอารามหลายแหง่งทั้งแนะนำธรรมะปฏิบัติต่างๆแก่ข้าพเจ้าจนข้าพเจ้าได้เป็นพระคณาจารย์สอนธรรมะปฏิบัติแก่พุทธบริษัทในเวลาต่อมาดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอเขียนตามบันทึกเดิมที่ข้าพเจ้าได้บันทึกไว้เมื่อรังติดตามท่านอาจารย์กงมาจิราปุญโญตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตเป็นสามเณร จนถึงได้เดินทางไปพบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระเพื่อเป็นการประกอบเรื่องประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระฉบับสมบูรณ์ต่อไปใต้สามัญสำนึกพุทธศักราช2477ตอนเริ่มต้นฝึกออกทุดงของพระวิริยัง ข้าพเจ้าได้พบท่านอาจารย์กงมาจิราปุญโยเป็นครั้งแรกขณะนั้นข้าพเจ้าอายุได้13ปียางเข้า14ท่านกำลังขมักขม้นสอนอุบาสกอุบาสิกายัางไม่เห็นแก่การเหน็ดเหนื่อยการก่อสร้างวัดที่ชื่อว่าวัดสว่างอารมณ์ตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิวจังหวัดนครราชสีมาอันเป็นวัดแรกที่ท่านได้จัดการก่อสร้างขึ้นก็เริ่มด้วยกุฏิศาลาที่เป็นอาคารชั่วคราวมุงด้วยจาก แต่นั่นเป็นสิ่งที่ท่านไม่ได้เอาใจใส่มากนักท่านได้แนะนำสั่งสอนธรรมะแกะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนั่นเป็นประการสำคัญดังที่จะเห็นได้ว่าตอนเวลาค่ำคืนจะมีจําพวกหนุ่มสาวเท่าแกหลังไหลไปหาท่านโดยท่านจะสอนธรรมะหรือไม่ก็ต่อมนคือคนในละแวกนั้นอ่านหนังสือไม่ออกท่านต้องต่อให้ทีละคำทีละคำ จนกระทั่งจำได้ทั้งทำวัดเช้าและทำวัดคำ่ำอาราธนาศีลอาราธนาเทศคนในบ้านใหม่สำโรงในขณะนั้นเป็นบ้านป่าไกลความเจริญแต่เป็นแหล่งทำมาหากินดีเพราะมีป่าว่างมากหลายหมู่บ้านหลายแห่งพากันอพยพมาตั้งหลักแหล่งกันฉ น, นั้นคนในละแวกนี้จึงมาจากหลายกรุปทาให้เกิดความไม่ใกล้จะลงรอยกัน ตั้งเป็นพักเป็นพวกก่อความทะเลาะ ก, กันหนึ่งเนืองท่านอาจารย์กงมาท่านเห็นเหตุนี้แล้วท่านก็เริ่มโปรยปลายธรรมะเข้าสู่จิตใจประชาชนแล้วก็ได้ผลคือท่านได้หาอุบาให้คนทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้าวัดท่านก็พยายามร่ำสอนให้เข้ามารักษาอุโบสถบ้างฟังธรรมบ้างบาเพ็ญกุศลอื่นๆบ้างจนจิตใจอ่อนลง ข้าพเจ้าเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกความดึงดูดของท่านได้เข้ามาปฏิบัติธรรมภายหลังปรากฏว่าชาวบ้านใหม่สำโรงอยู่ศีลธรรมมากขึ้นจนมีศูนย์กลางคือวัดได้ร่วมสังสรรจนเกิดความสามัคคีธรรมขึ้นกลับกลายเป็นบ้านที่มีความสุขอยู่ด้วยความพร้อมเพรียงงานชิ้นนี้ของอาจารย์กงมาเป็นงานชิ้นโบแดงชิ้นแรกของชีวิตท่าน จนกระทั่งประชาชนเห็นดีเห็นชอบได้ช่วยกันสร้างถาวรวัตถุจนเป็นวัดโดยสมบูรณ์ขึ้นในภายหลังท่านได้ใช้เวลาอยู่ที่นี่ 3, สามพรรษาในเวลาสามปีนี้ท่านขยันสอนทั้งฝ่ายพระภิกษุสามเณรและประชาชนทางด้านพระภิกษุสามเณรนั้นท่านจะกวดขันเรื่องการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งโดยให้ฉันหนเดียว ชั้นในบาทบินถบาทไม่ให้ขาดทำวัดเช้าเย็นบำเพ็ญกรรมฐานภาวนาทั้งนั่งสมาธิและเดินจงกรมภายในบริเวณวัดท่านจะจัดสถานที่วิเวกไว้เป็นแห่งๆคือมีทางจงกรมภายใต้ร่มไม้เป็นทางยาวพอสมควรประมาณสิบวาหัวทางจงกรมจะมีแท่นสาหรับนั่งสมาธิมีอยู่ทั่วไปตามรอบๆวัด สถานที่ที่ท่านจัดขึ้นให้โอกาสทุกองค์ได้เลือกเอาเพื่อไว้เป็นที่บำเพ็ญกรรมฐานปรากฏว่าผลที่ได้รับคือความสงบทางใจอย่างยิ่งแก่ผู้มาพึ่งพาอาศัยท่านแม้แต่ข้าพเจ้าก็ได้รับผลมาจากครั้งกระนั้นเองเป็นขั้นต้นขณะถึงการออกพรรษาหน้าแหลงท่านจะพาสิทธทิสมัครใจออกเที่ยวทุดง ตามป่าเขาลำนาไพรเพื่อสแสวงหาที่สงบวิเวกพุทธศักราช2478ท่านประกาศว่าถ้าใครไม่กลัวตายไปทุดดวงกับเราถ้าพระเจ้าขอสมัครไปกับท่านทันทีนทพร้อมกันนั้นท่านก็เล่าถึงเหตุการณ์การบำเพ็ญความเพียรของพระอริยส า, าวกแต่ปางก่อนว่ามีพระเทระที่เป็นเพื่อนสหธรรมมิกรสีรูปด้วยกันปรารถนาความเพียรอย่างยิ่งเป็นที่ตั้ง แม้จะพยายามสักเพียงใดก็ไม่พอใจคิดว่าพวกเราทั้งสี่ยังมีความประมาทอยู่จึงชักชวนกันทุดงไปในกลางโดงใหญ่มีทั้งเหวน้ำถ้ำภูเขาทั้งสี่องค์ได้ไปพบภูเขาสูงชันอยู่แห่งหนึ่งจึงเดินเข้าไปใกล้มองดูข้างบนเห็นถ้ำอยู่หน้าผาจึงให้ตัดไม้ทำเป็นบันไดต่อขึ้นไปจนถึงถ้านั้นแล้วทั้งสี่องค์นั้น ก็พร้อมกันขึ้นไปบนถ้ำเมื่อพร้อมกันอยู่ที่ถ้ำนั้นเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใจกันอธิษฐานว่าเรามาทำความเพียรอันอุกฤษไม่ต้องคำานึงถึงชีวิตแม้จะตายก็ช่างมันถ้าบันไดยังพาดอยู่ปากถ้ำนี้เราก็ถือว่าห่วงชีวิตอยู่เราไม่ต้องห่วงชีวิตแล้วทาไมบรรลุธรรมก็ให้ตายไปเสียเถิดจึงพร้อมใจกันผลักบันไดทิ้ง เป็นอันว่าทั้งสี่รูปก็ไปทางไหนไม่ได้แล้วก็จึงปรารพความเพียรอย่างหนักเมื่อทั้งสี่องค์ปรารบความเพี ย, ยออ ร, รยอยู่นั้นเจ็ดวันล่วงไปองค์ที่หนึ่งก็ได้บรรลุพระอระหันต์แล้วก็เหาะไปบินทบาทเพื่อมาเลี้ยงสามองค์ที่ยังอยู่สมองค์ไม่ประสงค์พระยอมตายแล้วล่วงไปอีกเจ็ดวันองค์ที่สองได้บรรลุพระอนาคา ออกไปบินทบาตมาเลี้ยงแม้สององค์ไม่ปรารถนาที่จะฉันอามเสียแล้วสององค์แม้จะพยายามสักเท่าใดก็ไม่อาจบรรลุได้ได้อดอาหารจนมรณภาพไปทั้งสององค์ทั้งสององค์นี้ได้มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเราองค์หนึ่งได้นามว่าพระพาหิยะได้บรรลุพระอรหันตเมื่อฟังธรรมของพระพุทธองค์ ขณะที่บินทบาทอีกองค์หนึ่งชื่อกุมารากัสปะไปทําความเพียรอยู่ในป่าผู้เดียวได้ฟังธรรมกามาทินวกถาได้บรรลุพระอรหันต์เช่นเดียวกันขณะนั้นมีพระหนึ่งรูปชื่อพระสังสามเณรสองรูปสามเณรเที่ยงและสามเณรวิริยังรวมห้ารูปด้วยกันออกเดินทุ ด, ดงเข้าดงพญาเย็น พบสถานที่ใดเป็นที่สงบท่านก็จะทำความเพียรอยู่หลายวันในครั้งนั้นไม่มีบ้านคนเลยที่ผ่านไปถึงห้าวันไม่ได้ฉันอาหารกันเลยได้ฉันแต่น้ำเท่านั้นพวกเราอดอาหารกันทุกๆองค์แต่พวกเราก็เดินกันไหวท่านอาจารย์กงมาท่านก็ให้กำลังใจแก่พวกเราว่าเรารักความเพียรเรารักธรรมะมากกว่าชีวิต แต่ข้าพเจ้าสิอายุ14ปีเท่านั้นรู้สึกว่ามันหิวกระหายเบาไปหมดทั้งตัวข้าพเจ้าต้องพยายามทำจิตให้แนว่วแนว่ไว้ตลอดเวลาการพูดคุยไม่ต้องพูดกับใครกม้มหน้าก้มตากำหนดจิตไม่ให้ออกนอกได้เพราะจิตออกไปเวลาใดขณะใ ด, ดจะเกิดทุกขเวทนาขณะนั้นขณะที่พวกเราหยุดพักนอน ท่านก็ใช้ให้ไปกลางกรดให้ไกลกันให้มากข้าพเจ้าก็ต้องออกห่างท่านไปอยู่ไกลเอาเพียงแต่กู่กันได้ยินน้อยๆก็คืออยู่กันคนละลูกภูเขาการทำเช่นนี้เป็นการยังถึงความจริงของลูกศิษย์ท่านว่าจะเอาจริงกันแค่ไหนข้าพเจ้าแม้กลัวแสนกลัวที่จะกลัวก็จำต้องออกไปอยู่ให้ไกลที่สุดแต่พอตกกลางคืนเข้าแล้ว ไม่ทราบว่าความกลัวมันประดังกันเข้ามาอย่างไรกันนักก็ไม่ทราบรู้สึกว่ามันเสียวไปทั้งตัวเลยแต่ข้าพเจ้าได้ให้คำ ม, มั่นกับท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าเวล้ ว, ว่าไม่กลัวตายแต่ในใจคิดว่าอยากไปนอนให้ใกล้ๆท่านที่สุดแต่ก็ไม่กล้าจําเป็นที่จะต้องอยู่ห่างไกลเสียงเสือคำรามเสียงช้างมันร้องดูรู้สึกว่ามันจะมากินข้าพเจ้าไปเสียแล้ว แต่ก็เป็นเหตุให้เกิดมรณานุสติอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้เกิดผลทางใจขึ้นอย่างยิ่งธรรมดาว่าใจของคนเรานี้ต้องอาศัยฝึกหัดธรรมทำไปเมื่อคนฝึกหัดไปกับกิเลสเช่นฝึกแสดงภาพยนตร์ดนตรีต่างๆก็เป็นได้ถ้านนึกในทางธรรมะก็เป็นได้ แต่ทุกๆอย่างก็ต้องอาศัยกรรมวิธีแต่ละอย่างการสแสวงหาธรรมะก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีกรรมวิธีที่จะนำมาใช้ให้ได้ผลเช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าที่กำลังถูกกรรมวิธีของอาจารย์ข้าพเจ้าทรมานอยู่ในขณะนี้นั่นเองเมื่อพ้นจากดวงพยาเย็นแต่อยู่ตอนหางดงนั่นเป็นแร่งที่พวกมหาโจรทั้งหลาย พากันมาซ่องสมกันอยู่จำนวนมากท่านอาจารย์กงมาก็พาพวกเราพักอยู่กับพวกโจรเหล่านั้นเมื่อเราพักกันเรียบร้อยแล้วพวกโจรประมาณยี่สิบคนได้เข้ามาล้อมพวกเราในมือมีทั้งดาบและปืนน่าสะพึงกลัวท่านอาจารย์กงมาเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าพวกโจรดงพญายเย็นนี้ร้ายกาจนัก มันจับพระธุดงค่าซีมากต่อมากแล้วราวหนึ่งมีพระธุดงจํจำนวนเก้ารูปธุดงมาเจอพวกโจรเขาใหญ่ดงพญาเย็นนี้มันจับเอาไว้หมดขนดูย่ามว่าจะมีเงินไหมพระธุดงทั้ง9ก้ารูปไม่มีเงินแม้แต่สตางแดงเดียวพวกโจรก็โกรธจึงจับเอาพระชนกันชนค่อยๆก็ไม่ยอมชนจนหัวได้เลือดแต่มีอีกหนึ่งรูปไม่มีคู่ เลยให้โจรหัวคนาโจรชอบใจหรอกกันพระรูปไม่มีคู่เดือดดาลในใจนักจึงค่อยๆ ค, คลานไปจนถึงปืนที่โจรวางไว้คว้าปืนยิงโจรตายไปพวกโจรก็หนีตเตลิดไปข้าพเจ้านึกถึงที่ท่านเล่ามาให้ข้าพเจ้าฟังได้ก็ให้เสียว่าเราจะโดนอีท่าไหนเนาะจากนั้นท่านอาจารย์กงมา ท่านก็เริ่มอธิบายธรรมะต่างๆให้พวกโจรมันฟังแต่มันก็หาได้เคารพอาจารย์แต่อย่างใดไม่พวกมันนั่งยองๆเอาปลายดาบปักลงที่ดินวางท่าทางน่ากลัวข้าพเจ้าก็นั่งรับใ้ท่านอาจารย์ข้างๆนั้นนั่นเองท่านอาจารย์ก็ไม่ยอมลดธรรมเทศนาอาธิบายเรื่อยๆไปข้าพเจ้าจำได้ตอนหนึ่งว่าพวกเธอเอ้ยแม้พวกเธอจะมาหาทรัพย์ ตลอดถึงการผิดศีลของพวกเธอนั้นหน้าก็เพื่อเลี้ยงชีวิตนี้เท่านั้นแต่ชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของพวกเธอมันจะสิ้นกันไปไม่รู้วันไหนเป็นเช่นนี้ทุกคนพวกเธอฆ่าเขาถึงจะฆ่าไม่ฆ่าเขาก็ตายเธอก็เหมือนกันมีความดีเท่านั้นที่ไกลๆฆ่าไม่ตายอย่างเราเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่อนาทรร้อนใจ เราความดีเราทํามามากแล้วข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่อในสายตาของข้าพเจ้าเลยทีเดียวในขณะนั้นพวกโจรทั้งหมดพากันวางมีดวางปืนหมดน้อมตัวลงกราบอาจารย์ของข้าพเจ้าอย่างอ่อนน้อมข้าพเจ้าโล่งใจไปขนาดและพอใจที่พวกโจรมันยอมแล้วคนหน้าโจรชื่อนายอุงเป็นคนล่ําสันมากราบเข้ามาหาอาจารย์ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ อีกครั้งเหมือนกันที่ข้าพเจ้าไม่ยอมเชื่อสายตาของข้าพเจ้าว่าทําไมโจรจะยอมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ของข้าพเจ้าทําไมช่างง่ายใดอะไรอย่างนี้และก็เป็นจริงเช่นนั้นท่านอาจารย์โกงมาท่านก็บัญชาให้พระที่ไปกับท่านโกนผมเสีเลยบวชเป็นตาผ้าขาวติดตามท่านไปเดี๋ยวนี้หัวหน้าโจรได้กลายเป็นผู้ทรงศีลไปเสียแล้ว มันจะเป็นไปได้หรือท่านผู้อ่านทั้งหลายเพียงชั่วโ ม, มงเดียวเท่านั้นโจรทั้งคณะมายอมแพ้อาจารย์ของข้าพเจ้ามันเป็นไปแล้วละท่านทั้งหลายต่อมาเมื่อมหาโจรอุงมาเป็นตาพระข่าวุงแล้วก็สนิทสนมกันกันกบข้าพเจ้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าแม้ขณะนั้นอายุเพียงส5บห้าปีเป็นสามเณรถึงจะยังไม่เจนต่อโลกมากนัก แต่สามัญสำนึกของข้าพเจ้าได้บอกตัวเองว่าน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์ที่อาจารย์ได้สอนคนที่จะต้องฆ่าคนอีกมากให้หยุดจากการกระทำบาปเช่นนี้ข้าพเจ้าในสามัญสำนึกก็ต้องยอมรับและว่าอาจารย์ของข้าพเจ้านี่เก่งมากข้าพเจ้านึกชมอยู่ในใจแม้กระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังจะไม่ยอมลืมต่อเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลย นี่ถ้าหากว่าอาจารย์ของข้าพเจ้าเกิดทรมานโจรไม่สำเร็จพระเราก็จะถูกพวกมันบังคับให้เอาหัวชนกันเมื่อไปห้าองค์ข้าพเจ้าสิจะถูกมันบังคับให้ชนหัวคนาข้าพเจ้าจะกล้าหรอที่จะยิงมันไม่กล้าแต่อย่าคิดดีกว่าเพราะท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าได้ทรมานมหาโจรสาเร็จแล้ว และขาพระเจ้าจะเล่าประวัติของนายโจรองค์นี้ต่อขอให้ติดตามต่อไปตอนทุดงอยู่ในถ้ำเขาภูคานครสวรรค์เหตุการณ์ระหว่างพุทธศักราช2478พระอาจารย์กงมาจิราปุญโย ได้ปรามหาโจรุงจนยอมทุกสิ่งทุกอย่างโดยอาศัยวาทศิลป์แห่งพระสัตธรรมและความจริงแห่งการปฏิบัติในพระธรรมวินัยที่เคร่งรัดของท่านตลอดถึงอาจาระมัญญาที่น่าเลื่อมใสทำให้มหาโจรุงได้ยอมเข้ามาถือบวชแต่พระอาจารย์ก็ให้บวชเป็นเพียงตะพระขาวนุ่งขาวห่วมขาวสมาานศีลแปดเพราะมหาโจรผู้นี้ได้ฆ่าคนมามากมาย หลังจากที่อาจารย์ได้พาข้าพเจ้าเที่ยวทุดงหาวิเวกไปตามป่าตามเขาตามถ้ำจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ไปที่สถานีรถไฟหัวไวเดินเข้าไปจนถึงถ้ำแห่งหนึ่งชื่อว่าถ้ำผูขาถ้ำนี้อยู่ที่ภูเขาไม่ใหญ่นักแต่ถ้ำใหญ่มากกว้างขวางและเป็นถ้ำขึ้นไม่ใช่ถ้ำลงมีปล่องหลายปล่องทาให้ภายในถ้ำสว่างไม่มืด และมีซอกเป็นที่น่าอยู่มากแห่งพระอาจารย์พาข้าพเจ้าอยู่ณที่ถ้ำนี้เป็นเวลาหลายเดือนเพราะเป็นที่วิเวกดีท่านได้พาชาวบ้านใกล้ๆนั้นขุดดินทําทางเดินจงกรมในถ้ำได้หลายทางแต่ขณะที่ขุดดินทําทางเดินจงกรมได้พบเบา้าหลอมทองเก่าแก่ตุ้มหูต่างหูเป็นทองคําและกะโหลกศรีรษะอะไรต่างๆมากมายเป็นของโบราณ ข้าพเจ้าก็ได้ท่องปาฏิโมกได้ในขณะที่อยู่ในถ้ำนั่นเองเพียงสิบห้าวันเท่านั้นก็ท่องจบณที่ถ้าแห่งนี้ท่านอาจารย์ได้แนะนําพร่มสอนเรื่องการปฏิบัติ จ, จิตใจให้แก่ข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าก็ปรารบความเพียรอย่างเต็มกําลังได้ผลเป็นที่พอใจตั้งใจว่าจะจำพรรษาอยู่ที่นี้แต่พอจวนจะเข้าพรรษา ท่านอาจารย์สิง์ขันต ย, ยาขโมโได้โทรเลขไปเรียกให้ท่านอาจารย์กงมากลับพวกเราจึงได้กลับนครราชสีมาและได้มาอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์บ้านใหม่สำโรงมหาโจรอุงซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นตาพะขาวอุงไปแล้วนั้นก็ได้ติดตามอาจารย์มาจำพรรษาร่วมอยู่ที่วัดนี้เธอตั้งใจจะปฏิบัติกรรมฐานอย่างเต็มความสามารถ แล้วก็เป็นผลทำให้จิตใจของเธอได้รับความสงบและเยือกเย็นเป็นอย่างยิ่งการทำความเพียรของเธอนั้นทำอย่างยิ่งบางครั้งนั่งสมาธิตลอดคืนยันรุง่งบางครั้งเมื่อสมาธิได้ผลเธอจะอดอาหารสองวันสามวันเป็นการทรมานตนข้าพเจ้าได้ถามเธอว่าตอนเป็นโจรได้ฆ่าคนไปแล้วกี่คนเธอบอกว่าเก้าคน นับเป็นบาป ก, กรรมอย่างยิ่งแต่อาศัยธรรมะของพระอาจารย์โกงมาที่ได้พร่ำสอนอยู่เหนืองนิดทําให้เธอได้รับผลจากคาสอนเป็นอย่างยิ่งถ้าพระเจ้าถามเธอเรื่องการปล้นฆ่าทีไรเป็นด้เรื่องทุกทีเธอบอกว่าเมื่อได้เล่าเรื่องความหลังในเวลาบําเพ็ญสมาธิจะลายเห็นในนิมิตว่ามีตํารวจนับไม่ท้วนมารุมล้อมจะฆ่าเอาเสียให้ได้มันเป็นนิมิต ที่คอยมาหลอกหลอนตัวเองอยู่เสมอเธอได้เล่าต่อไปว่ามีคราวหนึ่งเขาจับผมได้เขาประชารทันจนผมสลบไปพวกเขานึกว่าผมตายแล้วจึงหามา่ผมไปโยนทิ้งในป่าแห่งหนึ่งพอกลางดึกน้ำค้างตกถูกตัวผมผมได้รู้สึกตัวและได้ฟื้นขึ้นพวกชาวบ้านรู้ว่าผมฟื้นไม่ตายพวกเขายิ่งกลัวกันใหญ่อกสั่นขวัญแขวน ผมเองมารู้สึกตัวตอนฟื้นชีพว่าคนเราเกิดแล้วต้องตายแน่เรามาประพฤติตัวเป็นมหาโจรอยู่เช่นนี้ก็คงจะได้รับบาปกรรมอันใหญ่หลวงต่อไปเป็นแน่แต่แม้จะได้คิดเช่นนี้ก็ตามสัญชาตญาณของความเป็นโจรของผมก็ไม่สิ้นไปต้องคุมสมัครพักพวกเข้าปลนสะมมเข้าเหมือนเดิมแต่คราวนี้ผมได้ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ฆ่าใครอีกต่อไป เหมือนกับบุญปางหลังมาช่วยผมอีกไม่ช้าไม่นานนักก็พอดีมาพบกับท่านอาจารย์กงมาจิราปุญโญพร้อมกับเมื่อมองเห็นท่านครั้งแรกก็อัศจรรย์ใจแล้วครับให้เกิดความเลื่อมใสในองค์ท่านตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังธรรมมาจากท่านอาจถึงคราวหมดบาปกรรมแล้วพอได้ฟังธรรมจากท่านเท่านั้นก็ได้เกิดความสลดลงอย่างไม่น่าเชื่อจิตของผมเหมือนถูกชโลมด้วยน้ำอมฤต กลายเป็นจิตที่ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างละตัวออกจากพวกมาหาโจรทั้งหลายผมเองก็พยายามเกลี้ยกล่อมลูกน้องให้ตามผมมาบวชแต่มันไม่ตามมาผมก็เลยปล่อยแต่ในที่สุดลูกน้องของผมทั้งหมดมันก็เลิกเป็นโจรเข้ามาอยู่ในบ้านทรมาหากินตามปกติผมเองจึงบวชเป็นตาพระขาวผมรู้ตัวผมดีว่าทาบาป ก, ก ร, รมไวมาก ผมจึงขอสละชีวิตเพื่อการทำสมาธิอย่างยิ่งยวดตาพระขาอุงได้อยู่ปฏิบัติกับท่านอาจารย์กงมาอยู่เป็นเวลาหลายปีเป็นผู้เคร่งครัดอยู่ในพระธรรมมวินัยเป็นอย่างยิ่งจนวาระสุดท้ายของชีวิตในวันหนึ่งตาพระขาวอุงนางสมาธิอยู่ภายในกรดเป็นเวลาสองวันไม่ออกมา ตามธรรมดาจะออกมารับประทานอาหารพร้อมพระในวันนั้นไม่ออกรพราภิกษุสา ม, มเณรก็สงสัยแต่บางครั้งตาพักขาวุงจะอดอาหารถึงห7ถึงวันก็มีจึงทำให้ไม่มีใครสนใจเท่าใดนักแม้ว่าจะไม่ออกจากหลดตั้งหลายวันวันนั้นพวกเรานึกสงสัยมากกว่าทุกวันจึงพากันเข้าไปเพื่อจะเปิดดูว่าตาพัขาวุงทาอะไรอยู่ข้างใน โดยส่วนมากท่านอาจารย์ท่านห้ามเพราะเป็นเวลาที่เขานั่งสมาธิอยู่เราไปทําให้เสียสมาธิของคนอื่นจึงทําให้เกิดความลังเลที่จะเปิดกรดของตาพระขาวอุงรั้นเมื่อเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานผิดปกติพวกเราจึงตัดสินใจเปิดกรดเมื่อเปิดกรดแล้วทุกๆคนที่เห็นก็ต้องตกตะลึงเพราะตาพระขาวอุงไม่มีลมหายใจซื้อแล้ว แต่ว่ายังคงนั่งสมาธิอยู่ตามปกติไม่ล้มพวกเราจับตัวดูเย็นหมดแข็งทื่อเป็น่้นไม้แต่ว่าคราวนั้นอยู่กันในป่าเป็นวัดป่าเรื่องก็ไม่เป็นข่าวโกลาหลซึ่งถ้าเป็นอย่างปัจจุบันนี้เข้าใจว่าจะเป็นข่าวอุกึกครึกโครมอย่างมหาศาลทีเดียวน่ากลัวว่าพวกที่นับถือเรื่องโชคลางจะพากันแตกตื่นไปหากันใหญ่ แต่ว่าขณะนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดท่านอาจารย์ก็ได้พาญาติโยมพระภิกษุสามเณรทำชาปนากิจศพตามมีตามได้จนกระทั่งเหลืออยู่แต่เท่าฐานเท่านั้นพุทธศักราช2479ตอนไปเผยพระธรรมะที่จังหวัดจันทบุรี หลังจากจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วในพรรษาพระอาจารย์หลีธรรมะเทะโรผู้ซึ่งได้ไปทำประโยชน์อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีในขณะนั้นได้มีผู้เลื่อมใสในพระธรรมเทศนาของท่านมากท่านได้ไปอยู่จันทบุรีองเดียวไม่มีใครช่วยในด้านการเผยพระธรรมกรรมฐานจึงได้มีจดหมายมาถึงท่านอาจารย์กงมาขอให้ไปช่วยในการเผยพระธรรมดังกล่าวแล้ว หลังจากท่านอาจารย์โกงมาได้รับจดหมายแล้วก็นำไปปรึกษาท่านอาจารย์สิงห์ก็ได้รับอนุมัติให้ไปจันทบุรีข้าพเจ้าหลังจากที่กลับจากทุดดงในครั้งนั้นแล้วก็เป็นไข้ามาเลาเรียจับไข่ยอยู่วันเว้นวันจนถึงขึ้นสมองและสลบไปข้าพเจ้าไม่รู้ตัวเลยในขณะนั้นเหมือนกับจิตวิญญาณไปเสวยความสุข อยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งประมาณ30สนาทีจึงฟื้นคืนมาพอหายไม่ดีเท่าไรพร้อมกับท่านอาจารย์กงมาก็ตัดสินใจเดินทางไปจันทบุรีแต่ได้ไปพักอยู่ที่กรุงเทพก่อนนางถมลิปีพันธ์เริ่มใส่ในท่านอาจารย์ได้ถวายค่าโดยสารยเรือไปจันทบุรีองค์ละหบาทไปห้าองค์ด้วยกัน แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าขอพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านอาจารย์กรงมาและท่านอาจารย์หลีไว้ณที่นี้ด้วยย้อนกล่าวตอนต้นของท่านอาจารย์กงมาเพื่อให้ข้อความต่อเนื่องกันเมื่อท่านเป็นคารวะาเป็นพ่อค้าขายโครกระบือและเป็นหัวหน้าได้นํากระบือเข้ามาขายทางภาคกลางทุกๆุกปีจนฐานะของท่านมั่นคง และได้แต่งงานกับหญิงในบ้านของท่านคือบ้านโคกต่อมาเมื่อภรรยาตั้งครรภ์และได้คลอดบุตรภรรยาได้ตายขณะคลอดทำให้ท่านเกิดความสังเวชสลดใจและเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งจึงได้คิดที่จะสละโลกีทั้งมวลได้ไปลาบิดามารดาและญาติก็ได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ไปอยู่ที่วัดตองโขบแต่วัดนั้น เขาไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐ า, านกันเมื่ออยู่ไปไม่ได้ผลทางใจท่านก็พยายามสืบหาครูบาอาจารย์ได้ข่าวว่าอาจารย์วานคำเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่ไม่ไกลนักจึงไปขอพักอาศัยอยู่ด้วยอาจารย์วานคำก็ได้ให้ความรักใคร่แก่ท่านเป็นพิเศษได้สอนให้ทาสมาธิตามวิธีของท่านอยู่ประมาณสิบเดือน ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่พอใจคือตอนค่ำๆพระจะต้องไปถอนหญ้าทางป่าตัดต้นไม้อาจารย์วันคำบอกว่าเราทำอย่างเนี้ยมันก็ผิดวินัยอยู่แต่จำต้องทำภายหลังอาจารย์โกงมาทราบว่าผิดวินัยก็ไม่อยากจะทำแต่ก็จำต้องทำด้วยความเกรงใจอยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์โงมา ท่านก็ได้ทราบข่าวว่ามีตาพระขาวคนหนึ่งทุดงมาปากลดอยู่ใกล้ๆท่วๆนั้นมีผู้คนไปฟังเทศกันมากเกิดความสนใจขึ้นเมื่อได้โอกาสจึงได้ไปหาตาพระขาวคนนั้นเมื่อได้พบก็เกิดความเลื่อมใสเพราะเห็นกิริยามารยาทประกอบกับมีราศีผ่องใสจึงได้ถามว่าท่านมาจากสำนักไหน ตาพรกขาวบอกว่ามาจากสำนักท่านอาจารย์มั่นปุริทัตโตถามว่าอยู่กับท่านมากี่ปีตาพรกขาวตอบว่าสามปีและตาพรกขาวได้อธิบายถึงวิธีทำกรรมฐานแบบของท่านอาจารย์มั่นให้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสยอย่างจริงจังขึ้นถามว่าเวลานี้ท่านอาจารย์มั่นอยู่ที่ไหนตอบว่าอยู่ที่บ้านสามผงดงพระเนาอาําเภอวานนนิวา ละท่านอาจารย์กงมาก็ตั้งใจจะไปหาท่านอาจารย์มั่นให้ได้และได้ลาตาพระขาวคนนั้นกลับวัดมาขอลาท่านอาจารย์วานคำไม่ได้รับอนุญาตแม้จะภาคเพียนขออนุญาตตั้งหลายครั้งพออยู่มาวันหนึ่งอาจารย์วานคำมีธุระไปฟาดภูคือข้างหนึ่งของภูพานเป็นโอกาสของท่านอาจารย์กงมาจึงได้ชวนพระบุญมีเป็นเพื่อนองค์หนึ่ง แล้วก็พากนันหนีออกจากวัดนั้นไปเดินทางเป็นเวลาสองวันก็ถึงที่ที่ท่านอาจารย์มั่นอยู่ขณะไปถึงท่านอาจารย์มั่นกําลังให้โอวาดแก่พระภิกษุสั ม, มเนีรอยู่ณนะที่ศาลากำมลอมุ่งยาคาหลังเล็กๆท่านอาจารย์กงมารู้สึกว่าเมื่อได้มาเห็นภาพเช่นนั้นเข้าให้ตื่นเต้นระทึกใจเหมือนกับว่ามีปีติตกอยู่ในมโนรมตัวชาไปหมด จึงนั่งรอพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งใต้โคนไม้เมื่อท่านอาจารย์มั่นเสร็จจากการให้โอวาทแล้วทั้งสองก็ได้เข้าไปน้ำสศการขอฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นได้ให้พระไปพาขึ้นมาโดยบอกว่านั่นพระแขกมาแล้วและทั้งสองมีความตั้งใจองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเพียงแต่ตามมาเท่านั้น และเมื่อท่านอาจารย์กงมานั่งแล้วท่านอาจารย์มั่นก็ให้กรรมฐานเลยทีเดียวโดยไม่ต้องรอการเวลาและก็บอกให้ไปอยู่ที่กุติหลังหนึ่งที่เปลี่ยวที่สุดตอนพระอาจารย์กงมาจิระบุญโยพบพระอาจารย์มั่นรับโอวาทครั้งแรก เมื่อท่านได้รับโอวาทครั้งแรกของท่านอาจารย์มั่นแล้วก็ทำให้ทราบซึ้งอย่างยิ่งเริ่มต้นเร่งความเพียรอย่างเต็มความสามารถท่านได้กระตอบเล็กหลังหนึ่งอยู่ในป่าณดงพนาวนี้เป็นดงใหญ่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ดุร้ายต่างต่างแต่เป็นที่สงบวิเวกเป็นอย่างยิ่งขณะที่ท่านกำลังเร่งความเพียรอยู่นั้นท่านเล่าว่า หน้าที่แห่งนี้เป็นดงมาเรียถ้าผู้ใดอยู่ที่ไม่ระมัดระวังแล้วเป็นไข้มาเรียมีหวังตายหลังจากได้บำเพ็ญความเพียรมาเป็นลำดับโดยอุบายวิธีของท่านอาจารย์มั่นทำให้เกิดสมาธิปีติเยือกเย็ยนใจลึกซึ้งเพิ่มขึ้นทุกๆวันความเปลี่ยนแปลงไปในทางได้ผลของการบำเพ็ญจิตไม่อยู่คงที่คือดาเนินเข้าไปหาความยิ่งใหญ่ โดยไม่หยุดยัง้งท่านจะเข้าไปปรึกษาไต่ถามท่านอาจารย์มั่นทุกๆวันมิได้ขาดเนื่องด้วยความเป็นไปของสมาธิได้เป็นไปอย่างรวดเร็วท่านอาจารย์มั่นก็ได้แก้ไขให้เกิดศรัทธายัางไม่มีลดละทำให้ท่านมุมาณาบากบันยังไม่คิดชีวิตวันหนึ่งท่านเป็นนั่งสมาธิอยู่ใต้โคนต้นไม้ พอจะพลบค่ายุงได้มากันใหญ่แต่พอดีกับท่านกำลังได้รับความรู้ทางในแจมแจ้งน่าอัศจรรย์จึงไม่ลุกจากที่นั่งได้นั่งสมาธิต่อไปยุงได้มารุมกัดท่านอย่างมหาศาลและยุงที่นี้เป็นยุงอันตรายทั้งนั้นเพราะมันมีเชื้อมาเลาเรียท่านก็ไม่คำนึงถึงเลยคำนึงถึงความรู้แจ้งเห็นจริงที่กาลังจะได้อยู่ในขณะนั้น ท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเราได้ยอมสละแล้วซึ่งชีวิตนี้เราต้องการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะอันท่านอาจารย์มั่นได้แนะนำให้ในการนั่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งพิเศษมากเพราะมันเกิดความสว่างยังไม่มีอะไรปิดบังเราลืมตาก็ไม่สว่างเท่าดูมันทะลุปรปโปร่งไปหมดภูเขาป่าไม้ไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้เลย และมันเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นแก่เราแม้จะพิจารณากายสังขารก็แจ้งกระจ่างไปหมดจะนับกระดูกกี่ท่อนก็ได้เกิดความสังเวชสลดจิตยิ่งนักหวนคิดไปถึงคุณของท่านอาจารย์ว่าเหลือล้นพ้นประมาณคิดว่าเราถ้าไม่ได้พบอาจารย์มั่นเหตุชะไหนเราจะได้เป็นเช่นนี้หนอท่านเด้นนั่งสมาธิจนรุ่งสว่างพอออกจากสมาธิ ปรากฏว่าเลือดของยุงที่กัดท่านหยดเต็มผ้านิสีธนะคือผ้าปูนั่งเต็มไปหมดพอท่านลุกขึ้นมาตัวเบาแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่ายุงเหล่านี้มีพิษสงร้ายนักแต่ท่านก็ไม่อนาทรร้อนใจเพราะที่ท่านได้รับธรรมะนั้นวิเศษนักแล้วแต่ท่านก็หาได้จับไข้หรือเป็นมา เ, เรียเลยนับเป็นสิ่งอัศจรรย์อยู่มากทีเดียว ความเป็นมาในวันนี้ท่านเด่นนำไปเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นได้รับการยกย่องสันเสริญในถ้ำกลางพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาประชุมกันและได้พูดว่าท่านกงมานีสสำคัญนักแม้จะเป็นพระที่มาใหม่แต่บารมีแก่กล้ามากทำความเพียรหาตัวจับยากสู่เสียสละให้ยุงกินได้ตลอดคืนควรจะเป็นตัวอย่างแก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติทั้งหลายและท่านอาจารย์มั่น ก็แดแสดงถึงมหาสติปัฐานโดยเฉพาะกายานุปัสนาสติปัฐานให้ท่านฟังอย่างแจ่มแจ้งท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังต่อไปว่าเมื่อเราอยู่ที่บ้านสามผงดงพนานี้การทําความเพียรได้บําเพ็ญทั้งกลางคืนและกลางวันมีการพักหลับนอนในเวลากลางคืนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนตอนกลางวันเราจะเอียนหลังลงนอนไม่ได้เลย แม้ว่าเราต้องการจะเอนหลังพักผ่อนบ้างเพราะความเหน็ดเหนื่อยแต่พอเอนหลังลงเท่านั้นจะมีอีกาตัวหนึ่งบินโฉบมาจับที่หลังคากระต๊อบของท่านและใช้จงอยปากสับตรงกลางหลังคาเสียงดังทันทีถ้าท่านไม่ลุกขึ้นมันก็จะสับอ ย, อย่างนั้นพอท่านลุกขึ้นมันก็จะหยุดเป็นอยู่อย่างนี้มาหลายเวลาทีเดียวจนท่านไม่กล้าจะพักจำวัดเวลากลางวัน ท่านได้เล่าเหตุการณ์ตอนนี้ต่อไปอีกว่ามีคราวหนึ่งที่ท่านต้องหนักใจอย่างยิ่งคือท่านอาจารย์มั่นใช้ให้ท่องพระปาติโมกให้ได้เสียก่อนจึงจะยัติเป็นพระธรรมยุทธเหมือนกับท่านอาจารย์มัน่นเพราะท่านบวชเป็นพระมหานิกายอยู่ก่อนข้าที่มีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งและต้องการที่จะเป็นสิทธทิแท้จริงของท่านอาจารย์มัน่นเราจึงต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะท่องพระปาติโมกให้ได้ ซึ่งเป็นการขัดข้องเลอกเกินเนื่องจากเราอ่านหนังสือเขียนหนังสือไทยไม่ได้มากถึงได้ก็ไม่ชํานาญที่จะอ่านถึงหนังสือพระปฏติโมกแม้จะเป็นเรื่องยากแสนยากนักสําหรับตัวเราก็คือว่าแม้แต่การปฏิบัติจิตใจที่ว่ายากนักเราก็ยังได้พยายามจนได้รับผลมาแล้วจะมาย่อท้อต่อการท่องพระปฏิโมกนี้เสียทําไม เราจึงพยายามทั้งกลางวันกลางคืนเช่นกันแกะหนังสือไปทีละตัวถึงกับขอให้พระอื่นที่อ่านหนังสือได้ช่วยต่อให้เราพยายามอยู่หลายเดือนในที่สุดก็สำเร็จให้แก่เราจนได้เป็นอันว่าเราท่องพระปาติโมกจบอยู่ที่บ้านสามผงดงพนานี้เอง แม้การอยู่ร่วมกับท่านอาจารย์มั่นเป็นเวลานานเป็นปีๆนั้นเป็นการอยู่อย่างมีความหมายจริงๆวันและคืนที่ล่วงไปไม่เคยให้เสียประโยชน์แม้แต่กระเบียดนิ้วเดียวเราจะไต่ถามความเป็นอย่างไรในจิตที่กำลังดำเนินท่านจะแก้ไขให้อย่างแจ่มแจ้งและท่านยังรู้จักความก้าวหน้าถอยหลังของจิตของเราเสอีกบอกล่วงหน้าให้ได้เลยในการบางครั้ง ทำให้เราเกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งคราวใดที่เราเคร่งครัดการทำความเพียนเกินควรท่านก็จะทัดทานแนะนำให้ผ่อน ล, ลงมาคราวใดเราชักจะย่อนไปท่านก็จะเตือนให้ทำหนักขึ้นและบางคราวบางเดือนสมควรที่ให้ไปห่างจากท่านท่านก็จะบอกชี้ทางให้ออกไปว่าไปณที่ถ้านั้นภูเขาลูกนั้นป่านั้นเพื่อความวิเวกยิ่งขึน เราก็จะไปตามคำสั่งของท่านทำการปรารบความเพียนในที่ไปนั้นเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งชัดเจนในความสามารถของท่านยังไม่มีอะไรจะมาเปรียบปานรั้นได้การเวลาท่านก็เรียกให้กลับเพื่อความที่จะแนะนำต่อเรารู้สึกว่าเมื่อกลับมาจากการไปวิเวกเรามาถึงท่านจะแสดงธรรมวิจิตจริงๆ ให้ทราบซึ้งอย่างยิ่งคล้ายกับว่าท่านได้ล่วงรู้ความเป็นไปต่างๆที่เราได้กระทำมานี่ก็ทำให้เราอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งอีกเช่นกันการกระทาเช่นนี้มิใช่ว่าจะแนะนำให้แก่เราแต่ผู้เดียวทุกๆองค์ที่อยู่กับท่านท่านก็จะแนะนำเช่นเดียวกัน ท่านอาจารย์โกงมาท่านก็พยายามเล่าเรื่องต่างๆของท่านในอดีตให้ข้าพเจ้าฟังต่อไปอีกว่าครั้งหนึ่งที่เราได้อยู่กับท่านอาจารย์มั่นผ่านมาเป็นเวลาสองปีเศษได้พบเห็นเหตุการณ์ต่างๆเช่นพระภิกษุสั ม, มเาแนนที่มาอยู่กับท่านทุกๆองค์ต่างก็สนใจในธรรมอย่างแท้จริงมิได้มีองค์ใดเลยที่ย่อหย่อนและทุกๆองค์ต่างได้ผลทางใจกันทั้งนั้น เพราะเมื่อผู้ใดมีอะไรเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญจิตแล้วก็จะนํามาเล่าถวายท่านฟังและในเวลาที่ประชุมกันฟังทำให้รู้สึกขนพองสยองกล้าวเอาทีเดียวเมื่อได้ยินแต่ละองค์พูดถึงความจริงที่ตนได้รับบางองค์ก็พูดเหมือนเรากําลังเป็นอยู่แล้วและท่านก็แก้ไขให้องค์นั้นเราเองพลอยถูกแก้ไขไปในตัวเสร็จ บางองค์พูดขึ้นลึกซึ้งหรือที่เราจะรู้ได้ก็ทำให้เราอยากรู้อยากเห็นต่างองค์ก็ต่างไม่สงสัยซึ่งกันและกันว่าคำพูดเหล่านั้นจะไม่จริงทำให้เรานี้นึกย้อนหลังไปถึงอดีตว่าแม้ครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็คงจะเป็นเช่นนี้เองเลยทำให้เหมือนกับว่าเรากําลังอยู่ต่อหน้าพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละ ถึงอย่างไรก็ตามเราเองเริ่มใส ย, ยิ่งทั้งท่านและพระภิกษุสัมมาเนนที่อยู่กับท่านเพราะเหตุที่เห็นการปฏิบัติและปฏิปทาหน้าเลื่อมใสและที่ได้เปล่งวาจาแห่งความจริงที่เกิดขึ้นในจิตของแต่ละท่านในระยะต่อมาท่านอาจารย์มั่นท่านจะเดินทางกลับไปจังหวัดอุบลทั้งนี้เพื่อจะส่งมารดาของท่านกลับไปบ้านด้วย หลังจากที่ท่านได้นำมารดาของท่านมาบวชีแล้วแนะนำการปฏิบัติให้จนเป็นที่พอใจแล้วจึงได้นัดพระภิกษุที่ติดตามปฏิบัติอยู่กับท่านเพื่อจะได้เดินทางกลับไปทางจังหวัดอุบลการเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเพราะบรรดาศิทิานุสิต ท, ทั้งใหญ่และเล็ก ก็ได้เตรียมที่จะเดินทางติดตามท่านในครั้งนี้แทบทั้งนั้นการจัดการเดินทางโดยการเดินแบบเดินทุดงแต่การทุดงนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ด้วยท่านจึงจัดเป็นคณะคณะคณะและสามรูปสี่รูปบ้างท่านเองเป็นหัวหน้าเดินทางไปก่อนเมื่อคณะที่สองไปก็จะพักที่เดิมคณะที่สามและสี่ก็จะพักที่เดิมนั้น ทางนี้เพื่อจะได้สอนญาติโยมตามรายทางด้วยการสอนนั้นก็เน้นหนักไปทางกรรมฐานและการถึงพระไตรัยสระคมที่ให้ละการนับถือพูดผีปีศาต่ตางๆนานาเป็นการทดลองคณาสิทธิ์ไปในตัวด้วยว่าองค์ใดจะมีฝีมือในการเผยพระธรรมในการเดินทางนั้นพอถึงวันอุโบสถก็จะนัดทมปาติโม หลังจากนั้นแล้วก็จะแยกย้ายกันไปตามที่กาหนดหมายการเดินทุดงแบบนี้ท่านบอกว่าเป็นการโปรดสัตว์เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัททั้งหลายและก็เป็นจริงเช่นนั้นแต่ละแห่งที่ท่านกาหนดพักนั้นตามหมู่บ้านประชาชนได้เกิดความเลื่อมใส ย, ยิ่งในพระคณะกรรมฐานนี้เป็นอย่างดีและต่างก็รู้ผิดชอบในพระธรรมวินัยขึ้นมาก ตามสถานที่เป็นที่พักทุดงในการครั้งนั้นได้กลับกลายมาเป็นวัดของคณะกรรมฐานเป็นส่วนใหญ่ในภายหลังโดยญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับรสพระธรรมได้พากันร่วมอกร่วมใจกันจัดการให้เป็นวัดขึ้นโดยเฉพาะให้เป็นวัดพระภิกษุสัมเนนชั้นมือเดียวชั้นในบาทบำเพ็ญสมาธิกรรมฐานในครั้งนี้เอง พระอาจารย์โกงมาได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าพระอาจารย์ลีธรรมทโรเป็นพระมหานิกายอยู่วัดบ้านอำเภอม่วงสาสิบขณะที่เราได้พักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านวัดนี้ท่านอาจารย์ลีก็ได้กิตติศัพท์ว่ามีพระกรรมฐานมาพักอยู่ในที่ใกล้ๆแห่งนี้เห็นจะมีของดีๆแจกเป็นแน่กับไม่ใกล้เคยได้ยินมานานแล้วข้าที่อยากจะพบ ในค่ำคืนวันหนึ่งท่านอาจารย์ลีจึงได้ไปหาเราณที่เราพักรุกขมูลอยู่ในป่านั้นตอนพระอาจารย์ลีธรรมทโรพบท่านพระอาจารย์กงมาจุราบุญโย ท่านอาจารย์กงมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเมื่อท่านได้เดินธุดงตามท่านอาจารย์มั่นภูริธธทัตเตระเพื่อไปส่งมาดาของท่านที่บวชชีไปอยู่จังหวัดอุบลนั้นท่านได้แวะพักที่บ้านของท่านอาจารย์ลีขณะนั้นท่านบวชเป็นภิกษุอยู่ที่วัดบ้านเมื่อท่านอาจารย์ลีทราบข่าวว่ามีพระธุดงมาพักที่ปา่าช้าก็เกิดความสนใจขึ้นจึงได้มาพบพระอาจารย์กงมา ซึ่งมีมารยาทที่น่าเลื่อมใสผิดกับภิกษุอื่นๆที่เคยเห็นมาทําให้เกิดความเลื่อมใสในใจเป็นอย่างยิ่งครั้นเมื่อได้เข้าไปน้มาสการไต่ถามถึงธรรมะต่างๆก็ให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นโดยเฉพาะท่านอาจารย์โกงมาท่านได้อธิบายถามที่ท่านได้รับการปฏิบัติทางใจมาจากท่านอาจารย์มั่นและการปฏิบัติที่ผ่านมาแล้ว ยิ่งทำให้ท่านอาจารย์ลีเกิดความสนใจเป็นพิเศษท่านอาจารย์โกงมาได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าครั้งแรกที่เราได้แสดงธรรมให้แก่ท่านอาจารย์ลีนั้นเราได้แสดงถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณากายให้เกิดอริยสัจธรรมตามแนวของท่านอาจารย์มั่นจึงทำให้ท่านอาจารย์ลีที่กำลังฟังนั้นนั่งนิ่งเหมือนกับถูกสะกดจิตทีเดียวจากคืนวันนั้น ก็ทํำให้ท่านอาจารย์ลีได้ตัดสินใจที่จะไปทุดงกับท่านอาจารย์กรงมาโดยการเดินติดตามท่านอาจารย์มั่นไปจนถึงจังหวัดอุบลเมื่อไปถึงจังหวัดอุบลพักอยู่วัดบุรพารามพอดีกับท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเทระในวงแล็บหนูอดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามขึ้นมาจากกรุงเทพพักอยู่ที่วัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานี และท่านเจ้าคุณปัญญานี้ได้เป็นเพื่อนสหาธรรมิกกับพระอาจารย์มั่นจึงขอให้เป็นอุปชายติบวทใหม่ให้ท่านอาจารย์โกงมาและท่านอาจารย์หลีโดยพระอาจารย์โกงมาเป็นนาขวาพระอาจารย์หลีเป็นนาคซ้ายเพราะเหตุนั้นท่านทั้งสองจึงได้มีการสนิทสนมและเคารพนับถือซึ่งกันและกันตลอดมา ขณะที่ผู้เขียนเป็นสา ม, มเณรและได้ติดตามพระอาจารย์กงมาเป็นสิทธิ์ก้นกุติก็ได้เห็นท่านทั้งสองปรึกษาธรรมและกิจการพระศาสนาอยู่เสมอเสมอดังนั้นเมื่อท่านพระอาจารย์ลีได้ไปเผยแพร่ข้อปฏิบัติธรรมทางจันทบุรีมีประชาชนให้ความสนใจมากและมีความเลื่อมใสในข้อปฏิบัติของกรรมฐานกว้างขวางขึ้นอย่างรวดเร็วจึงได้มีจดหมายไปอาราธนาท่านพระอาจารย์กงมา ซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่บ้านใหม่สำโรงอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอันเป็นบ้านเดิมของผู้เขียนท่านอาจารย์โกงมาก็มีความยินดีที่จะมาร่วมงานเผยพแพร่พุทธธรรมข้อปฏิบัติจึงได้เดินทางมาเมื่อพุทธศักราช2479ซึ่งข้าพเจ้าเป็นสามเณรได้ติดตามท่านมาด้วยการเดินทางครั้งนั้นได้โดยสารเรือทะเลมา ชื่อเรือพานุรังสีนับว่าเป็นการเห็นทะเลครั้งแรกของผู้เขียนเป็นการอศัศจรรย์ดีเหมือนกันเมื่อได้เห็นความกว้างขวางของทะเลเมื่อพระอาจารย์โกงมาได้มาถึงจันทบุรีก็ได้มาพักอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้งอันเป็นวัดกรรมฐานวัดแรกของจังหวัดจันทบุรีที่พระอาจารย์ลีได้มารเริ่มก่อสร้างขึ้นขณะนั้น ชาวจันทบุรีโดยทั่วไปมีความประสงค์ที่จะให้พระอาจารย์กรรมฐานไปแนะนำข้อปฏิบัติตามถิ่นของตนของตนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านหนองบัวอำเภอเมืองนั้นมีความสนใจในธรรมะกันมากได้เคยพยายามมาติดต่อท่านอาจารย์หลีอยู่เสมอเพื่อขอพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิไปสร้างวัดเพื่อให้เป็นสถานที่อบรมปฏิบัติก็พอดีวันนั้นได้มีนายหลวนและนายเสียน ชาวบ้านหนองบัวได้ไปที่วัดคลองกุ้งอีกครั้งหนึ่งได้พบกับพระอาจารย์กงมาเกิดความเลื่อมใสได้อารัธนาให้ท่านไปที่บ้านหนองบัวเพื่อจะได้ไปสอนธรรมะปฏิบัติท่านพระอาจารย์กงมาจึงบอกว่าให้กลับไปก่อนลองเสี่ยงความฝันดูถ้าดีก็ให้มารับไปถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องมารับนายหลวนจึงบอกว่าผมฝันดีแล้ว ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ท่านพระอาจารย์กรงมาถามว่าฝันว่าอย่างไรลองเล่าให้ฟังทีนายหลวนจึงเล่าว่าผมฝันว่าได้ช้างเผือกสองเชือกงามมากตัวหนึ่งเป็นแม่ตัวหนึ่งเป็นลูกขณะที่ฝันนั้นผมดีใจมากพยายามลูกคลำช้างนั้นอย่างรักใคร่เป็นอย่างมากนายหลวนได้พูดเสริมต่อไปว่า ผมนึกว่าผมจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซะแน่แล้วแต่ว่าหาใช่เช่นนั้นไม่คือผมจะได้อาจารย์ไปสอนธรรมะให้พวกกระผมนั่นเองซึ่งพวกกระผมดีใจกว่าถูกลอตเตอรี่ซะอีกท่านอาจารย์โกงมาได้ฟังในหลวนเล่าให้ฟังเช่นนั้นก็จึงได้ตกลงใจที่จะไปบ้านหนองบัวนัดวันให้มารับคือวันขึ้น13าค่าเดือนหปีชวดพุทธศักราชสองส ได้ไปกับสามเรณรวิริยังคือผู้เขียนการไปบ้านหนองบัวนั้นต้องไปทางเรือแจวใช้เวลาสองชั่วโมงขณะที่ไปในเรือซึ่งมีคณะเก่าของนายหลวนายเซียนกับพวกอีกห้าคนมารับและนายหลวนได้พูดขึ้นว่าเป็นการแน่นอนแล้วสำหรับความฝันของผมว่าได้ช้างเผือกสองเชือกแม่กับลูกคือท่านอาจารย์กงมากับสามเรณรนี้เอง ทำให้พวกเขาเกิดความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งพวกเราได้ไปถึงบ้านหนองบัวและเดินต่อไปที่ปา่าช้าซึ่งเขาจะจัดให้เป็นที่สร้างวัดซึ่งปรากฏเป็นวัดทรายงามในเวลาต่อมาและได้ไปถึงเวลาบายโมงกับห้านาทีการสร้างวัดไสายงามนี้ท่านอาจารย์โกงมาท่านได้สร้างคนหมายความว่า ท่านได้สร้างคุณธรรมให้แก่คนในละแวกนั้นอย่างเต็มที่เพราะตั้งแต่วันมาถึงท่านได้เปิดการแสดงธรรมทุกวันก็มีประชาชนสนใจมาฟังทุกวันมิได้ขาดนอกจากแสดงธรรมแล้วท่านก็นำบำเพ็ญสมาธิจนปรากฏว่ามีผู้ได้รับธรรมะจนเกิดปิติภายในกันมากในระยะสามเดือนแรกท่านอาจารย์ได้แสดงธรรมอย่างวิจิตพิสดาร ทำให้ชาวบ้านนั้นเกิดศรัทธาได้ช่วยสร้างศาลาการประเรียนและกุฏิอย่างรวดเร็วพอกับพระห้ารูปและสามเณรหนึ่งรูปในปีนั้นตลอดระยะเวลาห้าปีของท่านพระอาจารย์กงมาที่ท่านได้อยู่สร้างวัดที่จันทบุรีนี้ท่านได้ทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากอย่างยิ่งโดยเฉพาะการแนะนำในการปฏิบัติธรรมทั้งฝ่ายบรรพชิตและเข้าหรหั เป็นอันว่าจังหวัดจันทบุรีในขณะนั้นได้มีผู้สร้างบุคคลให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสององค์คือพระอาจารย์ลีและพระอาจารย์กงมาได้ช่วยกันเผยพระธรรมปฏิบัติกว้างขวางออกไปทุกอำเภอและห ล, ะลายๆตำบลอันเป็นผลงานปรากฏจนถึงทุกวันนี้คือปรากฏว่ามีวัดที่เป็นวัดปฏิบัติอยู่แทบทุกอำเภอเช่นวัดคลองกุ้งวัดเขาแก้ววัดเขาน้อยถ้าฉลับ วัดยางระโหงวัดเขากระแจวัดทรายงามวัดดำรงธรรมวัดมณีคีรีวงวัดสถาพรวัฒนาวัดสามัคคีคุณาวาดเป็นต้นนี่คือผลงานของพระอาจารย์ทั้งสองและนี้เป็นทางด้านวัตถุส่วนทางด้านธรรมะคือทำให้เกิดพระที่เป็นสมภารให้แก่วัดต่างๆซึ่งกำเนิดมาจากวัดทรายงามหนองบัวไปเป็นสมภารมีพระครูสุทธิธรรมรังสี เจียจุนโทพระคูยานวิโรธปทุมพระอาจารย์ทวินพระมหาเข้มพระอาจารย์สันติสันติปาโลเป็นต้นส่วนทางอุบาสกอุบาสิกาก็ได้รับรถพระธรรมตกทอดมาจนถึงลูกหลานก็ได้มาเข้าวัดฟังธรรมและปฏิบัติจนเป็นหลักฐานในทางใจได้รับผลสืบต่อมาจากบิดามารดาจนปรากฏว่ายังมีการปฏิบัติธรรมกันเป็นอย่างดีทุกๆวัด ที่เป็นวัดเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสิทธิ์ท่านอาจารย์ทั้งสองพุทธศักราช2484ในปีนี้ท่านอาจารย์กงมาท่านได้ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นภูริทตะเทระได้กลับจากเชียงใหม่ หลังจากที่ได้อยู่เป็นเวลานานถึงสิบสองปีเพราะท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลไปนิมนต์ที่มาโปรดญาติโยมทางจังหวัดอุดรธานีและได้อยู่ที่จังหวัดนี้สามปีแล้วจึงไปจังหวัดสกล น, นครได้ไปพักอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งใกล้กับบ้านโคกตําบลตองโคกอำเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครอันเป็นบ้านเกิดบ้านเดิมของท่านอาจารย์โกงมาจิระปุญโญท่านเมื่อได้ทราบข่าวเช่นนี้ไม่ได้รอช้า คิดถึงวัดวาอารามที่ท่านได้สร้างด้วยทุนทรัพย์มหาศาลและญาติโยมที่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านทุกๆอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งน่าจะต้องคุกพันมากมายเช่นวัตถุ ก, ก่อสร้างที่น่ารื่นรมญาติโยมที่นอบน้อมเลื่อมใสมากมายนักแต่ท่านไม่ได้คิดเอาแต่สิ่งเหล่านี้มาเป็นสิ่งที่ขัดขวางหรือเป็นอุปาทานเลยเมื่อถึงเวลาที่จะไปในมรสการท่านอาจารย์มั่นแล้วขณะนั้น ข้าพเจ้าผู้เขียนกำลังทุดงอยู่อำเภอคลุงกำลังเทศนาสั่งสอนญาติโยมอยู่ด้วยท่านอาจารย์โกงมาก็ให้พระไปบอกว่าให้รีบกลับและเดินทางไปหาท่านอาจารย์มั่นด้วยกันในวันปรื่นนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สะทกสถานเพราะพวกเรามีสมบัติอยู่แต่เพียงตะบาดใบเดียวจีวรครองอยู่เท่านั้นก็จึงได้เริ่มออกเดินทาง เดือนเมษายนพุทธศักราชสอ8 4มันเป็นระยะเวลาพอดีเอาซิจริงๆเพราะปีนี้มาอยู่วัดจันทบุรีวัดไยงามเป็นวัดแรกก็เดือนเมษายนเวลาจะจากไปก็เดือนเมษายนในครั้งนั้นญาติโยมอุบาศกอุบาสิกาได้พากันเศร้าโศกร้องไห้เป็นการใหญ่ต่างพากันเสดายท่านอาจารย์โกงมาและข้าพเจ้าผู้เขียน เนื่องจากขณะที่อยู่ณที่นั้นเป็นเวลาห้าปีก็ได้ทำประโยชน์ทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจยอย่างมากมายเป็นอันว่าพวกเราไม่มีการคิดถึงเหตุการณ์เหล่านี้เท่าใดนักท่านอาจารย์คงมาท่านว่าเราไม่ต้องกังวลเรารีบเดินทางไปเถิดได้เริ่มเดินทางโดยเท้าทุดงออกจากวัดทรายงามวันที่18เมษายนสองศสี่ เวลาสิบนาิกาสินาทีไปสู่อำเภอมะขามอันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีท่านอาจารย์กลงมาได้พูดกับข้าพเจ้าว่าเราตัวเ ป, ปล่าเปล่าหมดภาระสบายจริงและได้พักอยู่อำเภอมะขามนี้หนึ่งคืนข้าพเจ้าถามท่านว่าก็อยู่ที่วัดสายงามมีที่นอนหมอนมุง้งน้ำอ้อยน้ำตาล น, น้ำหวานน้ำอัดลมอาหารทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ แต่เวลานี้เรานอนบนดินไม่มีแม้แต่น้ำตาลสักก้อนทำไมท่านอาจารย์จึงว่าสบายท่านอาจารย์พูดว่าวิริยังนั่นมันเป็นอาหารภายนอกบัดนี้เราไม่ได้อาหารภายในคือการละอุปาทานไม่ต้องไปเป็นสมทานให้มันหนักอึ้งเราแม้จะนอนกับดินกินกับหญ้าแต่อิ่มด้วยธรรมปิติแล้วท่านได้กล่าวอย่างนี้กับข้าพเจ้า ในขณะที่ข้าพเจ้ากําลังถวายการนวดให้แก่ท่านในค่าคืนวันหนึ่งตอนพระอาจารย์คงมากับพระวิริยังเดินทุดงตามพระอาจารย์มั่นการทุดงในการครั้งนี้ของท่านพระอาจารย์คงมากับพระวิริยยัง เป็นไปด้วยการมีความหมายเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการปลดภาระจากการก่อสร้างวัดและการผูกพันการสั่งสอนประชาชนพร้อมกับการถือเขาถือเราในการยึดกุลับปริโภทศคือความกังวลเกี่ยวกับตระกูลญาติหรืออุปถาคข้าพเจ้าผู้เขียนหวนระลึกไปถึงในการครั้งนั้นอย่างรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตของการเดินทุดงมหาวิบาก แม้จะมีการเดินอยู่ตลอดเวลาอันยาวนานแต่ก็ไม่เหมือนครั้งนี้จะเป็นเพราะเหตุใดผู้เขียนเข้าใจในภายหลังว่าพระอาจารย์กรงมาท่านต้องการทรมานตัวของท่านและข้าพเจ้าผู้เขียนไปด้วยเพราะการเดินทุ ด, ดงครั้งนี้จุดมุ่งหมายมีอยู่สองประการประการที่หนึ่งต้องการทรมานกิเลสเมื่อพบที่สงบดีก็จะพักภาวนาอยู่หลายวันเพื่อเพิ่มพูนพลังจิต ประการที่สองเพื่อไปพบพระอาจารย์มั่นบุริทธตาเทระอันเป็นจุดประสงค์แท้จริงจากอำเภอมะขามท่านก็เดินด้วยเท้าข้าพเจ้าก็เดินด้วยเท้าไปตามทางเกวียนบ้างทางเท้าบ้างแดดร้อนจ้าเมื่อเดินออกทุ่งแต่เป็นทุ่งญยาท่านรู้สึกจะเหนื่อยมากจึงพาข้าพเจ้าแวะที่ร่มไม้แห่งหนึ่ง และขอฉันน้ำข้าพเจ้าถวายท่านหนึ่งแก้วน้ำนี้ข้าพเจ้าสะพายมันมาจากอำเภอมะขามโดยใส่กระติกข้าพเจ้าเองก็ไม่กล้าฉันในระหว่างเดินทางเพราะกลัวน้ำจะหมดหลังจากท่านได้ฉันน้ำแล้วท่านบ่นออกมาว่าแม่ร่างกายนี้มันคอยจะหาเรื่องอยู่เรื่อยทีเดียวข้าพเจ้าถามท่านว่าหาเรื่องอะไรครับ ก็หาเรื่องจะให้กลับไปนอนบนเตียงที่วัดนะสิและไปไหนมาไหนก็มีรถยนต์เรือไฟแต่เราจะไม่ยอมเชื่อมันแม้จะลำบากเท่าไรก็ทรมานมันต่อไปพอาหายเหนื่อยท่านก็พาข้าพเจ้าเดินต่อไปคราวนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านตรงแบกหลดสะพายบาดของในบาตก็หนักข้าพเจ้าจึงเอาผ้าม้งกรดมาพันเข้ากับตัว และเอาสายเสดียงรัดให้แน่นจึงเอากลดและบาทของท่านมาสะพายและแบกไปทําให้ข้าพเจ้าต้องแบกสัมภาระหนักอีกเท่าตัวสำหรับข้าพเจ้าไม่เป็นไรเพราะขณะนั้นกำลังหนุ่มน้อยอายุ22ปีเท่านั้นจึงไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยและด้วยความเคารพและศรัทธาในตัวอาจารย์ของข้าพเจ้าอย่างสุดซึง้งจึงทาให้ไม่มีความสะทกสะทานอะไรเลยในตัว และต้องการจะสนองคุณของครูบาอาจารย์อย่างยิ่งเป็นเวลาค่ำลงแล้วเห็นหมู่บ้านเล็กๆบ้านหนึ่งมีประมาณห้าหลังคาเรือนท่านได้พาแวะพักที่นั้นโดยยึดโรงฟางที่เขาเก็บเอาไว้เลี้ยงโคกระบือแม้จะเป็นการเดินที่เหน็ดเหนื่อยแต่ท่านก็ยังพาข้าพเจ้านั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลาท่านบอกว่าเหนื่อยก็จริง แต่พอนั่งสมาธิแล้วก็หายเหนื่อยตอนนี้มีชาวบ้านมาหาท่านอยู่สองถึงสมคนเตื่นเช้าเข้าถวายอาหารบิณฑบาตแล้วก็เดินต่อไปถึงกิ่งอำเภอพญากรรมพุทธอันเป็นกิ่งอำเภอธุระ ก, กันดาลเหลือเกินเพราะรถยนต์มาไม่ได้เดินมาถึงที่นี่ก็ค่ำแล้วก็แวะพักที่ใต้โคนต้นไม้พอที่จะเป็นสถานทำความเพียรสงบสงัด ข้าพเจ้ากลางกรดปูที่นอนกับดินเพียงแต่เอาผ้าอาบน้ำปูถวายใช้เท้าบาดเป็นหมอนตามมีตามได้และคอยนั่งเฝ้าปฏิบัติท่านตลอดเวลาท่านก็ให้โอวาดแก่ข้าพเจ้าเช่นเคยได้บอกว่าวิริยังอันการที่จะหาเรื่องกังวลใส่ตัวเองนั้นมันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งและควรจะพิจารณาในเมื่อเห็นหญิงสาวใหเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียด และพึงพิจารณามิให้มันเข้ามาอยู่ในใจว่าเป็นของสวยงามทั้งตัวเราและตัวเขาหลังจากนั้นท่านก็พักผ่อนจนรุ่งสว่างแล้วออกบินทบาทมีแต่ชาวเขมรทั้งนั้นเขาเห็นพวกเราเข้าไปบินทบาทตะโกนกันทั่วไปให้ใส่บาดว่าลูกสงโมกเหยยข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรบัดเดียวใจก็ปรากฏว่ามีคนมาใส่บาดกันเต็มไปหมด แต่ไม่มีใครใส่กับข้าวเลยกลับจากบินทบาดแล้วมีคนนำกับข้าวมาคนเดียวแกงถ้วยเล็กๆแต่ข้าวอร่อยมากเป็นข้าวเจ้าแต่เหนียวหอมก็เลยต้องเอาน้ำฉันไปกับข้าวพอเป็นยาปารมาณฉันเสร็จแล้วก็เดินต่อไปทั้งวันนั่งพักบ้างเดินบ้างตอนนี้ท่านก็ค่อยแข็งแรงขึ้นจนไปถึงบ้านโอลัมเจียก มาถึงนี้มีพระสมภารมาขอให้ท่านไปพักในวัดของเขาแม้ท่านอาจารย์โกงมาท่านจะไม่อยากจะไปแต่ท่านสมภารอ้อนวอนอยู่นานท่านได้ตกลงเข้าไปพักในวัดนั้นเขาได้จัดแจงตกแต่งที่หลับที่นอนให้อย่างดีต้อนรับอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะสมภารวัดนี้ท่านรู้ดีว่าท่านอาจารย์โกงมาเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาก พอค่ำลงข้าพเจ้าก็เข้าปฏิบัติท่านตามปกติท่านบอกว่าดูเถอะเราจะหนีวัดยังไงถึงเข้ามาวัดอีกข้าพเจ้าได้พูดว่าเขามีศรัทธาก็ฉลองศรัทธาเขาหน่อยท่านตอบว่าเพราะฉลองศรัทธานี่แหละมันทาให้ทุดงต้องเสียาหายรุ่งเช้ามันเป็นภาพประทับใจข้าพเจ้าอย่างบอกไม่ถูก ข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อในสายตาของข้าพเจ้าเอาจริงๆโดยที่ข้าพเจ้าเห็นสมภารที่วัดนี้ขึ้นอยู่บนยอดต้นมะพร้าวกำลังปลิดผลมะพร้าวอ่อนย่อนลงมากองพนเนินแต่ท่านสมภารได้ลงมาเจาะมะพร้าวเองแล้วให้ข้าพเจ้าถวายท่านอาจารย์คงมาไม่ทราบว่าอย่างไงท่านทำอาการขยักขยแงข้าพเจ้าพยายามค่มจิตใจในขณะนั้น ท่านก็คงโคมเช่นกันและพวกเราก็ฉันน้ำมะพร้าวอ่อนในวันนั้นอย่างเต็มที่สมภารดีใจมากและต้องการจะให้พวกเราอยู่ต่อไปให้หลา ย, ลายวันแต่ท่านก็บอกว่ามันเป็นการผิดวัตถุประสงค์พวกเราก็ต้องลาสมภาร น, นั้นไปหลังจากฉันเสร็จแล้วสมภาร น, นั้นรู้สึกอะไรอวรพวกเรามากแต่จะทำอย่างไรได้ท่านเดินทุ ด, ดง ข้าพเจ้าเดินทุดงต่อและท่านก็พูดว่าดูเถอะพระท้องถิ่นเนี่ยช่างไม่รู้วินัยกันเลยศรัทธาดีแท้ๆเริ่มใส่แท้ๆแต่ทำผิดดูสิขึ้นต้นมะพร้าวยังปลิดมะพร้าวเองผิดวินัยทั้งนั้นแต่ไม่รู้จะบอกเขาอย่างไรเราก็เป็นพระแขกก็ต้องปล่อยตามเรื่องไป ตอนเข้าเขตเขมรบ่อไพรลินการเดินทางวันนี้ด้วยความประสงค์จะให้ถึงบ่อไพรลินอันเป็นแดนเขมรซึ่งขณะนั้นเป็นของไทยอันเป็นผลของการรบสงครามอินโดจีนพวกเราจึงเดินทางเข้าไปไม่ต้องมีพาสปอร์ตระยะทางจากบ้านโอลัมเจียกไปถึงบ่อไพรลินประมาณ3 0มสถึงสีกิโลเมตร ถึง 1,000 กว่าเส้นท่านบอกว่าวันนี้เราจะต้องเดินให้ถึงก็ต้องพยายามและก็ได้เหน็ดเหนื่อยมาหลายวันแล้วก็เหนื่อยกันต่อไปเพราะช่วงนี้ยาวมากขณะนั้นดูสถานที่เดินทางไปยังมีร่องรอยของสงครามอินโดจีนคือมีสนามเพราะลวดหนามอยู่เรียงราย ตกเย็นประมาณ18บนาิกาก็ถึงหมู่บ้านขุดพลอยแต่ไม่ใช่บ่อไยลินอยู่ในเขตอำเภอไยลินเป็นเวลาค่ำแล้วก็แวะเข้าพักในวัดทุกๆวัดเป็นวัดแบบพมา่าแต่พวกนี้กุหลาหรือไทยใหญ่อยู่เมื่อสงครามอินโดจีนพวกกุหลาพวกนี้อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีเป็นส่วนมาก ข้าพเจ้าผู้เขียนได้เคยจัดอาหารหรือวัตถุต่างๆไปช่วยเป็นจำนวนมากจนรู้จักกับพวกกุหลาเหล่านี้เป็นอย่างดีแต่ที่นี่มีหมู่บ้านเล็กน้อยตามวัดต่างๆนั้นเวลานี้ไม่มีพระสักองค์เดียวร้างหมดตามวัดถูกตัดต้นมะพร้าวเอามาทำลุมเพลาะเพื่อสงครามตามวัดต่างๆก็เป็นที่พักของพวกทหารฝรั่งเศสแต่ขณะนี้ไม่มีเสลว เพราะฝรั่งเศสแพ้สงครามไปท่านอาจารย์กงมาจึงพาข้าพเจ้าพักอยู่ที่นี่หนึ่งคืนภายในวัดและบนกุฏิเข้าของเสียหายมากเหลือแต่ความอ้างว้างเพราะพวกขังข่าวมาอยู่จับกันเต็มไปหมดมีแต่ขี้ขังขาวพวกเราต้องเข้าปัดกวาดกันหลายชั่วโมงจึงจะเข้าพักได้ พวกชาวบ้านพอทราบว่าพวกเรามาก็ดีใจเพราะไม่มีพระธรรมบุญมานานแล้วพระของเขาได้หนีกลับไปประเทศพมา่าหมดตอนเช้าท่านอาจารย์โกงมาก็พาข้าพเจ้าไปบินธบาร ท, ทุกคนออกมาใส่บาตรกันอย่างอุ่นหาฟ้าข้างเขาเรียกพระว่าเจ้าบุญเรียกสัมมาเนว่าเจ้าสร้างพระเรียกโยมผู้ชายว่าตะ ก, กา ส่วนโยมผู้หญิงตะก้ามาเทศเขาว่าฮอติยาวันนี้พวกเขาพากันดีใจมากที่ได้พบพระมาบินทบาทในตอนกลางวันเขาพากันมาทำความสะอาดลานวัดจนเป็นที่น่าดูแต่ท่านอาจารย์ก็อยู่ให้เขาเพียงสองวันเท่านั้นแล้วก็เดินทางไปบ่อไยลินใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงขณะญาติโยมชาวกุลาก็ขอให้พักอยู่อีก ท่านอาจารย์ก็ไม่ขัดข้องแต่ก็เหมือนเดิมวัดใหญ่ๆไม่มีพระสักองค์เดียวท่านอาจารย์ก็พาข้าพเจ้าพักอยู่นี้อีกโดยพวกกุลาทั้งหลายได้พากันมาทำความสะอาดคนขี้ขังขาวกันเป็นเวลาตั้งหลายชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พักในวัดนี้ท่านอาจารย์โกงมาพักข้าพเจ้าพักอยู่ที่นี่เป็นเวลาสิบวันตามคาเรียกร้องของชาวกุลาในขณะที่พวกเราอยู่นี้ ท่านอาจารย์ได้ถามประวัติว่าแต่ครั้งแรกๆที่จะมาอยู่ที่นี่นั้นอยู่ที่ไหนมาก่อนพวกชาวกุลาจึงได้เล่าประวัติของชาวกุลาที่มาอยู่อำเภอบอ่อไผลินให้พวกเราฟังข้าพเจ้าผู้เขียนซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยประวัติบอ่อไผลินไผลินเป็นชื่อพลอย เป็นพลอยที่มีค่ามากเทียบเท่ามรากตมีสีเขียวเขาเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกพวกเขานํเอาผ้ามาขายแต่เดิมเป็นที่อยู่ของชาวเขมรเขาเอาผ้ามาขายเป็นเวลาหลายปีมีหลายพวกด้วยกันจนเป็นที่ชินหูว่ากุลาขายผ้าเหมือนแขกขายผ้าบ้านเราในวันหนึ่งมีคณะกุลาขายผ้านาเอาผ้าไปขาย แล้วก็ขอพักอยู่กับในบ้านกับชาวเขมรชาวเขมรได้เอาหมาพลูบุรีมาเลี้ยงเป็นการต้อนรับขณะนั้นชาวกุลาได้เหลือไปเห็นหินเป็นก้อนก้อนสีเขียววางอยู่ในเช่นหมากจึงหยิบมาดูก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นพลอยที่มีค่ามากจึงพูดกับชาวเขมรว่าอันหินอย่างเนี้ยมีที่ไหนบ้างชาวเขมรบอกว่ามีทมไปกุลาจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้น ก็ขอให้หามาให้ทีเราจะให้ผ้าทั้งหมดที่เอามาขเมรดีใจใหญ่ไปขนพลอยไพลินมาแลกกับผ้าจนกุลามีเงินเท่าไรก็รางวันให้ขเมรหมดได้พลอยไพลินจำนวนมากกลับบ้านแล้วขายพลอยเหล่านั้นหมดจนได้เป็นเศรษฐีอยู่ที่มะละแมงจนปัจจุบันนี้ร้นชาวกุลารู้เหตุเช่นนี้ก็มากันเป็นการใหญ่มาขุดพลอยจนร่ำรวยหมู่แล้วหมู่เล่า แล้วก็กลับไปละหมู่ใหม่ก็มาจนถึงปัจจุบันจึงพากันมาตั้งโรครากอยู่กันอย่างหนาแน่นนี้เป็นประวัติของหมู่บ้านนี้ข้าพเจ้าได้สังเกตดูชาวบ้านกุลาเป็นคนที่มีฐานะดีทั้งนั้นชาวขเขมรฐานะต่ำต้อยมากทั้งนี้เนื่องจากอะไรไม่ทราบเมื่อเขาเล่าประวัติจบตอนค่าท่านอาจารย์โกงมาได้พูดกับข้าพเจ้าว่าดูเอาเถอะ คนฉลาดและคนไม่ฉลาดต่างกันอย่างนี้แม้แต่ผู้ที่จะปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันชาวบ้านกุลาเนี่ยเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเปรียบเหมือนความดีของพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ในตัวของเราทุกคนแต่ไม่รู้จักหาวิธีทำให้มีประโยชน์เกิดขึ้นโดยขาดปัญญาเช่นเดียวกับพวกขเขมรที่เอาพลอยอย่างดีแรกแต่เสื้อผ้าเท่านั้นเอง คนมีปัญญาก็สามารถปฏิบัติตัวของเราให้เห็นอัตธรรมได้ตัวเธอจงเข้าใจเถอะถ้าทำตัวงโง่ก็มีของดีเสียเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่งเฝ้านอนเฝ้าศาสนาแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรส่วนผู้มีปัญญาย่อมหาประโยชน์จากตัวของเราได้เหมือนเรื่องของประวัติบ่อไยลินชาวขเขมรกับชาวกุหลานั่นเองวิริยังเธอจงเปรียบเทียบเอาเองเถอะ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในข้อเปรียบเทียบนี้มากการเดินทุดงทธุระ ก, กันดานไกลเป็นพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตของพระอาจารย์กงมาจุราปุญโยกับข้าพเจ้าซึ่งได้ทั้งความวิเวกได้ทั้งทัศนศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งได้ความอดทนพิเศษขณะที่พวกเราทุดงรรอนแรมมาจากจังหวัดจันทบุรี จนถึงบ่อไพลินอันเป็นที่อยู่ของชาวกุลาหรือไทยใหญ่ก็ทำให้อ่อนเพลียนเห น, นื่อยพอสมควรท่านอาจารย์จึงพาข้าพเจ้าพักอยู่หลายวันประกอบกับชาวกุลากำลังว้าเวเพราะไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยแม้แต่วัดเดียวเป็นวัดร้างไปหมดเมื่อท่านอาจารย์พักอยู่เขาก็มาทำบุญกันมากไปบิณฑบาตเขามาใส่บาตรเมื่อใส่บาตรแล้วจะไม่ให้เหลือ คดข้าวมาเท่าไรต้องใส่ให้หมดข้าพเจ้าบาตรเต็มแล้วปิดฝาบาตรเขาไม่ยอมเพราะเขาถือว่าถ้าเหลือกลับจะรับประทานไม่ได้เป็นเปรตบาปจึงเป็นธรรมเนียมที่น่าสนใจเวลานั้นวัดที่อยู่โรคกรุงรังพวกเขาได้มาทำความสะอาดทั้งภายในและลานวัดข้าพเจ้าดูแล้วรู้สึกว่าเขาศรัทธากันจริง และชาวกุลาก็ขอนิมนต์ให้ท่านอาจารย์และข้าพเจ้าอยู่เป็นประจำต่อไปโดยให้หัวหน้าชาวบ้านมาอ้อนวอนอยู่ทุกๆวันค่ำวันหนึ่งข้าพเจ้าได้เข้าไปถวายการนวดแด่ท่านอาจารย์ซึ่งข้าพเจ้าต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรในค่ำวันนี้ท่านเดบาราบกับข้าพเจ้าอย่างน่าฟังและน่าสลดใจว่าวิริยังเอ้ย เราพยายามหนีความขัดข้องจากวัดทรายงามจังหวัดจันทบุรีมาแล้วเราจะมาหาห่วงที่นี่อีกหรือมันเป็นการไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งอันการเป็นสมภาร น, นั้นคือการหนัก อ, อกทุกประการทวงความเจริญในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ยิ่งอย่าเลยเรามาพากันออกจากที่นี่วันพรุ่งนี้เถอะข้าพเจ้าได้ทัดฐานทันไว้ว่าท่านอาจารย์ครับผมเห็นข้อศรัทธาดีจริงๆ อ่อนน้อมไรต่อการปฏิบัติท่านอาจารย์แนะเขาอย่างไรเขาก็ไม่คัดข้องเลยอยู่โปรดเข้าไปอีกสักภากหนึ่งเถอะท่านขู่ข้าพเจ้าว่าวิริย์งังตัวเธอเนี่ยังอ่อนต่อความเป็นสงนักเห็นความดีของเขาเพียงเท่านี้ก็หลงนี่คือเหยื่อล่อให้พวกเราติดกลับละ่ะอย่าอยู่เลยพรุ่งนี้เราไปเถอะข้าพเจ้าจึงขอพูดทัดทานท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่า กระผมเห็นว่าควรอยู่ต่อพอปลูกศรัทธาให้เขารู้ทางการบำเพ็ญสมาธิพอสมควรในไหนท่านอาจารย์ก็ได้ผ่านมาทางนี้แล้วกระผมคิดว่าในอนาคตคงจะมิได้มาตลอดชีวิตก็ได้ตกลงท่านก็เชื่อข้าพเจ้าอยู่ฝึกฝนสมาธิให้พวกกุลาทั้งหญิงและชายแต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าพวกกุลาเหล่านี้ทำจิตได้ง่ายมากอยู่เพียงสองอาทิตย์เท่านั้น จิตรวมกันได้ทุกคนเมื่อพวกเราต้องอำลาเข้าไปก็เกิดความเสียใจมากถึงกับร้องห่มร้องไห้เป็นบรรยากาศที่ตรึงตราตรึงใจถึงหยดน้ำตาอันบริสุทธิ์ของพวกชาวพุทธผู้เลื่อมใสข้าพเจ้ายัางจำภาพนั้นแม้มันจะล่วงเลยมาหลายสิบปีก็ไม่มีเลือนลางเลย การเดินทางได้เดินต่อมาจนถึงชาญเมืองพระตะบองเป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรคราวนี้ถึงเมืองขเมียนจริงๆและพูดไทยไม่รู้เรื่องเลยท่านอาจารย์พาข้าพเจ้าไปพักที่วัดแห่งหนึ่งเข้าไปหาสมพานในวัดนั้นเมื่อไปกราบท่านต่างก็มองตากันไปมาเพราะพูดไม่รู้เรื่องกันท่านอาจารย์บอกว่าขอพักสักสองสามคืนเถอะเขาพยักหน้า เอาน้ำชามาเลี้ยงแล้วก็นั่งต่อไปแม้ท่านอาจารย์จะพูดว่าขอพักที่นี่ตั้งสองครั้งสามครั้งเขาก็ยิ่งเอาน้ำชามาเลี้ยงเป็นการใหญ่นี่หละเป็นการอึดอัดเรื่องภาษาเป็นครั้งแรกเขาก็อึดเราก็อัดนั่งจนขัดแข้งขาเหน็ดเหนื่อยอ่อนใจข้าพเจ้ารู้สึกเกรงใจสมภารเข้ามากทีเดียวตั้งแต่เช้าถึงบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น พูดไม่รู้เรื่องกันก็พอดีครูโรงเรียนของวัดไปจากประเทศไทยสอนหนังสือไทยพอดีเลิกเขารู้ว่าพระมาจากประเทศไทยเขาก็รีบมาหาพูดให้ครูนั้นรู้เรื่องว่าจะพักอยู่นี่สักสองถึงสามวันเพียงห้านาทีเท่านั้นเองต๋มพานก็ให้คนจัดห้องรับรองให้เป็นอย่างดีข้าพเจ้านึกในใจว่าภาษานี่สคัญแท้ มันเป็นความจาเป็นเลอกเกินที่เราต้องรู้ภาษาลหลายๆภาษาท่านอาจารย์พระข้าพเจ้าพักอยู่ในวัดดีแล้วตอนเช้าออกบิณฑบาตชาวขเขมรมาใส่บาตรเขาไม่เคยเห็นบาตรใหญ่และสวยอย่างนี้มาก่อนต่างก็มาดูบาตรและจับดูกันเป็นการใหญ่และพูดว่าละอ้อละอ้อแล้วว่าสวยจริง เราได้คุ้นเคยกับพระเนรเขมรในวัดนั้นยังเป็นกันเองแม้จะไม่รู้จักภาษาซึ่งกันและกันแต่ใจก็เป็นพระภิกษุสามเณรอย่างเดียวกันทำให้เกิดวิสาสะได้อย่างน่าประหลาดใจทีเดียวอยู่ด้วยสองวันสามวันก็เข้าไปในเมืองพระตะบองพักอยู่วัดธรรมยุทธ์ตอนเข้าไปในวัดนั้นพวกเราขึ้นรถสามล้อเข้าไป พระในวัตมองตาแข็งเพราะพระธรรมยุทธ์ที่เมืองเขมรเขาไม่ขึ้นสามล้อเขาไม่ต้อนรับเราอาจารย์บอกเขาว่าเป็นพระธรรมยุทธ์เขาไม่เชื่อเพราะพวกเราขึ้นรถสามล้อเข้าไปพักอยู่ที่ศาลาเขาให้โยมเอาเงินมาถวายเพื่อลองเชิงดูท่านอาจารย์ก็ไม่รับเขาก็ชักสงสัยใหญ่ต่อมาอยู่อีกหลายวันจนเป็นที่เข้าใจกันแล้ว สมพานเป็นอมภาดใส่รถมาสนทนาด้วยก็พอดีมีคนไทยที่เป็นพ่อค้าและเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่รู้จักกับท่านอาจารย์ที่ประเทศไทยมาหาและอุปการะด้วยอาหารเพราะไปอยู่ที่นั่นเขาไม่ดูแลเลยฉันข้าวเปล่าๆมาหลายวันจากพระตะบองก็เดินทางมุ่งจะออกจากขเขมรเข้าไปทางอรัญญประเทศ แต่ต้องผ่านมงคลบุรีและสีโสพลเป็นลำดับแล้วก็พักอยู่ที่จังหวัดสีโสพลที่นั่นได้คณะตำรวจที่ไปจากประเทศไทยและชาวขเขมรอุปถัมภ์ทำให้อยู่สบายอันการเข้าไปประเทศขเขมรครั้งนี้เป็นการเข้าไปชมประเทศมากกว่าไม่ได้ถือเป็นการเดินทุดงเท่าไรนักและเป็นขณะที่ประเทศไทย ได้สีจังหวัดในเขมรมาครอบครองอันเป็นผลมาจากสงครามอินโดจีนเป็นการชั่วคราวตอนออกจากแดนเขมรเมื่อออกจากแดนเขมรก็เข้าสู่เขตอรัญญาประเทศเริ่มการเดินธุ ด, ดงสแสวงหาที่สงบ จากบำเพ็ญกรรมฐานกันต่อไปเดินไปได้ไปพบสลาร้างมีอยู่สองถึงสามหลังข้างๆป่าท่านอาจารย์ก็ตกลงใจยึดเอาที่นี้เป็นที่พักพอเข้าไปถึงก็ได้กลิ่นไม่สู้ดีท่านก็พาเข้าไปจนขึ้นข้างบนจึงเห็นอุจจาระญี่ปุ่นเพราะเป็นข้าญี่ปุ่นเพิ่งจะออกจากไปพวกเราต้องช่วยกันล้างอุจจาระเหล่านั้นหมดก็พักภาวนาอยู่ที่นี่ ถือเอาว่าเป็นศูนย์ยาคาร์ค่าคืนวันนี้ข้าพเจ้าก็ถวายการนวดแบบพระอาจารย์ของข้าพเจ้าตามปกติข้าพเจ้าใกรขอกล่าวเตือนบรรดาศิษย์ทั้งหลายของพระอาจารย์ทั้งหลายว่าการปฏิบัติอาจารย์โดยการนวดแฟนนี้เราควรจะทําเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเราไม่กลัวอาจารย์จนเกินไปแล้วเราจะได้ถามอัธปัญหาและได้รับการแนะนําเป็นพิเศษ แม้ในวันนี้อีกเช่นเดียวกันข้าพเจ้าก็ได้รับความรู้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าของศกปรกอย่าดูถูกของดีย่อมมาจากของศกปรกพระอริยะเจ้าถ้าไม่ได้รับรสของศกปรกแล้วท่านจะเป็นพระอริยะเจ้าไปไม่ได้เลยท่านอาจารย์กลงมาท่านได้เสริมขึ้นอีกว่าเรานอนบนกองอุจจาระเวลานี้ยังไม่เท่าอยู่ในท้องเรา แล้วเราก็ต้องน้อมเข้ามาเป็นธรรมะส่วนตัวของเราว่าอย่าหลงสวยหลงงามเพราะเขาทั้งหลายโง่เอาน้ำอบมาประอุจจระกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่หรือวิริยังถ้าตัวเขาหอมแล้วจะเอาน้ำอบมาประตัวเขาทำไมวิริยังเอ้ยเนี่ยแหละคนเราถึงว่าเป็นโมหะจงรู้ให้ดีทําเอาข้าพเจ้ามีจิตลึกซึ้งดื่มดา หอมชื่นในรสพระธรรมของอาจารย์ขึ้นมาแทนอุจจาระที่ส่งกลิ่นตึกๆขึ้นมาทันทีเชียวท่านเอย๋ยในเมื่ออรัญญาประเทศนอนอยู่กับกลิ่นอุจจาระของญี่ปุ่นแต่กลับได้รับรสพระธรรมจากอาจารย์ของข้าพเจ้าก็เป็นอันเรียบร้อยเป็นหนึ่งคืนรุ่งเช้าบินทบาทในตลาดได้ข้าวกับขนมถ้วยสองสาอันฉันกันพอประทังชีวิตแล้วก็เดินทุดงกันต่อไป ใช้เวลาสามชั่วโมงเศษก็ถึงบ้านหนองแวงได้พบวัดร้างอยู่วัดหนึ่งท่านอาจารย์เห็นสงบดีก็พาผู้เขียนพักอยู่ที่วัดนี้และพักกันหลายวันญาติโยมทั้งหลายก็พากันมาส่งอาหารในละแวกนี้ก็ได้น้ำพริกเป็นพื้นแต่ก็สบายใจดีเราอยู่กันสามวันท่านอาจารย์ก็พาข้าพเจ้าเดินทุดงต่อตอนนี้มีความประสงค์ ที่จะเดินตัดตรงขึ้นจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ถือเป็นที่เดินทางระยะยาวมากถึง48กิโลเมตรใช้เวลาเดินสิบชั่วโมงซึ่งเป็นทางธุรกันดาลมากระหว่างทางหาน้ำฉันไม่มีเลยแต่อาจารย์บอกว่าถ้าจะให้เดินทนอย่าฉันน้ำข้าพเจ้าก็เชื่อแต่มันกระหายมากคอแห้งผากเนื่องจากระยะทางเดินนั้นไม่ใกล้จะมีต้นไม้ใหญ่ และเป็นทางหินกรวดตลอดข้าพเจ้าต้องฉันน้ำในกระติกที่สะพายไปในระยะไม่ถึงครึ่งวันความจริงได้ปรากฏขึ้นแก่ข้าพเจ้าแล้วปรากฏว่าเท้าหนักไปหมดเดินอืดลงแต่ก่อนทุกครั้งข้าพเจ้าเดินสบายมากอาจารย์ได้หันมามองข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าคิดอุทานอยู่ในใจว่าไม่อยากจะเดินต่อไป อาจารย์จึงพาแวะพักที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วท่านก็ถามว่าน้ำอยู่ไหนกระผมฉันหมดแล้วข้าพเจ้าตอบนั่นน่ะสิเห็นหน้าตาบอกว่าล้าเพราะนางกระติกนี่เองท่านอาจารย์พูดแล้วเราเวลานี้กำลังหิวจะทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงรีบออกไปเดินหาน้ำตามบริเวณนั้นโดยทั่วๆก็ได้พบหนองน้าเล็กๆแห่งหนึ่ง เป็นปลักควายอุจจระควายเต็มทั้งหนองแต่มันนอนก้นหมดน้ำข้างบนใสดีรีบกลับมาบอกอาจารย์ว่าน้ำมีแต่เป็นปลักควายมีอุจจระเต็มไปหมดท่านบอกว่าไม่เป็นไรเอามาเถอะข้าพระเจ้าคิดในใจว่าอย่างไรเสียท่านอาจารย์คงหิวเอามากๆทีเดียวนึกติตัวเองว่าดื่มน้ำในกระติกคนเดียวหมดไม่น่าเลย แล้วทำให้ล้าด้วยแล้วข้าพเจ้าก็นำเอาธรรมกะรกคือกระบอกกรองน้ำของพระไปกรองน้ำเอาที่หนองปลักควายนั้นด้วยความบรรจงกรองกลัวอุจจาระควายที่เป็นตะกรนจะฟุ้งขึ้นได้น้ำแล้วรีบนำมาถวายรู้สึกกลิ่นตื่อท่านอาจารย์ก็ฉันอย่างสบายข้าพเจ้าถามท่านว่าเป็นอย่างไรบ้างครับหอมดีวิริยังท่านตอบรู้ไม่ว่า ขี้ควายมันเป็นยาเย็นท่านพูดเสริมขึ้นอีกทำเอาข้าพเจ้าอยากจะดื่มปลักควายอีกแล้วข้าพเจ้าจึงกลับไปที่ปลักควายแล้วกรองน้ำขี้ควายนั้นดื่มเป็นหนึ่งแก้วแต่ก็พยายามนึกถึงคําอาจารย์ว่าหอมก็ทําให้หายอุปาทานไปมากแล้วก็รู้สึกจริงๆว่าหายหิวน้ำข้าพเจ้าเดินกลับมาหลังจากดื่มน้าขี้ควายแล้วอาจารย์มองข้าพเจ้าและหัวเราะ ท่านก็ได้พาข้าพเจ้าเดินต่อไปเพราะวันนี้ต้องเดิน48กิโลเมตรได้ถึงบ้านตาตนบ้านนี้เป็นชาวขเขมรต่ำถึงนั่นประมาณสองทุ่มรู้สึกว่าท่านอาจารย์เหน็ดเหนื่อยมากข้าพเจ้ารีบจัดที่กลางโกรดถวายท่านในรุกขมูลใต้โคนต้นไม้อันเป็นป่าปโพรงใช้ผ้าอาบน้ำปู ก, กับพื้นดินตีนบาดเป็นหมอนเรียบร้อยภายในสิบนาที ในที่ใกล้มีน้ําที่เขาขุดเป็นบ่อข้าพเจ้ารีบไปตักน้ําเพื่อถวายท่านสงแต่ไม่มีภาชนะจะนํามาจึงต้องอาราธนาท่านไปข้างบ่อน้ําและข้าพเจ้าก็ตักถวายท่านสงเสร็จแล้วแทนที่ท่านจะพักหลับพาข้าพเจ้านั่งสมาธิต่อไปท่านบอกว่าเหนื่อยนั่งสมาธิดีก็จริงอย่างท่านว่าพอนั่งก็รวมเลยเพราะเหนื่อยมาก ถ้าจิตไม่รวมคงจะแย่หน่อยทีเดียวหลังจากนั่งสมาธิแล้วแทนที่จะหลับนอนกันท่านกลับแสดงธรรมะอบรมข้าพเจ้าต่อไปอีกว่าวิริยังการที่เราต้องการอยากจะพ้นทุกเราต้องเข้าหาทุก์ถ้าเรากลัวทุกเราก็พ้นทุก์ไม่ได้การที่เราจะเข้าหาทุกอย่างขณะนี้แหละนอนดินเดินไกล เราก็จะพอมองเห็นและสมาธิแล้วก็พิจารณากายเพราะกายคือตัวทุกข์เพราะคนเราจะหลงก็เพราะมีกายหลงกายซึ่งกันและการนี่เองกายคนเราถลอกหนังออกซิแล้วใครเล่าจะหลงกันก็เกลียดเท่านั้นเองเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาอย่างนี้จะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นสัจธรรมได้ วันนั้นรู้สึกว่าถูกทรมานเป็นพิเศษหลังจากจำว่าตื่นขึ้นมาเชาบ้านจึงพากันมาเห็นต่างก็ส่งเสียงกันระเบงเซงแซ่ได้เวลาท่านอาจารย์ก็พาข้าพเจ้าออกบินทบาตเชาบ้านก็ใส่บาตรให้แต่ข้าวเปล่าๆและมีน้ำอ้อยงบสี่ห้าอันเข้าใจว่าเขาคงเข้าใจว่าพระธุดงค์ไม่ัของขาวมีนสัตว์เป็นต้นกลับจากบินทบาด นั่งฉันกันใต้โคนต้นไม้ไม่มีใครมาดูแลหรือส่งอาหารเพิ่มเติมเลยก็ได้ฉันข้าวกับน้ำอ้อยดูอ๋อเถอะเดินมาเหนื่อยแทบแย่เช้ายังได้ฉันข้าวเปล่าๆข้าพเจ้าต้องเอาน้ำฉันเพื่อกันฝืดคอเวลากลืนคำข้าวแต่ก็เป็นสุขใจดี ตอนเดินทางข้ามภูเขาใหญ่เราพักกันเพียงคืนนั้นพอฉันเสร็จก็เดินต่อไปพอไปถึงด่านตรวจโคกระบือเจ้าหน้าที่อยู่นั่นเข้ามาถามพวกเราว่าจะไปไหนท่านอาจารย์บอกว่าจะไปนครราชสีมาก็าบอกว่าวันนี้ข้าไม่ไหวหรอกครับขึ้นภูเขานี้หนทางตั้ง9 0้าร้อยเส้นคือประมาณ35กิโลเมตรและขึ้นสูงด้วย ขอ n ิมนต์พักอยู่ที่นี่ก่อนเถอะครับท่านอาจารย์ก็รู้สึกเหนื่อยอยู่แล้วก็รับอาราธนาเขาจัดบ้านว่างเปล่าให้ห้องหนึ่งเป็นกระท่อมมุงย่าคาฝาไม้ไผ่พวกเราพักกันตามสบายท่านอาจารย์ก็เลยพาข้าพเจ้าพักสักสองวันเพื่อเอากําลังแล้วก็ได้พาพวกในด่านนั่งสมาธิเป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งด้วยเมื่อหลังจากพักเอาแรงสองวันท่านก็ได้พาข้าพเจ้าเดินต่อไป คราวนี้ขึ้นเขาอันเป็นเทือกเขาดงพญาเย็นสูงชันใช้เวลาเริ่มแปดนาฬกาเช้าออกเดินทางข้ามภูเขาสำเร็จหนึ่งทุ่มเศษพอตะวันตกดินก็ข้ามเขาพ้นพอดีคราวนี้เหนื่อยจริงๆและข้าพเจ้าเองล้าเอาทีเดียวเพราะการขึ้นเขาไม่ใช่เล่นใครยังไม่เคยลองขึ้นภูเขาก็ขอให้ลองกันบ้างเถอะจะได้เห็นรสชาติของมันว่าเหนื่อยขนาดไหน หายใจแทบไม่ออกละคราวนี้ไม่ใช่เล่นทั้งสูงทั้งชันทั้งถูกบังคับว่าจะต้องเดินข้ามในวันเดียวเสียด้วยแต่ขณะที่ขึ้นภูเขาท่านอาจารย์ก็แนะนำให้กำหนดจิตอย่าปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเป็นอันขาดข้าพเจ้าทำตามท่านก็พอประทังความเหนื่อยลงได้บ้างนับเป็นครั้งสำคัญในชีวิตของข้าพเจ้าในการเดินทางขึ้นเขาคราวนี้ ได้รับความรู้และความจริงอะไรหลายประการแทบจะขาดใจในบางครั้งแต่ว่าพอพ้นจากอุกเขาผ่านไปได้แล้วมันช่างหายเหนื่อยมันปลิดทิ้งแต่ว่าท่านอาจารย์ได้จับไข้เสียแล้วในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าต้องพยาบาลท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่จะหาสถานที่กำบังได้ตรงนี้มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่แห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าก็รีบไปเที่ยวหาฟางมาซึ่งมีอยู่ข้างบ้านขอญาตโยมเขานำมาปูลาดลงและเอาผ้าอาบน้ำปูเพื่อไม่ให้ถูกดินแข็งการกรดถวายท่านแล้วข้าพเจ้าก็นั่งเฝ้าดูท่านกำลังจับไข้สันไปหมดข้าพเจ้าหมดหนทางไม่ทราบจะทำอย่างไรอยู่ยาก็ไม่ได้เตรียมกันมาเลยก็ได้แต่นั่งดูท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าจับสันอย่างรันทดใจ บางครั้งข้าพเจ้าก็ต้องกดร่างกายของท่านไว้เพราะการจับไข่ครั้งนี้เป็นเอามากแต่ท่านก็บอกข้าพเจ้าว่าไม่เป็นไรหรอกวิริยังเราก็ใช้การพิจารณาภายในด้วยตัวเองเพียงพักเดียวเท่านั้นท่านก็เหงื่อไหลออกมาโสมกายหายจากการจับสันทำให้ข้าพเจ้าหายใจโล่งออกมาด้วยความสบายใจ รุ่งขึ้นก็ได้เดินกันต่อไปทั้งๆ ท, ที่ท่านก็ยังงงๆอยู่แต่ก็อาศัยกำลังใจของท่านสูงทำเหมือนกับว่าไม่เป็นอะไรอย่างนั้นเองตอนนี้ถึงที่ราบสูงแล้วพวกเราเดินทุดงกันไปตามทุ่งบ้างป่าบ้างก็ไม่เป็นป่าไม้ใหญ่อะไรนะักเป็นทุ่งก็ไม่กว้างเท่าไหร่พวกเราเดินวันนี้ใช้เวลาแปดชั่วโมงก็ถึงบ้านกุดโบส ในบริเวณนี้มีแต่ทุ่งนาทั้งนั้นมีวัดอยู่วัดหนึ่งกลางทุ่งนาเมื่อไม่เห็นต้นไม้ที่จะรุกขมูลกันท่านอาจารย์ก็พาเข้าวัดเห็นมีพระอยู่สององค์สงบดีก็เลยพักอยู่ที่นี่หนึ่งคืนท่านอาจารย์ยังหายไข้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็พอค้อยอย่างชั่วทางๆ ท, ที่เดินตากแดดมาตั้งแชั่วโมงข้าพเจ้ารู้สึกสงสารท่านอาจารย์มาก แต่ดูถึงหน้าตาของท่านบอกว่าไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นอย่างปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในค่าคืนวันนี้ข้าพเจ้าจัดการกลางกรดปูที่นอนตามมีตามได้แล้วก็ถวายการนวดให้ท่านตามปกติการนวดวันนี้ข้าพเจ้าต้องนวดนานเป็นพิเศษแม้ว่าข้าพเจ้าเองก็จะต้องเหนื่อยมากเหมือนกันในการเดินทางหามรุ่งหามค่า แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะยังหนุ่มแน่นหยุดสักพักก็หายเหนื่อยท่านปราบกับข้าพเจ้าวันนี้ว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมันทำจิตของคนให้หดหูย่อท้อตอกิจการของตนที่กำลังเร่งทมอันเราก็เช่นเดียวกันเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นครั้งนี้ก็เป็นการลองดีกับผู้ได้บำเพ็ญความเพียรมาแล้วในอดีตอย่างเข้มแข็ง การต่อสู้ทุกเขเวทนาครั้งนี้เราจึงได้เห็นคุณค่าของการบำเพ็ญความเพียรมาแล้วในอดีตว่าได้เป็นเครื่องหนุนกำลังอย่างดีเยี่ยมอย่างไรก็ตามถึงจะมีกำลังความเพียรมามากแต่ก็ไม่ววยที่จะมีบางขณะของจิตที่ทําให้เกิดท้อท้อขึ้นมาแต่นั่นมันเป็นเพียงขณะจิตหรือเรียกจิตตุบาจึงไม่มีความสาคัญแก่เราเลย ข้าพเจ้าฟังแล้วก็สบายใจเพราะอาจารย์ของข้าพเจ้ามิได้มีความทุกข์ใจเลยแม้จะมีโรคภัยเบียดเบียนะจนภัยในถ้ำวัวแดงข้าพเจ้าเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่โบราณเล่ามาว่า ถ้ำวัวแดงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากและมีลายแทงที่นี่ด้วยคนเดินทางผ่านโดยยานพาหนะใดๆถ้าไม่ทำความเคารพแล้วก็จะมีอันเป็นไปทุกรายอันหนึ่งผู้จะเรียนวิชาอาคมทางศยศาสตร์ทุกคนถ้าจะให้เก่งจริงต้องมาผจญกับความศักดิ์สิทธิ์ของถ้าวัวแดงเสียก่อนแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็พากันเกรงขามถ้านี้กันนัก ไม่ค่อยจะมีใครมากล้ามกลายกันทีเดียวรุ่งขึ้นหลังจากที่พักอยู่ที่วัดกุดโบสถ์ในตอนเช้านั้นท่านอาจารย์ก็ได้บอกข้าพเจ้าว่าวันนี้เราจะต้องเดินทางไปถ้ำวัวแดงถ้ำวัวแดงข้าพเจ้าทวนคาอย่างงุนงงเออก็ถ้ำวัวแดงนีดน่ากลัวนักหรือวิริยังท่านอาจารย์ตอบ มันเป็นเรื่องนิยายรืยเรื่องจริงไม่ทราบครับเพราะผมได้ยินมาว่ามันศักดิ์สิทธิ์เลือเกินแต่ผมไม่กลัวหรอกครับเพราะมีอาจารย์ไปด้วยข้าพเจ้าตอบเราต้องเดินให้ถึงในวันเดียวท่านอาจารย์พูดแล้วพวกเราก็เดินทุ ด, ดงต่อไปค่อยๆลึกเข้าไปก็เป็นดงหนาเข้าไปทุกทีทุกทีเริ่มทำให้ข้าพเจ้าเกิดสามัญสานึกว่าใกล้แล้วแต่ที่ไหนได้ ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงเป็นป่าเป็นภูเขาเริ่มขึ้นแล้วมันคือทินเสือข้าพเจ้าเห็นรอยของเสือควักคว่ไปหมดจึงมาคิดว่าเราจะได้ผจญอะไรอะไ ร, ะไรสักอย่างเป็นแน่แต่ก็จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้เจอตัวเจอแต่รอยเดินขึ้นเรื่อยๆไปคือขึ้นภูเขาบัดนี้เป็นเวลาบ่ายห้าโมงเย็นแล้ว พวกเรายัางเดือนย่ำตอกกันอยู่ระหว่างเขาลูกหนึ่งไปอย่างอีกลูกหนึ่งเรื่อยไปตะวันจวนจะลับปลายไม้แล้วทำไมยังไม่ถึงอีกข้าพเจ้าต้องรำพึงรำพันอยู่ในใจจะข้ามเส้กลางป่าเขานี่เสียหรื อ, อยังไงเอาเป็นอะไรก็เป็นกันอาจารย์เราอยู่ข้างหน้าไม่เห็นต้องกังวลอะไรเลยนี่นาอาจารย์หันหน้ามามองข้าพเจ้าแล้วบอกว่าน่ น, อนอยังไงวิริยัง มองเห็นถ้ำวัวแดงแล้วช่างชื่นใจอะไรเช่นนั้นข้าพเจ้าคิดละเหมือนกับความเหนื่อยที่กร้ามเกร่งมาหายหมดเป็นเวลาพลบค่ำพอดีถึงถ้ำวัวแดงท่านอาจารย์ก็ขึ้นบนศาลาเอ๊ะถ้ำทำไมจึงมีสิ่งก่อสร้างไว้หลายอย่างมีทั้งศาลากุฏิที่พักแต่ไม่มีพระภิกษุสามเณรไม่มีใครเลยข้าพเจ้ากับอาจารย์ขึ้นบนศาลาเป็นอันดับแรก เพราะเหนื่อยมาหลายเพลาแล้วอันดับแรกข้าพเจ้าวางบริคารทุกอย่างและกลางกรดจัดปูที่นอนถวายท่านอาจารย์จากนั้นก็รีบสแสวงหาแหล่งน้ำก่อนอื่นลงเดินไปคนเดียวโดยดูโดยรอบก็ไม่เห็นมีวิแววว่าจะมีแหล่งน้ำเวลาก็ชักจะดึกเข้าทุกทีทุกทีจนต้องเดินไปอีกมุมหนึ่งของบริเวณมองเห็นแต่ตุ่มน้าตั้งอยู่สถึงห้าใบ เข้าไปเปิดดูข้าพเจ้าต้องเอะใจขึ้นมาว่าทำไมน้ำจึงเต็มโอง่งหมดทุกใบทั้งดีใจทั้งสงสัยว่าใครนกตักน้ำมาไว้ที่นี่อย่างกลับจะรู้ว่าเรามาวันนี้ทำให้มืนงงไปหมดข้าพเจ้ารีบกลับไปที่ศาลานิมนต์ท่านอาจารย์มาที่ตุ่มน้ำเพื่อส่งน้ำหลังจากนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ส่งน้ำเป็นที่เรียบร้อย ท่านอาจารย์บอกกับข้าพเจ้าว่าคุณไม่ต้องห่วงเราหรอกจงไปหาที่วิเวกให้เหมาะสมห่างจากเราก็เป็นอันว่าข้าพเจ้าได้แบกหลดออกไปในเวลากลางคืนหาดูที่เหมาะเหมาะมีความรู้สึกว่าเสียวๆบ้างเพราะไม่เคยชินกับสถานที่แต่เห็นกุฏิหลังหนึ่งพอเบาใจจึงแวะขึ้นไปอยู่พักกุฏินั้นเป็นกุฏิกั้นฝาด้วยใบไม้ พื้นฟากเป็นกุฏิเก่าๆอยู่ในสภาพจะพังมิพังแลแต่ก็ยังดีข้าพเจ้าใช้มันเป็นที่พักในเวลาค่ำคืนนี้และนั่งสมาธิรู้สึกว่าดีเป็นพิเศษจะเป็นเพราะความหวาดเสียวหรืออุปาทานเก่าๆก็ไม่ทราบเพราะมาถึงกลางคืนยังไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ก็ได้ผลแก่ตนในคืนนี้คือจิตสงบสบายดี ตอนเช้าข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติอาจารย์อันเป็นกิจวัตรประจำวันคือไปคอยดูว่าท่านจะลุกขึ้นออกจากสมาธิแล้วเมื่อท่านออกแล้วจะต้องเข้าไปถวายน้ำล้างหน้าไม้สีฟันเก็บที่นอนนำบาตรมาเพื่อการบิณฑบาตตอนเช้าข้าพเจ้าก็บำเพ็ญกิจวัตรตามปกติแต่ปรากฏว่าท่านอาจารย์ลุกไม่ขึ้นข้าพเจ้าเข้าไปใกล้แล้วถามว่าท่านอาจารย์เป็นอะไรครับ ท่านตอบว่ายกหมดทั้งตัวเลยหรือยังข้าพเจ้าเตรียมจะนวดถวายท่านท่านบอกว่าไม่ต้องและพอเวลาผ่านไปสักยี่สิบนาทีท่านก็พยายามจะลุกขึ้นจนสามารถพยุงตัวลุกขึ้นมาได้และบอกข้าพเจ้าว่าให้ไปบินธบาตจะไปยังไงไหวครับท่านอาจารย์ข้าพเจ้าพูดขึ้นท่านอาจารย์บอกว่าไปเถอะถ้าเราไม่ไป เธอจะไปคนเดียวได้ยังไงบ้านห่างจากนี้อีกไกลต้องผ่านโดงเดียวเกิดหลงเข้าป่าเข้าโดงไปจะลำบากมันเป็นภาพที่ข้าพเจ้าต้องจดจำไว้ในใจตลอดชีวิตทีเดียวว่าท่านอาจารย์มีความเพียรขันติเป็นยอดท่านได้พาข้าพเจ้าเดินลัดเลาะไปด้วยความสันทัดของท่านที่ทราบถึงภูมิประเทศว่าแห่งใดควรจะมีหมู่บ้านแม้ในขณะนั้น มองดูตามสองข้างทางก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีหมู่บ้านแต่อย่างไรเพราะเป็นป่าดงทึบไปหมดมีรอยสัตว์ป่าต่างๆผ่านทางเดินเป็นระยะแม้ท่านอาจารย์จะยอกแต่ท่านเดินเหมือนกับไม่เป็นอะไรเราได้ผ่านดงไปด้วยความสงบอย่างยิ่งท่านเดินหน้าข้าพเจ้าเดินตามหลังนึกถึงภาพในอดีตหายากแท้ จะมาคิดเป็นจินตนิยายอะไรสักเรื่องก็คงไม่เหมือนเป็นแน่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการเดินไปบินธบาตยังไม่มีจุดหมายนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตในที่สุดท่านอาจารย์ก็ชี้ไปข้างหน้าว่าโน่นยังไงหมู่บ้านมองไปข้างหน้ามีทุ่งนากว้างพอสมควรแล้วถัดไปก็มีหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควร เมื่อเดินข้ามทุ่งนาไปแล้วถึงหมู่บ้านประมาณว่าสักชั่วโมงเศษจากการเดินมาจากถ้ำวัวแดงชาวบ้านพอเห็นพวกเราเข้ามาบินทบาทตอนเช้าเข้าพากันดีอกดีใจกันใหญ่เพราะ น, น, นานๆจะมีพระมาอยู่ที่ถ้ำส่วนที่บ้านก็ไม่มีวัดชาวบ้านพากันเป่าร้องกันสักพักเดียวเท่านั้นก็ถือข้าวมาใส่บาตรกันเต็มไปหมดเขาถามว่าท่านอาจารย์มาแต่เมื่อไหร่ พวกผมไม่ทราบกันเลยมาถึงค่ำวานนี้ท่านอาจารย์ตอบโยมบอกว่าเมื่อวันก่อนก็มีพระมาคณะหนึ่งเพิ่งจะกลับไปข้าพเจ้านึกขึ้นมาได้ในทันทีทันใดนั่นเองว่าอ๋อน้ำเพิ่งได้เต็มองค์ไปหมดนึกว่ามีเทวดามาตักให้เสียแล้วหลังจากรับบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เดินกลับไปที่ถ้า โดยพวกญาติโยมนำอาหารตามไปด้วยประมาณห7ถึงคนมีอาหารตามีตามได้ในระหว่างทางท่านอาจารย์ให้ข้าพเจ้าเก็บผักไปด้วยก็มียอดแต้วยอดกระโดนรันถึงที่พักแล้วญาติโยมก็จัดอาหารถวายมีน้ำพริกอย่างว่าจริงๆท่านอาจารย์คงทายใจเขาถูกจึงให้ผู้เขียนเก็บผักตามมามีแกง ก็เป็นแกงปลาน้ำดำๆและอื่นๆดูก็ไม่น่าอร่อยแต่ว่าอาหารมื้อนี้อร่อยเป็นพิเศษไม่ทราบว่าทำไมรสชาติมันถึงอกถึงใจอะไรอย่างนี้ดีจริงๆข้าพเจ้ามาคิดได้ว่าอ้ออันความหิวนี่เองทำให้อร่อยเป็นอันว่าท่านอาจารย์และข้าพเจ้าได้พักอยู่ที่ถ้าบัวแดงนี้ โดยมีญาติโยมมาส่งอาหารตามศรัทธาที่เขาจะพึงทำได้ตลอดเวลาที่พักอยู่ท่านอาจารย์กลับยอกเอวหนักขึ้นท่านบอกว่าไปไม่ไหวแล้ววิริ ย, ยังเอ๋ยยอกแบบนี้มันเข็มแทงเราจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่ายอกจะหายข้าพเจ้ากลับดีใจเมื่อได้ฟังท่านอาจารย์เพราะจะได้อยู่ทำความเพียรให้ถึงอกถึงใจ ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้เป็นอันว่าพวกเราต้องอยู่ที่ถ้ำนี้ถึงเดือนเศษนับว่าเป็นการพักแรมนานที่สุดในการเดินทุดงมาราธอนในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เลื่อนจากการอยู่บนกุฏิสัปรังเคนั้นไปอยู่ที่ตัวถ้ำวัวแดงเลยทีเดียวอันชาวบ้านบอกว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เห็นข้าพเจ้าไปอยู่ที่นั้น โยมก็ได้ห้ามปรามต่างๆนานาว่าอย่าเลยท่านไม่ดีแน่แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมเชื่อแม้จะเป็นอย่างไรก็ไม่กลัวทั้งสิ้นข้าพเจ้าคิดว่าไหนๆมาถ้ำวัวแดงทั้งทีนอนมันใต้ท้องวัวแดงเลยเป็นไงข้าพเจ้าจึงเข้าไปในถ้ำซึ่งเป็นถ้ำไม่ใหญ่โตอะไรนักมีวัวแดงอยู่ในถ้ำเป็นหินแกะสลักบนหลังวัวแดง มีกษัตริย์หนึ่งองค์มีมเหสีสี่คนนั่งอยู่บนหลังวัวแดงตัวเดียวนั้นซึ่งก็ล้วนแกะสลักด้วยหินทั้งสิน้นสวยงามมากฝีมือดีเยี่ยมทีเดียวข้าพเจ้ามองดูรอบๆวัวแดงเป็นพื้นเสมอนั่งนอนสบายแต่ข้าพเจ้าเสียดายมากคือพวกหาทรัพย์ในดินเสรนในน้าและลายแทงต่างๆพากันมาเจาะท้องวัวแดง ขุดลงไปตรงพื้นที่วัวแดงเหยียบเป็นรูเป็นหลุมแม้แต่บริเวณนั้นเป็นหินก้อนใหญ่ๆเท่าบ้านเขาก็เจาะกันทะลุไปหมดเขาเล่าให้ฟังว่าพวกคนที่มาเจาะมาทำรลายนั้นโดยมากกลับไปตายกันเสียเป็นส่วนใหญ่ในค่ำคืนหนึ่งที่ข้าพเจ้านอนพักอยู่ที่ถ้าวัวแดงนั้นบังเกิดความประหลาดใจขึ้นในตอนดึก หลังจากบำเพ็ญสมาธิผ่านไปแล้วคือปรากฏเหมือนหินทั้งถ้มนั้นกําลังจะสุดลงเสียงลั่นดังกึกก้องแต่พอข้าพเจ้าลุกขึ้นหมายจะฟังให้ชัดแล้วเสียงนั้นก็หายไปพอจะหลับก็เกิดเสียงนั้นขึ้นมาอีกจึงทำให้ใจหายรู้สึกว่าจะโดนลองดีเสละกระมังแต่ข้าพเจ้าไม่ยอมกลัวทาใจกล้าแต่เสียงนั้นมันคอยจะมาห้อนเอาตอนเคลิมทุกที ขณะที่เตื่นจริงๆทำไมไม่มีเสียงจะมีเสียงเอาตอนจะหลับอย่างไรเสียต้องมีเหตุเป็นแน่แท้ข้าพเจ้าเลยตั้งใจเอาเสียเลยว่าค่ำนี้เราจะไม่นอนละ่ะจะต้องทำสมาธิตลอดสว่างเลยขณะที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะนั่งตลอดสว่างอย่างนั้นทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นก็หายไปหมดและกลับกลายปรากฏในสมาธิแทนเห็นเป็นเหมือนกับเทวบุตร และเทวดาเป็นคนที่รู้สึกจะแปลกกว่าคนธรรมดาข้าพเจ้าก็เลยเข้าใจเอาว่าคงเป็นพวกเทวดาต่างก็มานั่งล้อมรอบอยู่ตามบริเวณนั้นเพียงแต่เดินกันไปมารู้สึกว่าขณะนั้นมีความสบายดีมากจนไม่ทราบว่าสว่างสิทธาเมื่อไหร่ข้าพเจ้าได้นาเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมาเล่าถวายอาจารย์ ท่านก็หัวเราะแล้วพูดว่านั่นแหละเธออยากประมาทเขาก็มาเตือนละสิเขาหมายความว่าอะไรครับข้าพเจ้าถามก็พวกเทพเจ้านั่นแหละท่านตอบเทพเจ้าเทพเจ้าข้าพเจ้าคำนึงอยู่ในใจว่ามันจะเป็นไปได้หรอือที่เราได้พบได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดท่านอาจารย์ได้สำทับข้าพเจ้าว่าเธออย่าประมาท จงพยายามเร่งความเพียรอย่างเต็มความสามารถนั่นมันเป็นความประสงค์ของผู้เขียนอยู่แล้วเป็นเวลาเดือนหนึ่งอาการย่อของท่านอาจารย์ก็ค่อยทุเลาลงเป็นลำดับจนหายเป็นปกติท่านอาจารย์ก็บอกว่าแม้ว่าเราหายแล้วก็จะต้องอยู่ทำความเพียรในที่นี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งข้าพเจ้าก็พอใจด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในวันหนึ่งที่ท่านอาจารย์สบายดีข้าพเจ้าได้ถามท่านว่าธรรมะปฏิบัตินี้มีความจําเป็นด้วยหรือที่เราจะต้องทรมานอดๆ อ, อยากๆทุลักทุเลเดินหามรุ่งหามค่าอยู่อย่างว่าใายงามกระผมก็ทำความเพียนได้อย่างมากท่านตอบว่าการอยู่ในที่เดียวจําเจมันก็ทำให้เรามีจิตอ่อนไม่เข้มแข็งและทาให้เกิดความเคยชินเป็นการทาให้ย่อหย่อนต่อความพยายาม ยิ่งกว่านั้นถ้าเป็นครูอาจารย์ก็จะเพิ่มภาระที่จะสั่งสอนและกิจการที่จะต้องเกี่ยวข้องอีกมากการที่เราได้ออกวิเวกอยู่ตามป่าเขาลำนาไพรนั้นมันเป็นสิ่งทำให้จิตใจแข็งแกร่งขึ้นมีความกระตือรือล้นขึ้นมาเองตามธรรมชาติเป็นอันว่าเวลาเดือนเศษพวกเราอยู่ที่ถ้ำวัวแดงโดยเฉพาะข้าพเจ้า ได้ผลจากสถานที่แห่งนี้เป็นพิเศษอันเป็นสิ่งจารึกอยู่ในความทรงจำไว้อย่างมากยากที่จะเขียนบรรยายออกมาได้หมดสิน้นท่านอาจารย์บอกข้าพเจ้าว่าเรามาเดินทางกันต่อไปเพื่อตามท่านอาจารย์มั่นภูริทตะเทระให้พบเพราะเวลานี้ข่าวว่าท่านอยู่จังหวัดสกล น, นคร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 ท่านอาจารย์กงมาท่านถูกไม้นี้เข้าท่านจึงหาวิธีแก้ลําด้วยหนามยอกเอาหนามบงจึงได้บอกว่าจะเข้าชานให้ดูก็ได้ให้คุณนายจัดหาเม่อม่วง อ, อกร่องกับข้าวเหนียวมูลมาให้มากหน่อยไม่ว่าแต่อาตมาดอกเข้าชานได้ทุกคนถ้ารับประทานมันให้อิ่มเข้าชานมันจะยากอะไรคณะคุณนายชอบใจกันเป็นการใหญ่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 เมื่อเห็นท่านคุยไปและยิ้มย่องผ่องใสเหมือนธรรมดาหลังจากท่านถามสารทุกสุขดิบกับอาจารย์ของข้าพเจ้าแล้วก็หันมาถามผู้เขียนว่าได้มาพร้อมกันหรือและมากันยังไงผู้เขียนก็ตอบว่ารับมากับอาจารย์ของกระผมเดินทางมาโดยเท้าตลอดเป็นระยะหลายร้อยกิโลท่านยิ้มแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อไป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 ต้องเช็ดถูให้สะอาดจริงๆทั้งๆ ท, ท, ที่ส้วมนั้นไม่ใช่ส้วมซึมเป็นส้วมหลุมท่านได้ดูท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าว่ากงมานี่เธอทำไมไม่รักษาความสะอาดปล่อยให้ส้วมรกยังกับป่าเสือผู้เขียนต้องตกใจอย่างยิ่งในวันนั้นท่านเดินไปทางกุฏิของท่านอาจารย์กงมาได้เห็นต้นหญ้ากเกิดขึ้นรอบห้องส้วมซึ่งเข้าใจว่าท่านอาจารย์ของข้าพเจ้า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 ถูกให้เทศต่อหน้าท่านใจของผู้เขียนรู้สึกจะตั้นแรงเป็นพิเศษผู้เขียนไม่เคยกลัวเรื่องเทศให้โยมฟังเพราะผู้เขียนเป็นนักเทศมาตั้งแต่เป็นสา ม, มนเณรอายุเพียง17ก็เริ่มเป็นนักเทศแล้วบัดนี้อายุ22ปีผ่านการเทศมาไม่ใช่น้อย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 ก็ทำให้หวาดเสียวสู้ซาไปหมดผู้เขียนพยายามกำหนดใจไม่ให้หวันไหวแต่มันก็หยุดได้เป็นพักๆอาศัยชนานาญธรรมะเท่านั้นที่ทำให้ทุกๆอย่างเรียบร้อยในเวลาอนันเร็วพลันแต่เข้าใจว่าคงจะมีหลายองค์จะพิรุษได้ถึงอย่างไรก็ตามผู้เขียนก็สามารถแสดงธรรมไปได้ตามประสาของผู้ประมา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 แม่บุรีนี่เหมนจริงเท่านั้นเองผู้เขียนก็ต้องถูกดุว่านี่วิริยังการยกโทษผู้อื่นนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งว่าแล้วท่านก็มวลบุรี่ขึ้นตัวหนึ่งเบิ่มให้ผู้เขียนบอกว่าเอาสูบเสดเดี๋ยวนี้เมื่อสูบแล้วจะได้ไม่ยกโทษผู้อื่นทาเอาข้าพเจ้างงไปต้องสูบบุหรีแล้วก็สำลักท่านก็หัวเราะชอบใจ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 ว่าเป็นเรื่องของจริตวาสนาและสักว่าเป็นแค่กิริยาไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรมถือว่าไม่ผิดนะครับผู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนจะกลายเป็นการปราโมทย์พระอริยะหรือกระทําตามแบบผิดๆจนส่งผลเสียหายต่อตอนเองในภายหน้าได้อย่างมากจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับสําหรับในกรณีพระหนุ่มเนียนน้อยที่คิดจะทําตามครูบาอาจารย์ในอดีต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 ตอนพักวัดร้างเสียงบารมีให้กับพระวิริยังการจำพรรษาที่บ้านนามนได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุดและได้ผลทางใจมากที่สุดทั้งผลเกิดจากประสบการณ์ใหม่ๆอันเป็นผลได้ยังคาดไม่ถึงเป็นผลทางปกครองและผลทางเผยพระธรรมะผู้เขียน จึงมาคิดถึงความเป็นอริยะของท่านอาจารย์มั่นมิใช่ว่าจะเยินยอท่านจนเกินความจริงแต่ท่านเป็นอริยะจริงๆเพราะผู้เขียนก็ชอบตรงไปตรงมาอยู่แล้วคนจะมาพูดเกินความจริงหรืออ้อมค้อมไม่ชอบการอยู่กับท่านอาจารย์มั่นในภรรษานี้จึงเป็นการศึกษาทั้งธรรมะและศึกษาทั้งตัวของท่านอาจารย์ด้วย มีอะไรแปลกใหม่ๆให้พวกเราได้ศึกษาอยู่ตลอดเวลาทุกทุกองที่มาอยู่กับท่านต่างก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดถึงความสามารถทั้งภายนอกภายในนี่ก็เป็นปัจจดต่งังรู้เฉพาะตัวเฉพาะตัวของผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านผู้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับท่านหรือเพียงแต่ได้ยินได้ฟังได้อ่านเรื่องราวของท่านย่อมจะไม่เป็นปัจจตตังบางทีก็เกิดความสงสัย แต่บางคนก็เรื่อมใสจึงเป็นของยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ออกพรรษาแล้วจะมีการตัดเย็ยบจีวรให้แก่องค์ที่ขาดแคลนเพราะต่างก็ช่วยกันตัดเย็ยบด้วยมือกว่าจะเสร็จแต่ละตัวก็ใช้เวลาหลายวันตามปกติแล้วของที่ได้จา ก, กถินผ้าป่าของที่เข้ามาถวาย ท่านก็จะถูกแจกออกไปแก่พระภิกษุสามเณรทั้งหลายโดยทั่วกันหลังจากธุรกิจมีการแจกจีวรและทำจีวรเสร็จแล้วท่านปรารพที่จะออกไปจากวัดป่าบ้านนาโมลเพื่อความสงบตามอธัธยาศัยในที่ไม่ไกลจากวัดป่าบ้านนาโมล น, นี้เท่าไรนักมีบ้านหนึ่งชื่อบ้านนาสีนวลอยู่ใกล้เขาภูพานบ้านนี้มีวัดร้างอยู่วัดหนึ่ง ไม่ไกลจากบ้านมีกุฏิหลังเดียวท่านได้เลือกเอาวัดร้างนี้เป็นที่พักได้ออกจากวัดป่าบ้านนามนกับผู้เขียนและมีพระติดตามสององค์ตัพระขาวหนึ่งคนการมาอยู่วัดบ้านนาสีนวล น, นี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนของท่านตามธรรมดาท่านก็พักผ่อนอยู่แล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนแต่การอยู่ในหมู่บ้านใหญ่ พระภิกษุสัมมเนนก็จะมาพักเพื่อศึกษามากเป็นการกังวลในการดูแลแนะนำสั่งสอนเมื่อมาอยู่บ้านนาศีนวนพระภิกษุสัมมเนนมาอยู่มากไม่ได้เพราะเป็นบ้านเล็กจึงถือว่าเป็นการพักผ่อนในการบางครั้งพระภิกษุสัมมเนนผู้อยู่โดยรอบไม่ไกลนักก็ถือโอกาสเข้ามานมัสการเพื่อรับโอวาจาท่านเป็นครั้งคราว ะโอกาสนี้เองเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดสำหรับผู้เขียนเวลาว่างมากนับเป็นโชคในชีวิตครั้งสำคัญครั้งหนึ่งที่ผู้เขียนได้มาอยู่กับท่านอาจารย์มัน่นผู้เขียนไม่ได้ทิ้งโอกาสอันมีค่านี้ให้เสียไปเลยพยายามไต่ถามประวัติความเป็นมาของท่านอย่างละเอียดความรู้พิเศษต่างๆที่ได้จากสถานที่นี้มากจริงๆและทั้งยังได้ความคุ้นเคยสนิทสนมกับท่าน อย่างที่ใกลๆจะได้ยากวันหนึ่งตอนเช้าขณะที่ผู้เขียนเตรียมคลี่สังขติซ้อนจีวรหลังจากถวายการครองจีวรให้ท่านเสร็จแล้วท่านได้เหลือบมองเห็นสังขติของผู้เขียนแตกตะเข็บหลายแห่งและผู้เขียนเย็บชุนเอาไว้ท่านถามว่าสังขติขาดแล้วใช่ไหมยังไม่ขาดเป็นแต่เพียงแตกตะเข็บครับผม ผู้เขียนตอบนั่นแหละมันขาดแล้วเออวิวริยังถ้าคุณเป็นผู้มีบุญได้ทำไวตะปางก่อนพรุ่งนี้คงจะมีใครสักคนนำผ้ามาถวายเราจะตัดสังคติให้ท่านอาจารย์ท่านพูดทาผู้เขียนขนลุกขนพองไม่นึกเลยว่าท่านจะพูดกับข้าพเจ้าอย่างนี้ต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็นำบาทออกเดินไปรอท่านที่ริมละแวกบ้าน ถวายบาทแก่ท่านเมื่อท่านไปถึงเดินตามหลังท่านไปอันความคิดที่จะต้องคิดติดอยู่ในใจขณะนี้คือคำพูดของท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเธอมีบุญพรุ่งนี้ก็จะมีคนนำผ้ามาถวายทำให้ใจของผู้เขียนต้องกังวลหนักขึ้นว่าท่านอาจารย์จะเอาตัวเรามาเสี่ยงบารมีเสียแล้วนี่ถ้าหากไม่ได้ผ้าไม่มีใครมาถวาย เราอาจจะต้องเป็นคนอาพับจนถึงกับท่านไม่อาจจะรับเอาเราเป็นสิทธิ์ของท่านก็เป็นได้ขณะนี้เราก็เพิ่งจะมาอยู่กับท่านเพียงปีเศษเท่านั้นท่านจะเอาผ้าสังขติมาเสี่ยงบารมีซะแล้วเหติที่จะแย่เสละกระมังคราวนี้ลักขณะนี้เป็นระยะเวลาของสงครามโลกครั้งที่สองยังไม่สงบผ้าที่จะใช้หายาจริงจริงว่าจะได้แต่ละผืนนานนักชาวบ้านต้องนุ่งผ้าขาดหน้าขาดหลัง เด็กนักเรียนไปโรงเรียนไม่มีเสื้อใส่แม้จะมีบ้างก็ปะหน้าปะหลังพระภิกษุสามเณรตามวัดต่างๆจะได้จีวรแต่ละตัวนั้นนานเต็มทีต้องปะชุนเช่นเดียวกันอันเราก็มาถูกท่านอาจารย์เสี่ยงบา ร, รมีด้วย้าสังคติหนึ่งผืนดูก็เป็นเรื่องใหญ่มิใช่เป็นเรื่องเล็กเลยค่ำคืนนี้ก็ล่วงไปยังฝันดีเป็นที่สุด ท่านอาจารย์ท่านพูดทิ้งคําไว้แต่ตอนเช้าแล้วท่านก็ไม่ได้เอ่ยถึงคํานั้นอีกเลยผู้เขียนว่าฝันดีนั้นก็คือยังไงเสียเราคงจะต้องได้รับผลแห่งความจริงที่ว่าเราจะเป็นผู้มีบุญหรือเป็นคนบาปก็จะต้องรู้กันในวันพรุ่งนี้แน่นอนเลยทําให้ผู้เขียนทําความเพียร น, นั่งสมาธิก ร, รมฐานเป็นการใหญ่ไม่ต้องหลับนอนกันล่ะก็รู้สึกว่าได้ผล หันกลับไปคิดถึงท่านอาจารย์มั่นท่านได้ทรมานคนเพื่อเป็นคนดีทุกวิถีทางทุกอย่างที่ท่านออกอุบายแต่ละครั้งได้ผลเกินคาดครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันกับที่แล้วมาและหลายครั้งที่บังเกิดผลจากอุบายวิธีของการทรมานที่ได้ผลอย่างสุ ข, ขุมลุ่มลึกในขณะที่ผลทางภายในกําลังเกิดขึ้นแก่ผู้เขียนอย่างเยือกเย็นสว่างสวัยสบายผ่องใส อย่างที่จะพูดยากทีเดียวนี่เกิดจากอุบายวิธีอัญชานฉลาดของท่านอาจารย์มั่นรุ่งขึ้นเวลาบ่ายโมงเสียงคนหลายคนทั้งแบกทั้งหามทัพพระสัมภาระตีเกาะเคาะไม้ได้ยินมาแต่ไกลผู้เขียนกำลังเดินจงกรมอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ห่างจากกุฏิเท่าใดนักได้ยินเสียงก็สงสัยรีบออกมาคอยดู ซึ่งขณะเดียวกันท่านอาจารย์ก็เปิดประตูออกมาก็พอดีกระบวนรผู้คนได้มาหยุดอยู่ที่ริมวัดเอาของวางไว้เรียบร้อยมีหัวหน้าคนหนึ่งเข้ามาหาท่านอาจารย์นิ ม, มนต์ให้ไปชักบางสุกุลท่านก็เดินตามเข้าไปแต่ผู้เขียนไม่ไปเพียงแต่จัดที่ต้อนรับเขาอยู่ที่กุฏิในไม่ช้าพวกเขาก็พากันนำเอาของมากองไว้ที่ฌานกุฏิ ผู้เขียนไม่สนใจของอื่นนอกจากผ้าจะมีหรือไม่หนาพอจะทำสังคติได้ผู้เขียนก็ต้องอุทานขึ้นมาในใจว่าโอ้ผ้าทำสังคติมีแล้วนี่ยังไงแต่นึกยิ้มอยู่ในใจไม่พูดอะไรเลยท่านอาจารย์เหลือบมองมาอย่างข้าพเจ้ายัางกับจะพูดอะไรสักอย่างแต่ท่านก็ไม่พูด หลังจากท่านให้พรโยมโยงกลับกันหมดและสั่งให้เนนตาผ้าขาวเก็บของอื่นๆไปส่วนผ้าขาวท่านสั่งให้ผู้เขียนเก็บมาดูจึงเห็นว่าเป็นผ้าบางเนื้อดีพอที่จะตัดได้สังคติผืนหนึ่งอย่างสบายท่านจึงพูดว่าเอ้าผู้มีบุญเอาผ้านี้ไปตัดสังคติเสียเป็นคำพูดที่สั้นๆฝังใจน่าดู ข้าพเจ้าไม่ใช่นักเขียนนักประพันธ์ถ้าเป็นนักเขียนนักประพันธ์คงจะพันนาของจริงได้กว้างขวางและแนบเนียนกว่านี้มากแต่นี่ก็เอาเพียงความเข้าใจก็ดีแล้วข้าพเจ้าก็พอใจแล้วที่ยังเขียนได้ถึงเพียงนี้ผู้เขียนจะดีใจหรือปีติหรือถูกอาจารย์ยกยอหรืออะไรก็พูดไม่ถูกอีกเหมือนกันในเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนี้ทําเอาผู้เขียนต้องยิ้มข้างในอยู่หลายวัน แต่ก็ไม่ประมาทในการที่จะพยายามเพื่อการปฏิบัติจิตยังไม่ให้เวลาล่วงเลยไปเป ล, ลา่าๆขณะที่เรามาอยู่กับท่านผู้ประเสริฐเราจะมัวประมาทอยู่ไม่ได้เป็นอันขาดเพราะการได้อาจารย์เช่นนี้ยากนักที่จะมีบุญได้อยู่กับท่านข้าพเจ้าหมายถึงว่ามีบุญอยู่กับท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ยิ้มก็เพราะได้อยู่ปฏิบัตินั่นเอง แต่ว่าอยู่กับผู้หวังดีต่อเรานั้นแม้จะถูกโขกถูกซับก็ยินดีรับเสมอบางครั้งถูกยกยอเช่นคราวนี้บางครั้งถูกโขกสับเช่นคราวก่อนแต่เราก็ยินดีให้ท่านทำเช่นนั้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าแห่งการปฏิบัติของเราพร้อมเสมอที่จะให้ท่านทำทุกอย่างเพื่อความเจริญก้าวหน้า ขณะที่มาอยู่วัดร้างที่บ้านนาสีนวล น, นี้เป็นเวลาหลายวันต่อมาผู้เขียนชอบเล่าความฝันให้ท่านฟังบ่อยๆเพราะความฝันนั้นแปลกๆเนื่องจากอยู่ในที่สงบสบายซึ่งบางครั้งก็เห็นพระสาวกแต่ครั้งพุทธการมีพระอนุนบ้างพระกัสปะบ้างพระเรวัตตาบ้างหรือบางครั้งก็ฝันเห็นพระพุทธเจ้าเอาเลยซึ่งก็ต้องเล่าถวายท่านฟังทุกคราว วันหนึ่งขณะที่ผู้เขียนเล่าความฝันให้ท่านฟังนั้นเข้าใจว่าท่านคงรำคาญหรืออาจจะแนะนาผู้เขียนว่าเรื่องฝันนั้นเป็นเรื่องไร้สาระท่านจึงว่าเออฝันยังบูฝันปนฝันปีฝันคืนนี้ฝันว่าได้สีแม่ใหญ่เป็นนั้นว่าท่านได้ทั้งดุทั้งด่าอย่างลึกซึง้งและเป็นการแนะนาผู้เขียนยังไม่ได้มีวันลืมอีกครั้งหนึ่งแม้คานี้จะเป็นคาหยาบ ผู้เขียนไม่น่าจะนำมาลงไว้ในที่นี้เลยแต่ก็ไม่ทราบจะเอาคำอะไรมาพูดมาแปลให้ถูกถ้าเอาคำอื่นมาลงกลัวจะผิดสำนวนเสียรสชาติไปผู้เขียนก็ไม่ขอแปลด้วยสุดแล้วแต่ผู้อ่านจะแปลเอาเองก็แล้วกันแต่จะอย่างไรก็ตามเป็นคำสอนที่แนบแน่นที่สุดสําหรับผู้เขียนเพราะความฝันนี้เป็นเรื่องลุ่มหลงกันมานานแสนานานแล้ว ถึงกับมีตำรับตำราถ่ายความฝันกันทีเดียวแต่ท่านอาจารย์ท่านพูดไว้เป็นคำแปลบางตอนว่าเป็นเรื่องไร้สาระถ้าใครลุ่มหลงอยู่ในความฝันจะทำให้เป็นคนโง่เง่ า, งาทั้งนี้ก็หมายความได้หลายอย่างว่าผู้หลงในความฝันเท่ากับยอมตัวลงอยู่ใต้ลมลมแร ง, งอันนี้คงจะเป็นคติสำหรับผู้หลงละเมอเพ้อฝันซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่จะให้มีขึ้นแก่ผู้อบรมจิตดีแล้วแต่ว่าขณะในที่จิตบริสุทธิ์อารมณ์ต่างๆไม่ค่อยหนาแน่นการฝันนั้นกลายเป็นนิมิตคําว่านิมิตคือเครื่องหมายแสดงเครื่องหมายปริศนาทําให้เกิดความจริงบางประการขึ้นได้ซึ่งในวันต่อมาท่านอาจารย์มั่นท่านได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า เมื่อพระนางเจ้าสิริมหามายาสุบินนิมิตก็ดีเมื่อพระพุทธองค์สุบินนิมิตในตอนก่อนจะตรัสรู้ก็ดีนี้เป็นนิมิตไม่ใช่ละเมอเพ้อฝันก็เป็นอันว่าผู้เขียนได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกมากทีเดียววันหนึ่งข้าพเจ้านั่งสมาธิอยู่โคนไม้ใกล้ๆกับกุฏิของท่านได้รำพึงในใจว่า อันการอยู่ร่วมกับนักปราตนี่เป็นผลประโยชน์มากจริงๆเป็นผลทุกตรานิ้วเลยทีเดียวสมกับคำว่าปันดิตานันจะเสวนาการคบหาบัณฑิตเอตมังคัลมุตตมังเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดผู้เขียนมาซาบซึ้งถึงมงคลคาถาข้อนี้อย่างยิ่งในเมื่อมาอยู่กับท่านอาจารย์มั่นในครั้งนี้ ความรำพึงของผู้เขียนได้เป็นไปอย่างความบริสุทธิ์ใจและได้มีความกระตือรือร้นต่อความเพียรเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้มากขึ้นจากการได้รับธรรมเทศนาของท่านแม้ว่าจะอยู่กันเพียงองค์หนึ่งสององค์ท่านก็แสดงธรรมให้ฟังโดยการให้โอวาดแนะนำตื้นลึกหนาบางของข้อปฏิบัติต่างๆถ้าหากว่าเราถามถึงธรรมะโดยความบริสุทธิ์ใจแล้ว ท่านจะอธิบายให้หายสงสัยได้อย่างมหัศจรรย์ทีเดียวตอนพระวิริยังพยาบาลพระอาจารย์มั่นป่วยในวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่ได้คาดฝันว่าเหตุเช่นนี้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุแห่งการป่วยของท่านอาจารย์มั่นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเสียงร้องเรียกของท่านดังออกมาจากห้องข้างในซึ่งถูกลงกรอนประตูหมดแล้วขณะนั้นท่านลุกขึ้นไม่ได้เนื่องจากเป็นไข้มาลาเรียทำให้ขาทั้งสองหมดแรงไม่มีแรงยันเมื่อผู้เขียนกำลังทำกิจวัตรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ข้างนอกได้ยินคาว่าวิรยังเอาลุกมาได้ ยิ่งทำให้ตกใจยิ่งขึ้นผู้เขียนวิ่งวนรอบกุฏิสองรอบสามรอบจะหาวิธีเข้ากุฏิให้ได้แต่ก็หมดปัญญาเพราะกรอนโบราณหนาแน่นเลอเกินทันใดนั้นความคิดได้เกิดขึ้นแก่ผู้เขียนว่าหน้าต่างคงจะไม่ได้ใส่สลักอาจจะมีสักช่องผู้เขียนจึงใช้ไม้พาดแล้วขึ้นไปตามช่องหน้าต่างก็ไปถูกหน้าต่างหนึ่งไม่ได้ใส่กรอนเพียงงับไว้เท่านั้น ก็ดึงออกเปิดได้โล่งใจผู้เขียนรีบปีนหน้าต่างเข้าไปในห้องทันทีซึ่งขณะนั้นท่านอาจารย์มั่นกำลังนอนอยู่ท่านเรียกบอกให้เข้าไปเร็วเพราะท่านปวดท้องเบาอยู่ผู้เขียนเข้าไปพยุงท่านให้ลุกขึ้นนั่งแล้วท่านก็เบาได้ตามความประสงค์แล้วก็พยุงให้ท่านได้กลับมานอนตามเดิมผู้เขียนได้ถามท่านว่าท่านอาจารย์ครับ ท่านอาจารย์ได้เป็นอะไรไปท่านตอบว่ามันจับไข้ตั้งแต่บ่ายโมงหนาวแ ท, แท้เลยเอาผ้าห่มมาห่มเท่าไรก็ไม่หายหนาวพอสางไข้ขามันก็อ่อนหมดยกไม่ขึ้นเอาเลยเป็นอันว่าวันรุ่งขึ้นท่านไปบินธบาจไม่ได้และฉันอาหารหนักไม่ได้ผู้เขียนต้องไปจัดแจงให้ตพักข่าวนั้นต้มเข้าต้มแล้วก็มีอาหารเข้าต้มถวายท่านจนกระทั่งหายจกากไข้ แต่ก็ยังไม่ปกติในระยะนี้ท่านได้อนุญาตผู้เขียนเข้าไปจำวัดในห้องเดียวกับท่านตามปกติแล้วท่านจะไม่ให้ใครเข้าไปจำวัดในห้องเดียวกับท่านเป็นอันขาดคราวนี้ท่านเห็นใจผู้เขียนว่าเอาใจใส่ปฏิบัติอย่างจริงจังจึงให้เข้าไปจำวัดในห้องเดียวกับท่านทั้งนี้ผู้เขียนก็ประสงค์เช่นนั้นเพราะไม่แน่ใจว่า ใข้จะจับเอากับท่านอีกเมื่อไรถ้าหากจับใข้ยอยีกจะได้หาทางแก้ไขทันไม่ต้องวิ่งหาทางปีนหน้าต่างกันอีกถ้าพระเจ้าต้องอาศจรรย์มากทีเดียวในขณะที่ได้เข้าไปอยู่ในห้องเดียวกับท่านคือเห็นท่านตื่นตอนตีสามทุกวันเลยทีเดียวผู้เขียนก็ได้ตั้งใจและคอยระวังอยู่จึงตื่นพอดีกับท่านเพื่อคอยปฏิบัติในขณะที่ท่านตื่นขึ้นล้างหน้า ต่อจากนั้นก็นั่งกรรมฐานไปจนตลอดแจ้งผู้เขียนคิดว่าท่านก็กําลังป่วยยังไม่หายสนิทแต่ทำไมจึงยังบาเพ็ญกรรมฐานพักเพียงสี่ถึงหชั่วโมงเท่านั้นและยิ่งคิดหนักต่อไปว่าก็ในเมื่อท่านได้บาเพ็ญมายางหนักแล้วแล้วรู้ธรรมเห็นธรรมตามสมควรแล้วเหตุไฉนท่านยังมีละความเพียรของท่านเลย อันที่จริงท่านไม่ต้องทําก็เห็นจะไม่เป็นไรเพราะท่านทํามาพอแล้วซึ่งในวันหนึ่งผู้เขียนอดไม่ได้ต้องถามท่านว่าท่านอาจารย์ครับขณะนี้ท่านอาจารย์ก็ไม่ค่อยสบายควรจะได้พักผ่อนให้มากกว่านี้จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่แล้วก็ได้รับคําตอบว่าก็ยิ่งไม่สบายคนเรามันใกล้ตายก็ต้องยิงทําความเพียรโดยความไม่ประมาท แม้เราจะเป็นผู้ได้รับการฝึกฝนมามากแล้วแต่ก็ต้องทำและยิ่งมีความรู้สึกภายในว่าต้องทำให้มากเช่นเดียวกับเศรษฐีแม้จะมีทรัพย์มากก็ยิ่งต้องทำมากวิริยังสมาธิมันเป็นเพียงสังขารไม่เที่ยงหรอกความจริงแห่งสัจธรรมจึงจะเป็นของเที่ยงและการกระทำความเพียร น, นี้ยังชื่อว่าทำเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ทั้งหลายด้วย ทำเอาผู้เขียนต้องขนลุกปีติสู้ซาไปหมดทั้งคิดว่าท่านแม้จะมีคุณธรรมสูงท่านก็ไม่ได้เอาตัวรอดแต่ผู้เดียวยังต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบุคคลอื่นอย่างน่าสรรเสริญการอยู่ร่วมในห้องเดียวกับท่านในคราวนี้จึงนับว่าได้รับความสนิทสนมและใกล้ชิดอย่างยิ่งและได้รับใช้ท่านอย่างเต็มที่สมกับความปรารถนาของผู้เขียนเป็นหนักหนา ทุกๆคืนที่อยู่ในห้องนี้เหมือนอยู่ในถ้ำป่าเขาที่เปลี่ยววิเวกเพราะนอกจากการบีบนวดถวายและไต่ถามอับ ป, ปัญหาต่างๆแล้วนอกนั้นก็เป็นเวลาทำความเพียรมันไม่มีคราวใดอีกแล้วที่ผู้เขียนจะพึงระวังสติเหมือนคราวนี้เพราะถ้าเราขาดสติหมายถึงต้องถูกดุหรือถูกประนามอย่างใดอย่างหนึ่งและผู้เขียนรู้สึกอบอุ่นเอาจริงๆ และผลแห่งความเพียรปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วน่าแปลกใจตัวเองเสียละเกินมิใช่ผู้เขียนจะกล่าวเกินความจริงสิทธิอันนี้จะไม่มีสิทธิ์ของท่านองค์ใดจะพึงได้เลยแม้แต่อาจารย์มหาบัวต้องการจะเข้าไปอยู่กับท่านตอนผู้เขียนออกมาแล้วท่านก็ไม่ยอมให้อยู่ต้องหอบกรดมุงออกวันนั้นเองสิทธิอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้เขียนภูมิใจเป็นหนักหนา เพราะเหตุใดท่านอาจารย์มั่นจึงให้ผู้เขียนได้จำวัดอยู่ในห้องเดียวกับท่านและผู้อื่นมิให้เข้าเกี่ยวข้องตลอดเวลาเดือนเศษต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเล่าเหตุการณ์ในห้องอันพิสดารดุจถ้ำแห่งธรรมะอันประเสริฐนี้ให้ผู้อ่านได้ฟังอย่างพิสดารเพราะท้าไม่ได้เขียนตอนนี้แล้วผู้เขียนเห็นจะต้องเลิกเขียนหนังสือธรรมะเอาเสียเลย หรือจะต้องทำให้ผู้เขียนข้องใจตัวเองตลอดชีวิตเอาทีเดียวพูดถึงการเดินผู้เขียนต้องหัดเดินใหม่เอาทีเดียวเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องนี้เพราะวันหนึ่งผู้เขียนปวดท้องเบาต้องออกจากห้องตอนตีสี่แม้จะค่อยๆ ย, ย่องอย่างเบาแล้วพอรุ่งขึ้นท่านได้พูดว่าวิริยังทำไมจึงเดินแรงนักเมื่อคืนนี้ เวลาที่เกรยงๆเขากำลังนั่งสมาธิอยู่ต้องระวังสิอย่าเดินแรงทำสมาธิของผู้อื่นให้เสียไปบาปเท่าฆ่าช้างทั้งตัวเช้วนาผู้เขียนตกใจเพราะว่าเราก็ถือว่าเดินเบาเต็มที่แล้วเสียงยังรอดเข้าหาท่านได้อีกวันหน้าต่อมาปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกคือการเดินดังในที่สุดก็มาแก้เอาได้ตอนที่ใช้ปลายเท้าลงก่อน ไม่เหยียบทีเดียวหมดฝ่าเท้าจึงเบาจนท่านไม่ต้องบนอีกต่อไปเรื่องของการรักษาความสงบในขณะที่ผู้ใดนั่งสมาธินั้นท่านได้ถือเอาเป็นเรื่องสําคัญมากแม้แต่ตัวของท่านเองขณะที่ผู้เขียนกําลังนั่งสมาธิเพลินอยู่ไม่ทราบว่าท่านได้ออกจากห้องไปได้เมื่อไหร่ผู้เขียนไม่มีความรู้สึกมีเสียงกุกกุกกักๆอะไรเลย ทั้งๆ ท, ที่ท่านก็ต้องถอดก่อนออกข้างนอกดูเหมือนว่าวันนั้นท่านออกไปเดินจงกรมแต่เช้ามืดและคืนวันหนึ่งผู้เขียนถวายการนวดแก่ท่านเสร็จแล้วในห้องนี้ประมาณห้าทุ่มเห็นจะได้ผู้เขียนตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิเสียตลอดคืนนี้เลยไม่ต้องนอนลวเราแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิครั้งแรกๆการพิจารณาก็ปลอดโปร่งดี แต่พอดึกเข้าก็เลยนั่งหลับเพลินไปเลยไม่ทราบว่าเข้าฌานอะไรกันหรือไม่มีฌานเป็นการนั่งหลับนั่งไปเรื่อยๆไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ขณะนั้นเองอาจจะเป็นเวลาตีหนึ่งหรือตีสองท่านอาจารย์มั่นท่านเดินไปยังมุ้งกรดผู้เขียนทำเสียงบอกให้รู้ว่านั่นกำลังหลงอยู่จนผู้เขียนต้องตกใจสะดุ้งขึ้นและท่านก็พูดว่า การบำเพ็ญสมาธิเอาแต่เพียงเป็นบาทของวิปัสนาคือการพิจารณาก็พอแล้วส่วนการจะอยู่ในวิหรธรรมนั้นก็ให้กาหนดรู้แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าการหลงชาญมากไปนั้นจะทำให้ตกไปสู่โมหะการพิจารณาวิปัสนามากไปนั้นจะตกไปสู่ความฟุ้งซ่าน จึงควรทำแต่พอดีพอเหมาะที่จะให้ผลอย่าให้มากนักอย่าให้น้อยนักถ้าน้อยนักเป็นเหตุให้ไม่รู้จักพอเป็นการเนื่องช้าแต่การควบคุมสติให้มั่นคงเป็นการดีที่สุดแล้วท่านก็เดินกลับไปผู้เขียนรู้สึกปราบลืมอะไรเช่นนั้นท่านอาจารย์มั่นท่านมาสอนการปฏิบัติให้เราถึงในมุง้ง ดูแลเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจจริงๆรและหวนระลึกถึงว่าท่านอาจารย์มั่นนี้สมกับเป็นพระประมาจารย์ที่แท้จริงได้เป็นห่วงสิทธิ์ที่จะหลงทางและพยายามหาหนทางให้โดยมิได้คิดว่าจะให้ลูกศิษย์ไปหาไปหาลูกศิษย์เสเองทั้งท่านก็รู้ทุกวาราจิต ท, ที่จะพึงแนะนำแก้ไขดูเอาเถิดผู้เขียนนั่งอยู่ในมุง้งท่านทราบได้อย่างไรว่า ผู้เขียนกำลังหลงทางและมิใช่เพียงครั้งเดียวเท่านี้ในขณะที่ผู้เขียนพักอยู่ห้องเดียวกับท่านนับได้หลายครั้งทีเดียวที่ท่านได้เดินมาถึงมุ้งกลดของผู้เขียนในเมื่อผู้เขียนต้องหลงทางเรื่องของสมาธิเหตุการณ์เช่นนี้แหละทำให้สิทธิ์ต้องนับถือเคารพอาจารย์ยังไม่มีอะไรเปรียบปรานผู้เขียนแม้จะเป็นพระผู้น้อย แต่ท่านก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่เมื่อเห็นว่าครวรอนุเคราะห์โดยธรรมะสงเคราะห์แล้วท่านก็กระทำทุกอย่างเพื่อการนั้นในขณะที่อยู่ณที่นี้ก็เป็นเวลาของการป่วยของท่านด้วยถึงอย่างนั้นดูเหมือนว่าท่านจะไม่ค่อยคำนึงถึงการป่วยของท่านเท่าใดนักแม้ว่าผู้เขียนจะไม่ต้องเข้ามานอนเฝ้าก็คงจะไม่เป็นไร เพราะท่านก็สละแล้วทุกๆอย่างผู้เขียนเข้าใจว่าท่านต้องการจะทรมานผู้เขียนมากกว่าจึงให้มานอนร่วมห้องกับท่านและก็เป็นความจริงที่ในความรู้สึกของผู้เขียนว่าได้ถูกทรมานอย่างหนักหน่นวงทีเดียวเพราะเหตุใดเพราะว่าทุกขณะลมหายใจเข้าออกนั้นต้องระวังทุกๆครั้งของการบำเพ็ญกรร ม, มฐานก็ต้องระวัง กลัวความผิดพลาดเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ได้รับการตักเตือนทันท่วงทีไม่ต้องรอให้เสียเวลาซึ่งจะต้องไปตักเตือนกันเมื่อเลิกจากสมาธิแล้วทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นท่านก็มีโอกาสได้ชี้แจงผลที่เกิดขึ้นก็รวดเร็วยิ่งขึ้นผู้เขียนมาคำนึงว่าเวลาทาไมจะมีค่าเหลือเกินเช่นนี้ไม่มีเสียประโยชน์ไปเลย และทำไมจึงจะไม่ให้ผู้เขียนภาคภูมิใจอย่างยิ่งนี้ได้เวลาที่ดีที่สุดนั้นคือเวลาถวายการล้างหน้าเสร็จแล้วประมาณสามนาฬิกาเศษท่านให้โอกาสถามถึงการปฏิบัติที่ผ่านมาและท่านก็แก้ไขให้อย่างแจ่มแจ้งถ้าเราไม่ถามท่านท่านก็จะตั้งปัญหาขึ้นแล้วก็แก้ไขให้เราอย่างดีที่สุดนับเป็นโอกาสดี หรือจะเรียกว่าเป็นกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแต่การก่อนก็เห็นจะได้จึงมาประสบโอกาสเช่นนี้ซึ่งก็มิได้นึกคิดมาก่อนเลยว่าจะได้รับการเมตตาเป็นกรณีพิเศษเช่นนี้เลยและผู้เขียนก็มิได้ให้โอกาสนี้จะต้องสูญเสียไปเปล่าเลยพยายามที่จะทำโอกาสนี้ให้ตัวเองมากที่สุดแต่ว่าในเวลาเช่นนี้คือก่อนจะแจ้งปัญหากระจุกกระจิก ท่านไม่ให้ถามให้ถามแต่ส่วนของข้อปฏิบัติทางจิตใจขั้นละเอียดส่วนปัญหาเรื่องของคณะหรืออาจารย์องค์ต่างๆว่าใครเป็นอย่างไรมีปฏิปทาได้ปฏิบัติผ่านมาได้ผลอย่างไรท่านเหล่านั้นมีนิสัยอย่างไรตอนนี้ท่านให้ถามตอนก่อนจะบีบนวดถวายท่านเป็นตอนค่ำหรือตอนบ่ายโมงระหว่างถวายน้ำชาและน้ำเดื่มอื่นๆเป็นต้น ตอนพระวิริยังเดินทุดงกับพระอาจารย์มั่นสองต่อสองระยะได้เล่าจะสำคัญอย่างยิ่งยวดและปลื้มใจได้ความรู้ประสบการณ์แห่งของจริงเท่ากับครั้งนี้ไม่มีแล้วในชีวิตของผู้เขียนมันเป็นปรากฏการณ์ที่มีความจริงเป็นหลักฐานเพราะเหตุคือการเดินทุดงกับพระอาจารย์มั่นเพียงสองต่อสอง ซึ่งก็มีบุรุษบ้องๆอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ติดตามไปผู้เขียนจะต้องจ้ารึกเป็นประวัติศาสตร์ทางใจไว้ยังไม่มีการเลื่อนลางทั้งนี้เพราะความเมตตาปราณีของท่านอาจารย์มั่นมีแก่ผู้เขียนเป็นกรณีพิเศษนั่นเองเป็นการให้การศึกษากับความเป็นจริงแม้ผู้เขียนจะได้เคยเดินทุ ด, ดงมาแล้วอย่างโชคชนกับพระอาจารย์กงมาเป็นระยะเวลาถึง8ปีก็ตาม แต่นั่นก็เป็นการฝึกฝนในเบื้องต้นซึ่งมิได้เหมือนกับครั้งนี้เพราะเป็นการฝึกในขั้นพระปรมาจารย์ที่ผู้เขียนนับถืออย่างสุดยอดพุทธศักราช2486เป็นปีที่จะมีการถวายพระราชทานเพลิงศพของพระอาจารย์เสากันตาศีลเทระซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่นมาแต่เดิม ข่าวได้ถูกส่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีโดยแม่ชีพวงว่าให้ท่านขึ้นเครื่องบินไปที่จังหวัดอุบลแม่ชีพวงได้บุกตัวเครื่องบินถวายขณะนั้นผู้เขียนก็ยังอยู่วัดร้างนี้กับพระอาจารย์มั่นตามปกติเมื่อได้รับข่าวอย่างนั้นแล้วท่านได้บอกกับผู้เขียนว่าจะไปขี่มันเห็ดยังขาเฮามีท่านได้พูดว่าเดินไปก็ได้ เราเคยเดินไปตั้งหลายครั้งแล้วที่จะไปอุบลจึงเป็นที่ทราบกันทั่วไประหว่างพระเทรานุเทระที่มาอยู่เพื่อศึกษาธรรมกับท่านจํานวนมากเมื่อทราบว่าพระอาจารย์มั่นจะไปในงานพระราชทานเพลิงศพของพระอาจารย์เสาก็จัดแจงเพื่อติดตามไปกันทั้งหมดจึงจะต้องเป็นขบวนใหญ่ไม่ใช่ธรรมดาแต่ด้วยเหตุผลอย่างไรท่านอาจารย์มั่น จึงให้ผู้เขียนเพียงผู้เดียวติดตามท่านและเป็นการเดินเท้าทุดงจากบ้านนามนไปถึงพระธาตุพนมเป็นหนทางประมาณห้าสิบกว่ากิโลเมตรส่วนพระเทรานุทเทระทั้งหลายก็ติดตามไปภายหลังเมื่อท่านกาหนดวันเป็นที่แน่นอนแล้วได้ออกเดินเท้าจากบ้านนามนโดยมีผู้เขียนติดตามกับคารวาสอายุกลางคนไปด้วยการเดินทางครั้งนี้ จึงเป็นที่พอใจของผู้เขียนยังบอกไม่ถูกนับเป็นบุญของตัวแท้ๆทีเดียวขณะที่เดินไปนั้นท่านอาจารย์มั่นเดินไปข้างหน้าผู้เขียนเดินตามหลังรู้สึกว่าท่านยังแข็งแรงมากขณะนั้นท่านอายุประมาณ74ปีแล้วดูการเดินของท่านยังกระฉับกระเฉงในขณะที่ผู้เขียนอายุ23าปี รู้สึกว่าเป็นการแตกต่างกันมากประหนึ่งปู่กับหลานเอาทีเดียวเหนื่อยแล้วแสงแดดก็กล้ามากร้อนจัดเป็นกลางทุ่งเขาเรียกทุ่งนี้ว่าทุ่งจำปานาแกเป็นทุ่งกว้างมากต้องใช้เวลาเดินหลายชั่วโมงคนแถบนี้กลัวกันนักเมื่อจะเดินข้ามทุ่งนี้มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมีร่มเงาพอสมควร ท่านบอกว่าแวะเข้าไปพักที่นี่ก่อนเถอะผู้เขียนรีบเดินไปก่อนไปจัดที่นำเอาอาสนะไปปูถวายให้ท่านนั่งสบายถวายน้ำดื่มเรียบร้อยแล้วท่านก็พูดว่าวิริยังเหนื่อยบอ่ไม่เหนื่อยเลยครับผู้เขียนตอบดีแล้วท่านว่าแต่การที่เธอมากับเราเนี่ยรู้สึกยังไงเป็นโชคชีวิตของกระผมที่สุดแล้วครับผู้เขียนตอบ แล้วเดินเธอตั้งใจอย่างไรท่านถามกระผมตั้งสติไว้ทุกระยะเลยครับเรารู้ว่าได้เดินมากับท่านที่ทรงคุณธรรมเออดีท่านว่าแล้วท่านเล่าว่าทุ่งจำปานาแกนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนในระแวกนี้และนาแถบนี้ไม่ค่อยจะเสียดีทุกๆปีแต่ระยะที่พวกเรามาเขาเก็บเกี่ยวกันหมดแล้วดูแตสังข้าวเป็นไรสั่งใหญ่ๆทั้งนั้น แสดงว่าเข้างามมากปีนี้ทำให้ผู้เขียนคิดในใจว่าท่านอาจารย์นอกจากท่านจะมีความรู้ในธรรมะแล้วงานชาวบ้านท่านก็ทราบเหมือนกันแสดงว่าแม้ท่านจะอยู่ที่ไหนท่านต้องศึกษาความเป็นอยู่ของท้องถิ่นนั้นๆมีใช่แต่จะก้มหน้าก้มตาสอนแต่การปฏิบัติธรรมอย่างเดียวต้องขออภัยในที่นี้ ที่จะกล่าวถึงขณะผู้เขียนได้ขออนุญาตเข้าป่าละเมะเพื่อถ่ายหนักเมื่อเสร็จกิจแล้วกลับออกมาทุกๆระยะที่ผู้เขียนเข้าไปถ่ายหนักแลกลับหาได้พ้นสายตาของท่านไม่เมื่อกลับมานั่งอยู่ใต้โคนไม้นั้นแล้วท่านจึงพูดว่าทำไมไม่เอาน้ำไปชำระที่นี่เป็นป่าหาน้ำยากกระผมผู้เขียนตอบเนี่ยแหละถือว่าผิดวินัย ท่านพูดและได้พูดต่อไปว่าการรักษาพระวินัยนั้นสำคัญบุคคลจะมาถือแลดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพากันปฏิบัติหลีกเลี่ยงพระวินยัยหาควรไม่ในที่นี้เป็นที่ธุระ ก, กันดารควรจะรับยกเว้นพระวินัยข้อนี้กระผมผู้เขียนตอบไม่มีการยกเว้นในเมื่ออยู่ในความสามารถท่านพูดและพูดต่อไปว่า ทั้งที่ลับและที่แจ้งก็ต้องรักษาพระธรรมวินัยถ้าผู้ใดมหาวิธีหลีกเลี่ยงพระธรรมวินัยแม้เล็กน้อยผู้นั้นชื่อว่าทำลายตนเองทาเอาผู้เขียนเสียวสันหลังขึ้นมาเลยเนี่ยก็นับว่าท่านอาจารย์มั่นได้สอนผู้เขียนทุกระยะเลยทีเดียวเหตุเช่นนี้ผู้เขียนนึกในใจว่าบุญของเราแท้แท้ที่ได้พระอาจารย์ผู้รับผิด ช, ชอบในตัวเรา แม้แต่ในเวลาไปถ่ายท่านยังไม่ทอดทิ้งยังดูแลตลอดทุกอิรยาบทถ้ามีอาจารย์อย่างนี้ไม่ได้ดีก็ไม่รู้จะไปได้ดีอย่างไรอีกแล้วต่อจากนั้นก็ออกจากร่มไม้เดินเข้าหนทางกันต่อไปมันเป็นทางที่ไม่ค่อยเปลี่ยวเท่าไหร่นักและขณะที่สิดกับอาจารย์ก็กำลังเดินอยู่ในเขตของอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม ถนทางนี้เป็นทางสัญจรของประชาชนแต่ก็ไม่มากนักนานๆจะพบคนและหมู่บ้านเป็นระยะถ้าผู้เขียนหัวนระลึกถึงทางที่เดินผ่านภูเขาดงพญาเย็นมาแล้วการเดินทางผ่านเข้าอำเภอนาแกนี้ก็ไม่มีความหมายแต่อย่างใดแต่ความหมายที่สำคัญที่สุดคือการเดินไปสองต่อสองกับพระอาจารย์มั่นซึ่งท่านจะทาความหมายให้แก่ผู้เขียนตลอดชีวิตและเมื่อเดินไป ท่านก็ถามอะไรหลายอย่างซึ่งถ้าจะเขียนให้หมดดูจะเลอะไปบางครั้งท่านก็ถามว่าวิริยังทำไมจึงบวชผู้เขียนก็ตอบว่าเพราะภาวนาเห็นทุกข์ใครสอนให้ครั้งแรกไม่มีครับทำยังไงจึงเป็นสมาธิเป็นขึ้นมาเองครับกระผมเป็นขึ้นมาได้อย่างไรวันหนึ่งเพื่อนกระผมชวนไปวัด ทั้งๆ ท, ท, ที่กระผมไม่อยากไปแล้ววัดนี้ท่านอาจารย์โกงมาเป็นสมภารอยู่กระผมได้เข้าไปแล้วไม่ทราบขนบรรมเนียมนั่งปนผู้หญิงอยู่อาจารย์โกงมาได้เรียกมานั่งอีกข้างหนึ่งใกลๆท่านขณะนั้นกระผมต้องเหงื่อแตกพระอึดอัดใจเพื่อนของกระผมอ่านหนังสือไม่ออกจึงไปต่อมนด้วยปากกับพระอาจารย์โกงมาต้องอยู่ถึงเที่ยงคืน กระผมก็กลับบ้านคนเดียวไม่ได้เพราะกลัวผีจําเป็นต้องอยู่อยู่ไปนั่งไปนึกในใจอย่างเดียวว่าตั้งแต่นี้ต่อไปไม่มาอีกแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปไม่มาอีกแล้วอย่างนี้ไม่ช้าเท่าไหร่ปรากฏว่าตัวของกระผมหายไปเลยเบาไปหมดขณะนั้นปรากฏว่ากระผมมีสองตัวกระผมตัวหนึ่งได้เดินออกจากร่างเดิมแล้วเดินลงศาลานั้นไป ขณะนั้นมองไปโดยรอบทิศไม่เห็นใครเลยแม้แต่อาจารย์คงเห็นแต่ร่างของกระผมนั่งอยู่เมื่อเดินไปได้ออกไปที่ลานวัดทางด้านตะวันออกแล้วก็ไปยืนอยู่ที่นั้นขณะนั้นมีลมชนิดหนึ่งพัดวิวเข้ามาสู่หัวใจรู้สึกเย็นเอาจริงจริงสบายบอกไม่ถูกในขณะนั้นถึงกับอุทานออกมาเองว่าคุณของพระพุทธศาสนามีถึงเพียงนี้เทียวหรือ ต่อจากนั้นปรากฏว่าเดินกลับมาที่เดิมและขึ้นสลาหลังนั้นมองไปโดยรอบไม่เห็นใครไม่แต่เพื่อนของผมคง ม, มองเห็นแต่ร่างของผมนั่งอยู่ผมมานึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะเข้าร่างเราได้เนาะทันใดนั้นผมก็รู้สึกตัวแต่เมื่อรู้สึกตัวขั้นแรกนั้นได้ยินเสียงก่อนเป็นเสียงของเพื่อนผมและพักพวกกำลังท่องสวดมนต์แต่ปรากฏเหมือนไกลลิบสุดกู แล้วเสียงนั้นก็ค่อยๆใกลเข้าใกลเข้าจนรู้สึกปกติก็พอดีเป็นเวลาเขาเลิกกันเที่ยงคืนกระผมอดไม่ไหวแม้จะกลัวท่านอาจารย์กงมาเราะเพิ่งจะเข้าวัดวันนี้เองแต่กระผมก็ต้องถามท่านอาจารย์กงมาว่ากระผมเป็นอะไรไปจึงดีอย่างนี้แล้วก็เล่าความเป็นจริงนั้นถวายท่านอาจารย์กงมาถึงตะลึงว่าเอ เด็กนี่เรายังไม่สอนสมาธิให้เลยทําไมมันจึงเกิดได้เร็วนักท่านจึงบอกกระผมว่าดีแล้วเธอเรายังไม่ได้หัดสมาธิให้เลยเป็นขึ้นมาก่อนแล้วและจงพยายามทําต่อไปเถิดเนี่แหละครับผู้เขียนเล่าถวายท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นก็ได้พูดว่ามันก็แม่นแล้วเธอมีความเป็นต่างๆมีบารมีพอสมควรมิฉะนั้นจะได้บวชหรือ วันนี้สองสิทธอาจารย์ก็เดินไปถึงบ้านนาโศกอำเภอนาแกมีวัดป่าอยู่วัดหนึ่งและที่แห่งนี้เมื่อหลายปีมาท่านเคยมาพักแต่ไม่เป็นวัดท่านได้พาผู้เขียนเข้ามาพักอยู่วัดนี้และก็เป็นความดีใจของสมภารเป็นอย่างยิ่งอุลีกุจอจัดการสถานที่พักทั้งญาติโยมเมื่อทราบขา่าวก็พากันมานมัส ก, การเป็นการใหญ่แม้ว่าท่านจะเหนื่อยจากการเดินทาง ท่านก็ยังแสดงธรรมและมีธรรมกถาต่างๆแก่ญาติโยมที่มาเยี่ยมกันจนดึกดื่นในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นมีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญถวายอาหารบิณฑบาตผู้เขียนยังจำได้ว่าได้ฉันน้ำมะพร้าวอ่อนอร่อยมากหลังจากฉันพัตนาหารเช้าแล้วสองสิอาจารย์ก็เดินทางกันต่อไปโดยมีโยมบ้องๆคนหนึ่ง เป็นผู้ช่วยเหลือบริขารและเป็นกัปปิยการกไปในตัวด้วยกัปิยะการกหรือกัปิยการกะคือผู้ปฏิบัติภิกษุในเรื่องปัจจัยสีผู้ทำของให้สมควรมีการหลายอย่างที่พระรมเองไม่ได้เช่นก่อไฟหุงต้มอาหารจับเงินทองต้องให้ลูกศิษย์ทำให้เป็นกัปปิยะการกหรือกปิยการกะ ขณะนี้กําลังเดินผ่านอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมท่านอาจารย์ได้พูดว่าระหว่างทาตะรายเจงเวงกับพระธาตุพนมนี้เป็นเขตแดนติดต่อของสองจังหวัดได้แก่จังหวัดสกล น, นครและจังหวัดนครพนมเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในภาคนี้มีความเชื่อกันว่านาไร่แถบนี้ไม่ค่อยจะเสียหายด้วยการแล้งน้ําหรือด้วยการน้ําท่วม ทำให้ชาวบ้านแถบนี้มีความเป็นอยู่ไม่แรนแค้นนักตามที่ผู้เขียนมักจะสังเกตคำพูดของท่านอาจารย์อยู่เสมอเสมอเพราะไม่ใช่แต่ฟังเท่านั้นจะต้องจดจําที่สำคัญสำคัญเอาไว้เล่าให้คนอื่นหรือสิทธิของเราฟังต่อไปครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนอกจากท่านจะพูดถึงเรื่องคนในย่านนี้แล้วท่านก็พูดต่อไปอีกว่าคนแถวแถวนี้สนใจในธรรมะดีพอสมควร ดูแต่เราพักกันอยู่ที่ไหนจะมีคนถือขันดอกไม้มาขึ้นธรรมธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับหมายความว่ามาเรียนกรรมฐานนั่นเองแต่คณะอาจารย์ก็มีหลายพวกจึงทําให้เขาต้องเรียนกันหลายวิธีทําให้เกิดความไขว้เข้กันมากผู้เขียนได้เรียนท่านว่าเราจะมารวมกันสอนกรรมฐานแบบเดียวกันเสียทั้งประเทศไทยจะไม่ดีหรือ เราะจะได้ไม่ควยเขวและจะได้ผลอย่างประเสริฐด้วยท่านตอบว่ามันเป็นไปไม่ได้ดอกเพราะอาจารย์กรรมฐานแต่ละองค์ก็ไม่ใช่หมดกิเลสนำเอาแต่ความเห็นของตนพยายามข่มผู้อื่นด้วยการสอนไปตามความเข้าใจของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความจริงถ้าจะไปเอาแบบคนอื่นก็กลัวว่าจะเสียเกียรติอะไรเีอย่างนั้นซึ่งเป็นทางเสียหายมาก การเดินทุดงครั้งนี้แม้จะไม่มาราธอนเหมือนกับที่ท่านอาจารย์กงมาพาเดินจากจังหวัดจันทบุรีถึงจังหวัดสกลนครก็ตามแต่ก็เป็นการเดินทุดงแบบสาธิตก็ตเพราะเดินทุดงไปแล้วได้ฝึกฝนจิตใจทั้งได้รับความรู้แปลกๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากการเดินทุดงครั้งนี้อย่างมากมายทําให้ผู้เขียนคิดว่าในชีวิตความเป็นพระภิกษุสามเณรของเรานี้ มันช่างมีการต่อสู้อย่างหนักหน่วงเอาจริงๆแต่ว่าเป็นการต่อสู้แบบนักรบที่ยืนหยัดอยู่บนอุดมคติจึงทำให้การต่อสู้นี้มีรสชาติขึ้นอย่างบอกไม่ถูกว่าถึงผลของการดำเนินไปของชีวิตดูเป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างน่าพอใจจะอย่างไรก็ตามขณะที่ผู้เขียนกำลังเดินตามหลังพระอาจารย์มั่นผู้เป็นปรมาจารย์ทางกรรมฐานอยู่ การเดินก็ไกลที่จะถึงองค์พระาธาตุพนมเข้าไปทุกขณะพระอาทิตย์กำลังจะคล้อยลงทุกทีทุกทีท่านอาจารย์มั่นจึงหันหน้ามาทางผู้เขียนแล้วพูดว่าวิริยังเรานอนกันที่นี่สักคืนเถอะจะจำวัดตรงไหนดีครับผู้เขียนถามโน่นอย่างไงกระตอบนาเขาเข้าไปดูซิว่ามันร้างหรือเปล่าท่านตอบ ผู้เขียนก็รีบเดินเข้าไปที่กระทอบนั้นเมื่อสังเกตดูแล้วไม่มีใครเพราะเขาร้างไว้กลับบ้านกันหมดเป็นกระท่อมนาผู้เขียนมารายงานให้ท่านทราบแล้วก็จัดแจงขนบริขารเข้าไปที่กระท่อมนาหลังนั้นจัดการปัดกวาดทำความสะอาดกางมุงกางกรดของท่านเสร็จแล้วผู้เขียนก็รีบจัดการหาน้าเพื่อถวายให้ท่านสงศ์ ขณะนั้นก็เป็นเวลาจวนข้าแล้วท่านใช้ให้ผู้เขียนกับอุบาสกคนบองบองนั้นไปจัดทางเดินจงกรมทําให้ผู้เขียนอุทานในใจว่ามีท่านเดินมาตั้งยี่สบกว่ากิโลเมตรทําไมหนอจะต้องมาเดินจงกรมอีกมันจะมิเกินไปหรือแต่เมื่อถูกคําสั่งแล้วก็ต้องทําตามแม้จะเป็นเวลาจวนมืดรีบเร่งเต็มที่ครึ่งชั่วโมงทุกอย่างเรียบร้อย ทันทีทางเรียบร้อยท่านเข้าทางเดินจงกรมผู้เขียนยังคิดอิดโรยอยู่ในใจว่าจะเดินหรือไม่เดินหนอจงกรมเนี่ยต้องเดินก็ท่านแก่กว่าเราเราแค่อายุยี่สิบสาตกลงเดินผู้เขียนนึกว่าท่านก็คงเดินสักประเดี๋ยวที่ไหนได้นานพอดูทำเอาผู้เขียนเดินจงกรมตัวเบาไปเลยจึงทำให้ได้ความคิดอย่างหนึ่งว่า ท่านอาจารย์มั่นท่านสอนเราเพื่อให้เรานำเอาตัวอย่างนี้ไปใช้เพราะการชำระ จ, จิตด้วยการเดินจงกรมนั้นโมหะครอบงายากการเดินมานเหนื่อยแล้วนั่งสมาธิโมหะครอบงาได้เร็วเนื่องจากเหน็ดเหนื่อยข้อนี้ผู้เขียนยังจดจำจนบัดนี้ถึงอย่างนั้นก็ไม่วายจะขี้เกียจเดินจงกรมแต่เมื่อนึกถึงตอนทุดงกับท่านอาจารย์มั่นแล้วขยันทุกที หลังจากเดินจงกรมแล้วผู้เขียนก็เรียบขึ้นไปจัดน้ำชาวไว้คอยท่านท่านก็ได้ขึ้นไปบนกระท่อมนาแล้วก็นั่งที่อาสนะที่ข้าพเจ้าได้จัดถวายตอนนี้รู้สึกว่าเงียบดีปราศจากคนที่จะเข้ามารบกวนมีอยู่คนเดียวก็บ้องบ้องไม่ใกล้เต็มบาทและแกก็ไม่มายุ่งอะไรกับเราและอาจารย์แกก็ไปนั่งอยู่ห่างๆไม่ได้สนใจอะไรกับพวกเราเลยแกเพียงคิดว่า จะแบกจะหาบเมื่อจะถึงเวลาเดินทางเมื่อไรเท่านั้นก็เป็นโอกาสดีของผู้เขียนที่จะได้เรียนถามถึงธรรมะต่างๆและข้อปฏิบัติอันที่คล่องใจวิสาสะอย่างเป็นกันเองแต่ก็อีกนั่นแหละโดยส่วนมากท่านจะอธิบายเสียก่อนเราถามเสมอในเมื่อเราคิดอยากจะรู้อะไรต่างๆเช่นคราวนี้ท่านพูดขึ้นว่าวิริยังคุณเคยเห็นไหม นักปฏิบัติกรรมฐานหรือพวกที่ทำสมาธิภาวนาคุยอวดตัวอวดตนถือมาณทิทิว่าดีกว่าผู้อื่นเข้าใจตัวเองผิดทำสมาธิเพื่อโอ้อวดแข่งดีทำสมาธิเพื่ออุบายกะโลบายต่างๆนา น, นาผู้เขียนตอบว่าเคยเห็นครับรู้สึกว่าพวกเราก็มีท่านพูดว่าก็นั่นสิทำอย่างไรจึงจะรู้ถึงว่าไม่เอาจิงเอาจัง ทำสมาธิเพื่อกโลบายท่านได้อธิบายต่อไปว่าผู้มีความหวังความเป็นใหญ่หวังเพื่อปฏิบัติโดยต้องการจะให้คนแห่แหนกันเข้ามาเป็นการออกอุบายเพื่อหาเหตุเหล่านี้ย่อมไม่บริสุทธิ์ทั้งตนและผู้อื่นเมื่อเวลาดึกเข้ามาแล้วท่านก็เอ็งหลังผู้เขียนก็ทำหน้าที่นวดตามปกติรุ่งเช้าออกบินทบาต สององค์ผู้เขียนและท่านอาจารย์มัน่นซึ่งก็เป็นบรรยากาศหาได้ยากในชีวิตของการมาอยู่กับท่านอาจารย์มั่นของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งคิดแล้วคิดอีกในใจของผู้เขียนถึงความเมตตาการุณาของท่านที่มีต่อผู้เขียนซึ่งมันทำให้เกิดความอุ่นใจและซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูกในบรรยากาศและความการุณาปราณีของท่านในเพราะเหตุนี้ มีหมู่บ้านอยู่บ้านหนึ่งชื่อบ้านต้องไม่ใหญ่นักพวกเราเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีการแตกตื่นอะไรเพราะพวกเขาก็ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์มั่นจะมีอะไรพิเศษพวกเราก็เข้าไปบิณฑบาตอย่างพระธรรมดาใส่บาตรกันตามปกติได้อาหารมาพอสมควรแล้วก็กลับมาอาหารก็นิดหน่อยพอฉันกับคารวาสหนึ่งคนไม่เหลือเป็นอันว่าหมดวันไป หลังจากฉันเสร็จวันนั้นท่านก็พาออกเดินทางต่อไปเพื่อไปที่พระาธาตุพนมเรานี้เดินตามทางรถยนต์เป็นทางลูกรังใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเศษก็ถึงพระาธาตุพนมท่านได้พาแวะภาคที่วัดอ้อมแก้วซึ่งเป็นวัดที่ท่านอาจารย์เสามาสร้างเอาไว้ไม่ไกลาจากพระาธาตุพนมเท่าไหร่นักเป็นวัดสงบสงัดดีวัดหนึ่งวันหนึ่งท่านได้พาผู้เขียน เปน็นมาส ก, การพระาธาตุพนมซึ่งไม่ไกลนักจากวัดนี้เป็นเวลาเย็นเดินสบายขณะที่กำลังไหว้นรมาส ก, การพระาธาตุพนมนั้นท่านได้พูดว่าเราเองหละที่มาสถาปนาพระาธาตุพนมแห่งนี้หลายสิบปีมาแล้วในสมัยที่เรามาครั้งนั้นยังไม่มีใครสนใจมีแต่ทวันปกคลุมอยู่และท่านได้พูดเสริมต่อไปว่า ที่นี้เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุผู้เขียนถามท่านว่าอุรังคธาตุคือธาตุอะไรก็ธาตุอกยังไงเล่าท่านตอบแล้วใครเป็นผู้นำพระบรมรธาตุนี้มาพระมหากรสปะท่านว่าตามนิทานว่าอย่างนั้นผู้เขียนได้ถามท่านว่าที่นี้จะชื่อว่าเป็นพระบรมธาตุจริงหรือไม่ก็จริงสิ มิฉนั้นเราจะมาจัดการสถาปนาขึ้นหรือท่านตอบก็ทำให้ผู้เขียนมั่นใจขึ้นมากในเมื่อได้รับคำตอบยืนยันเช่นนี้อยู่ที่วัดอ้อมแก้วนี้เป็นเวลาหลายวันมีแม่ชีคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทางใจดีมากผู้เขียนลืมชื่อเสียแล้วเป็นคนมีฐานะดีได้มาส่งอาหารเป็นประจำทุกวัน แลเธอก็ดีใจมากที่ท่านอาจารย์มั่นได้มาพักอยู่ที่วัดนี้เพราะเธอก็ถือว่าวัดนี้เป็นของเธออยู่แล้วผู้เขียนได้รับความอิ่มใจและปิติในใจอีกครั้งกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นแก่ผู้เขียนวันนั้นเป็นเวลาบ่ายแล้วขณะนั้นท่านก็กําลังให้ผู้เขียนบีบนวดถวายเป็นประจำเมื่อนวดเสร็จท่านได้เอามือจับฟันของท่านดึงออกมายื่นให้ผู้เขียน พูดว่าวิริยังจะเอาไหมผู้เขียนรีบรับทันทีว่าเอาครับรีบยกมือประนมเข้าไปรับเอาฟันซี่นั้นมาอย่างปีติอินดีเป็นอย่างยิ่งยวดและขณะที่ดึงฟันซี่นี้ออกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในปากของท่านเลือดแม้แต่หยดเดียวก็ไม่มีเป็นฟันหลุดออกมาแท้ๆและตั้งแต่บัดนั้นจนถึงมรณภาพก็ไม่ปรากฏว่ามีฟันหลุดออกมาอีกเลยแม้แต่ซี่เดียว จึงเป็นลาบอันประเสริฐของผู้เขียนที่ได้มีโชคได้รับมูลมรดกคือฟันซี่นี้ไม่ใช่คิดว่าจะเป็นการหลงวัตถุภายนอกโดยการไม่ใฝ่ใจในธรรมะซึ่งเป็นความประสงค์ในการมาอยู่กับท่านอาจารย์มัน่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็เท่ากับรางวัลอันเป็นอนุสติเพราะความระลึกถึงในส่วนของาธาตุขันอันนับเนื่องมาจากตัวของท่านผู้บริสุทธ ผู้เขียนยังเก็บฟันของท่านไว้จนถึงทุกวันนี้เป็นการระลึกถึงว่าสมัยหนึ่งเราได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิประการหนึ่งก็ทำให้ระลึกวาจาอันเป็นคำพูดอย่างเลึกซึ้งของธรรมะทั้งหลายที่ท่านได้เลือกจัดสรรมาให้เราได้ฟังกันนั้นมันยังฝังลึอกอยู่ในส่วนลึกของหัวใจพวกเราอย่างหนักแน่นว่าถึงผู้ที่ได้รับคุณธรรมตา ม, ตามเป็นจริง ถึงแม้ว่าฟันซี่นี้ของท่านจะพูดไม่ได้อีกแล้วเพราะไม่มีวิญญาณแต่ฟันซี่นี้ก็ยังมีผู้เขียนเป็นผู้ระลึกถึงคำพูดอันเป็นธรรมวิจิตของท่านอยู่ผู้หนึ่งทั้งยังเป็นผู้พูดแทนท่านอีกด้วยผู้เขียนต้องยอมรับอย่างเปิดอกว่าธรรมเทศนาที่ผู้เขียนใช้สอนพุทธบริษัทอยู่ทุกวันนี้ก็คือได้จำมาจากขี้ฟันของท่านอาจารย์มั่นมานั่นเอง ปันซี่นี้จึงมาทำอนุสติสำคัญนักแก่ผู้เขียนแม้ธรรมะต่างๆที่ผู้เขียนได้เกิดขึ้นจากปรีชาของตนเองก็ไม่ใช่ไม่มีมีเหมือนกันและก็ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลจากต้นคลังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครั้งหนึ่งผู้เขียนได้ไปประเทศสีร่อนคือสีลังกา ได้มีโอกาสไปที่จังหวัดแดนดีอันเป็นที่ประดิษฐานพระเคี้ยวแก้วผู้เขียนได้เข้าไปชมพระเคี้ยวแก้วครั้งนี้ด้วยการบังเอิญที่สุดขณะที่ผู้เขียนเดินเข้าไปที่ปราสาทอันเป็นที่ประดิษฐานพระเคี้ยวแก้วนั้นก็พอดีพระสังฆราชของลังกาประเทศนี้ได้เข้ามาพอดีมันเป็นวันพิเศษที่พระสังฆราชเสด็จมาผู้เขียนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพระองค์นี้เป็นพระสังฆราช ผู้เขียนก็เดินตามท่านไปมีพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกายืนรับอยู่สองฝากทางเดินเข้าผู้เขียนก็ชักเอใจว่าพระองค์นั้นคงเป็นพระสำคัญแต่ไหนไหนเราก็เดินตามท่านมาแล้วจะเอะอะไปอย่างไรตกระดาดปล่อยโจนเถอะเดินตามท่านเข้าไปโดยไม่ได้มีใครแม้แต่คนเดียวตามเข้าไปเลยมีแต่เจ้าหน้าที่ไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปเป็นลาดับ ถึงห้าหกชั้นข้าพเจ้าต้องตกใจและทึ่งใจอย่างยิ่งเมื่อเข้าไปถึงที่บรรจุพระเคีื่อแก้วเพราะภายในห้องนั้นมันช่างงดงามอะไรเช่นนี้และมีเครื่องทองเครื่องเพชรมากมายหลายอย่างเป็นมูลค่าเห็นจะไม่ต้องประมาณกันแล้วพระสังฆราชกับผู้เขียนยืนเคียงกันมีทหารยืนยามถือหอกปลายปืนอารักขาสองคน พระสังฆราชกับผู้เขียนพูดไม่รู้ภาษากันท่านได้ยื่นดอกไม้มาให้ผู้เขียนสองกำมือเพื่อทำพิธีบูชาข้าพเจ้ารับดอกไม้นั้นอย่างอ่อนน้อมเป็นพิเศษพระสังฆราชยิ้มและท่านก็โปรยดอกไม้ลงที่แท่นบูชาข้าพเจ้าก็โปรยดอกไม้ลงที่แท่นบูชาเหมือนกันท่านประนมมือกล่าวคาบูชาข้าพเจ้าก็ประนมมือกล่าวคาบูชาประมาณสิบนาที เวลาอนุรักษ์ใจของผู้เขียนได้เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้คือพระสังฆราชเปิดผะอกครอบพระเคียวแก้วแล้วส่งน้ำผู้เขียนได้เห็นอย่างถนัดชัดเจนลืมใจอีกแล้วว่าถึงใจของผู้เขียนนึกไม่เสียทีที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากประเทศไทยได้เห็นพระเคียวแก้วไหนว่าเป็นห่วงแหนของชาวลังกาเหลือเกินเก็บงากันอย่างดีกลัวหาย ไกลๆที่ไปจากต่างแดนยากนักจะเข้าชมถึงที่เช่นนี้ได้ผู้เขียนนึกในใจว่าแม่เราได้เข้าถึงหัวใจชาวลังกาแล้วได้เข้าชมถึงที่ขณะที่เปิดผอบครอบพระเกี้ยวแก้วนั้นเป็นประกายว่าแบแวบสีเขียวไม่ใหญ่เท่าไหรนักเพียงเท่านิ้วมือเท่านั้นเองแต่เป็นธรรมชาติที่สวยงามจริงๆไม่ทราบว่าผู้เขียนจะพัฒ น, นายอย่างไรถึงจะถูก พูดได้แต่เพียงว่างามและของประดับในสถานที่นั้นมีค่ายิ่งเท่านั้นเองผู้เขียนได้เดินตามหลังพระสังฆราชกลับออกมาพระภิกษุสามนเณรอุบาศกอุบาสิกายังยืนเป็นแถวรอรับกันอยู่มองมาที่ผู้เขียนเป็นสายตาเดียวกันคงนึกว่าเรานี้แปลกแท้ๆอยู่ๆก็มาตามเสด็จพระสังฆราชลังกาได้ตัวเบาแทบจะลอยอยู่แล้ว คนนำเที่ยวที่เป็นนักศึกษามาหาวิทยาลัยลังกาเป็นผู้พาผู้เขียนไปถึงกับตกตะลึงยืนคอยผู้เขียนอยู่ข้างนอกพอผู้เขียนกลับมากระโดดเข้าฉุดมือเป็นการใหญ่บอกข้าพเจ้าว่าทาไมคุณเข้าไปได้ผมรีบไปตามจะให้คุณกลับผมตามไม่ทันและทหารก็ไม่ให้ผมตามเข้าไปผมกลัวตำรวจจะจับคุณไปเรื่องจะยุ่งกันใหญ่ผมรับรองมาจากสถานทูตไทย จะให้ความปลอดภัยแก่คุณแม่ผมรออยู่ข้างนอกด้วยความไม่สบายใจเลยหมดเรื่องสำคัญไปเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนแทรกบทเข้ามาจึงต้องขออภัยผู้อ่านด้วยแล้วก็จะวกเข้าเรื่องที่ติดตามท่านอาจารย์มั่นต่อไป ตอนพระอาจารย์มั่นพาพระวิริยังไปทําศพพระอาจารย์เสาณวัดอ้อมแก้วนี้หลังจากผู้เขียนได้รับฟันอันเป็นรางวัลจากท่านอาจารย์มั่นในวันนั้นแล้วท่านก็ได้เล่าถึงความเป็นไปต่างๆของพระอาจารย์เสากันตัดศีลเทระให้ผู้เขียนฟังอย่างละเอียดทําให้ผู้เขียน ได้รู้จักกับความเป็นจริงท่านอาจารย์เสาผู้เป็นอาจารย์ของท่านหลายประการที่ผู้เขียนสะดุดใ จ, จอยู่อย่างหนึ่งคือท่านว่าพระอาจารย์เสานี้วาจาท่านศักดิ์สิทธิ์มากการแสดงธรรมก็ไม่แสดงมากคือวันหนึ่งศาลาการประเรียนของวัดชำรุดมานานวันนั้นท่านขึ้นแสดงธรรมบอกกับโยมทั้งหลายว่าศาลาเต็มทีแล้วสร้างกันให้ดีเสถิด เพียงเท่านี้ศาลานั้นก็ถูกสร้างขึ้นสําเร็จอย่างรวดเร็วหรือบางครั้งมีพระดื้ออยู่กับท่านท่านบอกว่าอย่าดื้อเลยเพียงเท่านี้พระนั้นก็ไม่ดื้อตลอดชีวิตแต่ว่าท่านอาจารย์สาวนี้นานๆท่านจึงจะพูดจึงทําให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในการพูดมากต่อจากพระาธาตุพนมนี้ก็จะมีการเดินทางไปจังหวัด อุบลราชธานีอันเป็นที่พระราชทานเพลิงศพอุบาสิกาได้มาขอประวารณาปัจจัยข้าวรถให้ขึ้นรถยนต์ไปที่จังหวัดอุบลผู้เขียนก็นึกในใจว่าท่านจะขึ้นรถหรือจะพาเดินเท้าอีกหนอในคราวนี้เช้าวันนั้นหลังจากบินทบาทมาแล้วท่านก็ได้บอกผู้เขียนว่าเวลาถวายพระราชทานเพลิงศพของพระอาจารย์เสาใกล้เข้ามาแล้ว เราจะเดินก็คงไม่ทันต้องขึ้นรถยนต์โดยสารไปซึ่งให้ผู้เขียนดีใจและเป้าใจที่ดีใจก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยถึงเร็วที่เป้าใจก็คือเราควรจะได้ทุดวงกับท่านอีกสักพักใหญ่แต่แล้วก็ไม่มีโอกาสและก็หมดโอกาสเพียงเท่านี้มาคิดอีกทีท่านสงเคราะห์เราเท่านี้จะไปเอาอะไรกับท่านอีกเล่า ขณะ น, นี้ท่านอายุก็เจบสี่แล้วหนทางจากนครพนมถึงอุบล น, นับเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรเมื่อได้เวลาของวันเดินทางท่านที่พาข้าพเจ้าขึ้นรถโดยสารออกจากอำเภอพระทาทพนมเป็นถนนลูกรังตั้งแต่เช้าถึงจังหวัดอุบลราชธานีตอนเย็นและพักที่วัดเลียบที่วัดเลียบนี่เองท่านเล่าว่า ท่านอยู่ที่นี้มานานทำความเพียรทางสมาธิได้ผลมากพร้อมกับบอกผู้เขียนว่าท่านอาจารย์สากันตาศีลเทระอยู่ที่นี้เป็นสิ ส, สิบปีเพราะในขณะนั้นสงบดีมากและท่านเจ้าคุณธรรมเจดีพันธุโลจูมอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีก็มาเป็นสามเณรอยู่กับเราที่วัดนี้เอง ก็นับว่าวัดเลียบนี้เป็นที่อยู่ของพระมหาเทระผู้ใหญ่หลายองค์แม้ขณะที่ท่านอาจารย์มั่นท่านบำเพ็ญความเพียรได้ทั้งนิมิตสมาธิในขั้นแรกก็คือวัดเลียบนี้เองผู้เขียนได้เดินดู ร, บรอบๆบบริเวณก็รู้สึกว่ามีความเป็นสัปพายะหลายประการน่าที่จะเป็นแหล่งทําความเพียรของผู้หวังความสงบได้เป็นอย่างดี เมื่อประชาชนได้ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นภูริทัตะเทระมาพักอยู่ที่วัดเลียบนี้ก็ได้พากันมานำวส ก, การท่านมากและมากขึ้นทุกวันมีอยู่วันหนึ่งเมื่อญาติโยมมาหลายคนก็อารัธนาท่านอาจารย์มั่นแสดงพระธรร ม, มเทศนาท่านก็ไม่ขัดข้องผู้เขียนก็ถือโอกาสนั่งฟังอย่างจดจ่อเพราะยังไม่เคยเห็นท่านแสดงธรรมแก่ญาติโยมมากอย่างนี้สักที มีแต่แสดงธรรมะแก่พระภิกษุสามเณรเริ่มการแสดงธรรมเทศนาท่านได้แสดงว่าบุคคลผู้ประพฤติตัวไม่ดีในพุทธพจน์ว่าตุวิชาโนปราภโวผู้รู้ชั่วทำตัวชิบหายเช่นเล่นไพ่กินเหล้าท่านแสดงว่าสุรานารีกิลาบัตเที่ยวผู้หญิงพวกนี้พากลล้มหลวงหมายความว่า เมื่อตัวไม่ทำงานยังใช้เวลาเล่นโดยไม่มีประโยชน์เสียเงินภาษีอากรของรัฐก็ขาดไปตั้งตัวของตนเป็นภัยต่อสังคมอย่างนี้เรียกว่าล่มหลวงถ้าทำกันมากขึ้นก็เป็นภาระหนักแก่หลวงคือรัฐบาลที่ว่าวันล่มหลวงวันฟูวันจมตามตำราหมอดูนั้นมันโบแม่นดอกท่านว่า วันไม่ได้ล่มหลวงไม่ฟูไม่จมตัวคนนี้ต่างหากที่ฟูที่จมที่ล่มหลวงขณะที่ผู้เขียนฟังท่านอยู่นั้นก็คิดในใจว่าท่านอาจารย์มั่นที่ท่านแสดงธรรมนี้ช่างมีคําคมน่าฟังจริงเราก็เพิ่งจะรู้ว่าวันล่มหลวงนั้นที่แท้ก็คือคนทําความชั่วล่มทั้งตัวทั้งรัฐบาลวันนี้เอง และมาเข้าใจว่าท่านอาจารย์มั่นไม่ได้สนับสนุนการเป็นหมอดูหรือการดูหมอโชคชะตาราศีต่างๆต่อมาสองสมวันท่านได้พาผู้เขียนไปพักที่วัดบูรพารามอันเป็นสถานที่ถวายพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์เสากันต์ศสีโลที่นี้เองได้มีพระเทรานุเทระบรรดาที่เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่น ได้มาประชุมกันมากแต่แม้จะมีพระภิกษุสามเณรมากนับจำนวนหลายร้อยรูปดูเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับไม่มีพระเนนเลยนาติจะลําำบากแก่เจ้าภาพผู้ทาการต้อนรับโดยสถานที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้นี่ไม่มีการลำบากอะไรเท่าไหรนักเพราะแต่ละองค์ที่ท่านมากันถือเหมือนกับมาสนองพระคุณของครูบาอาจารย์ไม่ต้องการให้ผู้ใดมาลาบากด้วย เมื่อมาถึงท่านก็จะเข้าไปดูต้นไม้ป่าไม้หลังวัดจัดแจงกางกรดทําที่นอนโดยมีผ้าปูนอนเอาตีนบาดเป็นหมอนพักกันไปทั่วบริเวณหลังวัดและต่างก็รับผิด ช, ชอบตัวเองทั้งน้ำช้น้ำฉันมีเครื่องใส่น้ำพร้อมสรร น, นำมาเองแบบทุดงมาจึงไม่ทำความรำคาญเดือดร้อนให้แก่ผู้เป็นเจ้าภาพจัดงานมีแต่มาช่วยทางานกันอย่างจริงจังไม่ต้องบอกต้องวาน เห็นว่าตรงไหนควรทำอะไรแล้วท่านได้ช่วยกันทำทุกอย่างน่าปลื้มใจผู้เขียนได้ออกอุทานอยู่ในใจและท่านเหล่านี้ก็ไม่ได้หวังประโยชน์จากงานศพถึงจะนิมนต์หรือไม่ไม่สำคัญในงานศพของพระอาจารย์สาวในคราวนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสพบกับพระอาจารย์ใหญ่ ห, ญ ห, ญหลายองค์ด้วยกันนับเป็นบุญตาเป็นอย่างยิ่ง ขพเจ้าได้เกิดความเลื่อมใสในใจอย่างประหลาดเพราะแต่ละองค์นั้นมีความสงา่าและเหมือนกับซ่อนความลึกลับแห่งความดีอะไรๆมากทีเดียวเมื่องานพระราชทานเพลิงศพใกล้เข้ามาท่านพระเทระผู้ใหญ่บรรดาที่เป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์ทั้งสองก็ยิ่งทยอยกันเข้ามามากมายจำนวนหลายร้อยองค์ดูก็เป็นการประชุมพิเศษทุกๆองค์ที่เข้ามาต่างก็มีความเคารพ อาจารย์มั่นภูริรทัตเตระเป็นพิเศษโดยเฉพาะตอนกลางคืนเวลาว่างจะมารวมประชุมขอฟังโอวาทพิเศษและพระอาจารย์มั่นก็ได้แสดงธรรมให้แก่ท่านเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่ใช่งานศพเหมือนกับจะประชุมสังคยนาธรรมหรือเป็นแหล่งอบรมธรรมะชันพระปรมาจารย์ไปทีเดียว นี่เองทำให้ผู้เขียนมารำลึกถึงงานพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้ว่าการทำศพให้เป็นประโยชน์และก็เป็นประโยชน์จริงๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากเป็นการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนปรับปรุงความคิดเห็นในการปฏิบัติธรรมเอาเพียงศพเป็นเหตุเท่านั้นแต่ถือการประชุมมีความสาคัญกว่า แม้คําพูดและคําให้โอวาดของพระอาจารย์มั่นที่ท่านแสดงออกมานั้นมีข้อความเน้นหนักไปในทางให้รักษาข้อปฏิบัติปฏิปทาเดิมทั้งสิน้นและแสดงเพื่อให้อาจหารเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติที่ได้กระทํามาแล้วนั้นถูกต้องแล้วนี่เองผู้เขียนเห็นว่าการทําศพที่มีประโยชน์เพราะการจะมาประชุมเช่นนี้นานนัก จะมีการประชุมกันขึ้นได้เพราะแต่ละองค์นั้นมีใช่อยู่ที่เดียวกันต่างองค์ต่างก็ไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆและเป็นทินธุรกันดานในถ้ำภูเขาเป็นส่วนมากการที่จะติดต่อพบกันได้จึงลำบากมากครั้งนี้ถือเอาศพของพระอาจารย์เสาเป็นเหตุได้มาประชุมอันเป็นมหาสรนิบาตนับว่าเป็นบุญตาของผู้พบเห็นจริงๆ บรรยากาศตอนหนึ่งที่ผู้เขียนต้องจดจำและทราบซึ้งในใจคือในวันนั้นเป็นรายการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระณสาลาวัดบูรพาเมื่อพระภิกษุสมเณรอุบาสกอุบาสิกาได้ทราบข่าวได้พากันมาประชุมในวันนั้นพอสมควรผิดคาดที่ผู้เขียนคิดว่าชาวเมืองอุบลคงจะลามไหลามาฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่น ส่วนพระภิกษุสมเณร น, นั้นก็อยู่ประจำอยู่แล้วจึงมากไปด้วยพระเนนที่ตั้งใจฟังธรรมพระธรรมเทศนาแสดงผ่านไมโครโฟนเครื่องขยายเสียงเสียงพระธรรมเทศนาจึงดังไปทั่วบริเวณวัดทุกๆคนที่อยู่ในบริเวณนี้ถ้าตั้งใจฟังก็ได้ยินหมดการแสดงธรรมเทศนาในวันนี้ใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงนานพอดูทีเดียว การแสดงธรรมเทศนาในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นการแสดงธรรมการปฏิบัติกรรมฐานโดยตรงและประมัาธนายเพราะพอเริ่มต้นท่านก็แสดงว่าธรรมนั้นอย่าพึ่งเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของเรานี่เองที่ว่าอยู่ในคัมภีร์ใบลานนั้นไม่ใช่เพราะนั่นเพียงใบไม้ก็เอามาจ่ารึกว่าอยู่ในวัดก็ไม่ใช่ นั่นคือที่อยู่ของหมู่สงว่าอยู่บนอากาศป่าไม้ก็ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวของคนเรานี่เองรูปธรรมนามธรรมอยู่ในเล่านั่นแหละคือธรรมะในตัวของเรานี้มีหมดพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ก็อยู่ในตัวของเรา พระธรรม 84,000 พันพระธรรมอคัญก็อยู่ในตัวของเราจึงเมื่อใครต้องการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็มาปฏิบัติในตัวเราท่านเดีกล่าวคาถาว่าอคังฐานังมนุษย์เสสุมักคังสัตตะวิสุทธิยามนุษย์เป็นผู้ประเสริฐสามารถทำให้แจ้งได้ซึ่งมักผลนิพพาน จากนั้นท่านก็อธิบายถึงผู้ปฏิบัติที่หลงอยู่ในสมถะคือหลงอยู่ในฌานท่านว่าสมาธิหัวต่อหมายความว่ามันไม่งอกเหื่อยขึ้นเพราะมัวหลงแต่ความสุขโดยมากไม่รู้หนทางที่แน่นอนจึงถือเอาความสุขของฌานเป็นใหญ่เพราะสบายดีแต่ไม่พ้นทุกข์และท่านก็อธิบายว่าการดำเนินมหาสติปัฏฐาน มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นพิจารณาถึงอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงทุกขลักษณะคือความเป็นทุกขอนัตตลักษณะคือความไม่เป็นตัวตนให้เห็นจริงขึ้นภายในจิตนั้นจิตนั้นก็จะดาเนินเข้าสู่อริยสัจจะเข้าสู่อ ง, งค์มรรคในที่สุด ผู้เขียนได้ฟังแล้วจับใจเป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านการฟังธรรมเทศนาแบบนี้มาตลอดพรรษาที่แล้วที่ได้มาพบและจำพรรษาอยู่กับท่านแต่ข้าพเจ้าสังเกตดูผู้ฟังบางท่านจักง ง, งงอย่างไรไม่ทราบคงจะไม่ใกล้จะเข้าใจเท่าไหร่เป็นอันว่าธรรมเทศนาผ่านไปสองกันตั้งแต่ท่านได้เยี่ยมเข้ามาจังหวัดอุบล และถือได้ว่าเป็นการมาครั้งสุดท้ายของท่านอาจารย์มัน่นข้าพเจ้ายังแปลกใจหนักหนาว่าทำไมชาวจังหวัดอุบลในครั้งนั้นจึงไม่มีความกระตือรือร้นในอันที่จะเข้ามานมัสการไต่ถามอัตถธรรมหรือข้อปฏิบัติในทางด้านจิตใจกับท่านอาจารย์ใหญ่มัน่นภูริทัตเตราเพราะทุกผลทุกแห่งที่ท่านไปผู้คนจะลามไหลเป็นนมัสการทำบุญทานต่าง ตลอดถึงขอฟังธรรมเทศนาและทุกทุกคนก็ได้รับการโปรดปรานธรรมเทศนาหรือสัมโมทนิยกถาพอใจไปตามๆกันตอนพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์เสากันตะศีลเทระ ในขณะนี้การกำหนดพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์เสาก็ใกล้เข้ามาทุกขณะพระเทระผู้ใหญ่ทุกฝ่ายก็ได้หลั่งไหลเข้ามามากขึ้นพระเทระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสะปทุมกรุงเทพมหานครเป็นนักปฏิบัติในอดีตร่วมกับท่านอาจารย์มั่นทุดงร่วมกันแต่ถูกแต่งตั้งเป็นสมภารวัดสะปทุมเลยหยุดการทุดงแค่นั้นท่านผู้นั้นคือ เจ้าคุณปัญญาพิสาเทระในวงเล็บหนูเป็นอุปชาของผู้เขียนเองท่านเจ้าคุณองค์นี้เมื่อมาถึงได้ขอสิทธิพิเศษเข้าไปในห้องและไม่มีใครเข้าไปด้วยไปสนทนากับพระอาจารย์มั่นเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงทาเอาผู้เขียนชักจะสงสัยว่าท่านได้สนทนาเรื่องอะไรกันถึงได้นานอย่างนี้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจขึ้นภายหลัง ึงได้ถามท่านอาจารย์มั่นว่าท่านเจ้าคุณอุปชาพูดเรื่องอะไรกับท่านอาจารย์ได้รับคำบอกเล่าว่าท่านได้ถามเรื่องการปฏิบัติทางใจแม้ท่านจะไม่ได้ออกทุดงอยู่ที่กรุงเทพวัด ส, สะระปทุมท่านก็บำเพ็ญกรรมฐานอยู่ทุกๆวันการปฏิบัติจิตนั้นก็ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจที่ได้ถามกันอยู่นานนั้นคือการเคลียร์ถึงการปฏิบัติที่ผ่านมา ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรการปฏิบัติจิตได้เป็นทางที่ถูกต้องหรือไม่เป็นอันผู้เขียนหมดความสงสัยพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรพระเทระผู้ใหญ่องค์หนึ่งก็ได้มาประชุมและประชุมพิเศษคือมาร่วมฉันกับพระอาจารย์มั่นที่กุติทุกวันนอกจากนั้นยังได้วิสาสะกับท่านอาจารย์มั่นอย่างใกล้ชิด ในระยะนี้พระอาจารย์ฟั่นอยู่วัดป่าสัทธารามในจังหวัดนครราชสีมาได้จากพระอาจารย์มั่นไปเป็นเวลานานแล้วเมื่อได้มาพบกับท่านอาจารย์มั่นก็ทาให้ท่านได้สากัจฉาธรรมอันเป็นส่วนแห่งการปฏิบัติเป็นพิเศษผู้เขียนเข้าใจว่าท่านต้องมีการแนะนำที่พิเศษจริงๆเพราะหลังจากงานศพนี้แล้วท่านอาจารย์ฟั่น ก็ได้จากจังหวัดนครราชสีมามาอยู่กับท่านอาจารย์มั่นที่จังหวัดสกล น, นครโดยทิ้งจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท่านก็อยู่เป็นเวลาร่วมยี่สิบปีในขณะนั้นพระอาจารย์ใหญ่ๆ ห, หรือพระเทระผู้ใหญ่ของฝ่ายกรรมฐานอันนับเนื่องด้วยความเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นต่างก็ได้ทยอยกันเข้ามาอยู่ให้ใกล้กับท่านอาจารย์มั่นเป็นส่วนมาก ทั้งนี้ก็เป็นความประสงค์ของพระอาจารย์มั่นเหมือนกันเพราะท่านต้องการจะปรับปรุงข้อปฏิบัติปฏิปทาหลายประการเนื่องจากท่านได้จากสิทธิ์ทางภาคอีสานไปอยู่ภาคเหนือเป็นเวลาถึง12ปีในงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์เสาคราวนี้จึงเป็นการประชุมสิทธิ์ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยของพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่น และเป็นโอกาสอันสำคัญของท่านทั้งหลายที่จะได้ฟังธรรมเทศนาอันเป็นที่วิจิตลึกซึ้งของพระอาจารย์มั่นด้วยวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถพระเทรานุเทระมาในงานประชุมกันเพื่อทำอุโบสถสังฆกรรมวันนั้นประชุมกันเต็มโบสถผู้เขียนไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนมากทำให้คิดว่าลูกศิษย์พระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่นมีมาก แต่ละท่านส่งคุณอาวุฒหน้าเกรงขามก็พอดีท่านอาจารย์มั่นได้สั่งให้ผู้เขียนสวดปาติโมกในวันนี้ผู้เขียนไม่ขัดข้องเพราะการสวดปาติโมกผู้เขียนถือว่าเป็นกุศลอันประเสริฐตั้งใจท่องปาติโมกตั้งแต่บวชเป็นสามเณรปีแรกและได้ไปฝึกวิธีสวดกับพระอาจารย์มหาปินปัญญาพโลน้องชายพระอาจารย์สิงกันตยาขโม ขณะนั้นท่านอยู่ที่วัดป่าทรงคุณจังหวัดปราจีนบุรีผู้เขียนรับบัญชาสวดปฏิโมกข์ในวันนั้นก็รู้สึกครั่นคร้ามไม่น้อยเลยเพราะแต่ละองค์ที่ประชุมใหญ่โตกันทั้งนั้นแต่การสวดของผู้เขียนก็เป็นไปตามปกติและได้สวดได้ดีเป็นพิเศษตั้งแต่ต้นจนจบไม่ติดขัดเลยมีเพียงสองครั้งเท่านั้นที่ถูกทักขึ้น เมื่อจบปาติโมกเป็นโอกาสที่จะได้ฟังโอวาทของพระเทระผู้เป็นหัวหน้านี้เป็นธรรมเนียมของคณะกรรมฐานครั้งนี้พระอาจารย์มั่นเป็นพระเทระผู้เป็นหัวหน้าและพระเทรานุเทระเหล่านั้นก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องการจะฟังโอวาทจากท่านอาจารย์มั่นภูริทตะเทระเป็นอันสมใจแก่พระเทรานุเทระทั้งปวงในวันนั้น พระอาจารย์มั่นได้ให้โอวาทเป็นใจความว่าข้อปฏิบัติจะให้การปฏิบัติก้าวหน้านั้นต้องเป็นไปทั้งภายนอกและภายในภายนอกนั้นคือความวิเวกหาที่วิเวกปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆที่อยู่ในป่าถ้าเป็นต้นอย่าไปโฆษณาหาให้คนมาพบหรือวุ่นวายให้มากอย่าเอาความวิเวกเป็นการอวดอ้าง เมื่อจะอยู่วิเวกอย่าหาเครื่องกังวลเช่นการก่อสร้างอะไรต่างๆให้คนหลั่งไหลเข้ามาอย่าอยู่เป็นที่เพราะการอยู่เป็นที่ทาความกังวลการปฏิบัติภายนอกอีกคือข้อปฏิบัติได้แก่ทุดงทุดงเป็นเครื่องขัดเกลวกิเลสที่พระพุทธองค์แสดงไว้13ข้อเลือกถือเอาที่เหมาะแกะ่ทยาัย เช่นการชันในบาตการชันขนเดียวการบินทบาทการถือผ้าเฉพาะสามผืนการอยู่ป่าการอยู่โขนต้นไม้การเยี่ยมป่าช้าเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติภายนอกที่จะต้องทําเพราะเป็นอุปกรณ์เพื่อให้เกิดการขัดเกลากิเลสแต่ถ้าหากไม่ทําก็จะเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือเกิดความสงบได้ยากปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริม ใการปฏิบัติทางใจเจริญงอกงามภายในนั้นได้แก่การดำเนินจิตต้องดำเนินทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานความสงบของใจโดยการฝึกตามอัธยาศัยทำจิตให้ปราศจากอารมณ์มีความตั้งมั่นอยู่ได้มีสติเป็นเครื่องควบคุมอยู่ มีความเยือกเย็นสบายนั่งนานก็ไม่เหนื่อยการฝึกที่เป็นเช่นนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานพึงเข้าใจว่าสมถะนี้ถ้าผู้ใดมาติดอยู่จะทําให้เกิดความงมงายได้เช่นพวกฤาษีชีไพรสมัยครั้งพุทธกาลมัวแต่หลงอยู่ในฌานเป็นรูปฌานอรูปฌานเข้าใจว่าตนได้บรรลุพระนิพพาน แตหาได้บรรลุไม่เพราะเพียงแค่สมถะเท่านั้นจะบรรลุไม่ได้ในตอนนี้พระอาจารย์มัน่นท่านได้ย้ำถึงวิปัสสนาอย่างหนักหน่วงท่านได้แสดงต่อไปว่าการพิจารณาตามความเป็นจริงคือการไม่อยู่นิ่งของใจที่ได้รับการอบรมจนแข็งแกร่งด้วยสมถะแล้วยกจิตขึ้นพิจารณา ตามอย่างของท่านปัญจะวคีคือพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามรูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจนเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายสามารถดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงได้นับเป็นการแสดงธรรมให้โอวาดแก่พระภิกษุสมเนรที่ทำปฏิโมกเสร็จในวันนั้น ให้เกิดความเข้าใจอะไรหลายอย่างซึ่งผู้เขียนได้บันทึกไว้แต่เพียงเนื้อความเล็กน้อยเท่านั้นสังเกตเห็นพระเทรานุเทระที่ประชุมก็พออกพอใจเป็นอย่างยิ่งตอนพระอาจารย์มั่นพาพระวิริยัง ไปถวายพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์เสาความกระตันยูกะตาเวทียอมแสดงออกซึ่งน้ำใจของสัตว์บุรุษมาแล้วทุกยุคทุกสมัยพระอาจารย์มั่นแม้ท่านจะได้ทุดงฝ่าป่าดงพงพีบำเพ็ญตบะธรรมมาแล้วอย่างหนักจนเกิดผลทางใจแนะนำสิทธิานุสิ์อย่างกว้างขวางและได้รับผลอย่างสูงแล้ว ท่านก็ยังได้พยายามเดินทางไปเพื่อจะถวายพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์เสาผู้เป็นพระอาจารย์ของท่านแม้การเดินทางครั้งนี้จะลำบากสักเพียงใดซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างอันดีแก่พวกเราซึ่งบางครั้งอาจคิดว่างานศพไม่สำคัญเพราะงานศพนั้นเป็นการแสดงถึงกตัอยู่กตเวทีได้อย่างดีข้าพเจ้าได้อยู่อุปถากท่านอาจารย์มัน ที่งานพระราชทานเพลิงศพของพระอาจารย์เสาครั้งนี้ได้พบกับพระเทรานุเทระเป็นจานวนมากและท่านเหล่านั้นก็ได้แสดงออกซึ่งความอดทนอย่างยิ่งในการมาร่วมงานคราวนี้เพราะในงานไม่มีการต้อนรับหรือการเลี้ยงดูพิเศษอันใดทุกๆองค์ที่มาช่วยตนเองทั้งนั้นทั้งการฉันและที่อยู่ต่างก็เข้าหาโคนต้นไม้ตามมีตามได้ ข้าพเจ้าได้ตระเวนดูทั่วไปท่านใช้เชิงบาดเป็นหมอนหนุนศีรษะใช้ผ้าอาบน้าฝนปูนอนภาชนะใส่น้ำของท่านมีกระติกที่ทำเองติดตัวมาทุกท่านกลดเป็นกุติท่านได้กางกลดมีมุ้งในตัวเมื่อถึงคราวจะต้องช่วยงานท่านก็จะออกจากกลดมาที่ทำงานเมื่อถึงคราวสวดหรือเทศเป็นต้น ทุกๆองค์ก็ทราบดีว่าจะทำอะไรท่านก็ออกมาตามหมายกำหนดการที่ไม่ต้องมีตัวหนังสือข้าพเจ้าหวนระลึกถึงงานที่เป็นกันเองเช่นนี้ก็อัศจรรย์ใจอยู่มากพระเทรานุเถระเหล่านี้มาด้วยศรัทธาไม่ต้องนิมนต์ถือว่าเป็นงานอาจารย์ของตนก็มาด้วยความจงรักภักดีโดยเหตุนี้ทางเจ้าภาพหรือผู้จัดงานจึงต้องไม่มีการหนักใจอยู่เลย เพราะไม่ต้องลงทุนค่าภาหนะของพระและค่าเลี้ยงดูค่าถวายปัจจัยสี่ซึ่งถ้าหากงานใหญ่ๆมีพระจำนวนถึงสี่ห้ารอยอย่างนี้จะต้องมีการใช้จ่ายหลายหมื่นบาทแต่งานนี้ไม่ต้องใช้จ่ายเลยจึงน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนผู้บำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ที่ล่วงลับเพราะบางรายมีถึงคนตายขายคนเป็นแต่บางรายกลับเอาคนตายขายกิน ด้วยวิธีการต่างๆเช่นพระผู้ตายมีชื่อเสียงคนนับถือมากก็ใช้ศพนั้นเป็นนากินกันอยู่ไม่รู้จบดูๆแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอาเนจอนาจใจตายแล้วก็ยังมาทำอะไรต่อมีอะไรอีกจนเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นอยู่มาวันหนึ่งมีพระอาจารย์องค์หนึ่งเข้ามาถามถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินธุ ด, ดงค์ว่า จะปฏิบัติด้วยวิธีใดจึงจะเป็นการถูกต้องพระอาจารย์องค์นั้นได้เน้นว่าผมเห็นพระทุดงที่ไปปักกลดตามที่ชุมงุมชนหรือทุดงไปไหว้พระเจดีย์พระพุทธบาทบางกลดจึงกับเขียนประกาศติดไว้ที่มุงกลดว่ามีของดีใครต้องการให้มารับพระอาจารย์มั่นได้ให้คำตอบและอธิบายเรื่องนี้ให้พระองค์นั้นฟังอย่างแจ่มแจ้ง โดยใจความว่าการทุดงนั้นมุ่งหมายเพื่อถ่ายถอนกิเลสกาจัดกิเลสการที่ออกทุดงโดยการโฆษณาหรือประกาศโฆษณาว่าจะออกไปทางน้นทางนี้โดยต้องการว่าจะให้คนไปหามากๆนั้นไม่ชื่อว่าเป็นการถูกต้องทุดงก็แปลว่าขุนเครื่องกำจัดความอยากมีการฉันหนเดียวฉันในบาศไม่มีภาชนะอื่น การบินทบาทการอยู่โคนต้นไม้การอยู่ในป่าการปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทุดงเช่นการฉันหนเดียวเป็นการตัดความอยากที่จะต้องการฉันอย่างโน้นอย่างนี้เมื่อฉันแล้วก็เล้ากันในวันนั้นตัดการกังวลทั้งปวงหรือเช่นการฉันในบาตรก็ไม่ต้องคิดถึงรสชาติหรือต้องหาภาชนะให้เป็นการกังวลที่จะคิดว่าจะแบ่งกับข้าวและข้าวไม่ต่างกัน เพื่อหารสชาตแิแปลกต่างๆรวมกันหมดในบาดเป็นการขจัดความอยากอย่างหนึ่งหรือเช่นการไปอยู่ในป่าที่ไกลาจากบ้านพอควรหรือในถ้ำภูเขานี้ก็เป็นการหาสถานที่บาเพ็ญกรรมฐานสแสวงหาความสงบเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมการสแสวงหาแหล่งที่เป็นป่าภูเขาหรือถ้ำนี้ต้องหาสถานที่ที่เป็นสปายะเหมาะแก่การบาเพ็ญสมณกิจ สมณธรรมจริงอย่าไปหาถ้ำภูเขาที่ประชาชนไปกันมากเป็นการผิดเพราะไม่เป็นการดำเนินทุดงหรือจะไปสแสวงหาแหล่งที่เป็นภูเขาถ้ำที่เป็นแหล่งเหมาะแก่การที่ประชาชนจะไปให้มากและอยู่นานๆจนประชาชนรู้จักแล้วก็จัดการก่อสร้างถาวรวัตถุให้เป็นที่จูงใจนักท่องเที่ยวมินาซ้ายังมีการชักชวนประชาชน ให้มาดูมาชมเขาไม่มาก็ไปหาเขาเขามาก็ตอนรับด้วยวิธีการต่างๆจนประชาชนติดใจชักชวนกันมาพระทุดงเหล่านั้นกลับดีใจว่าประชาชนขึ้นตัวมากไม่พยายามที่จะคิดหนีหรือไปหาวิเวกทางอื่นอีกบางแห่งทำสถานที่โออายิ่งกว่าในบ้านในเมืองเขาเสียอีกอย่างนี้ เมื่อพระอาจารย์มั่นได้พันนาถึงความเป็นเช่นนี้เกี่ยวกับการทุดงท่านจึงให้หลีกจากความเป็นดังกล่าวเสียเมื่ออยู่นานจะเป็นการเคยชินแล้วก็พยายามหาหนทางไปทางอื่นเมื่อรู้ว่ามีคนมามากก็รีบหลีกเลี่ยงไปเสียการทุดดงจึงจะถูกและเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสได้จริงเมื่อจะอยู่ที่ใดอันเป็นแหล่งของการวิเวกสงบสงัดแล้ว ก็พึงอยู่ที่นั่นแล้วบาเพ็ญประโยชน์แก่ตนยิงสงบเท่าใดยิ่งดียิ่งปราศจากผู้คนเท่าไรยิ่งดียิ่งอยู่ในดงสัตว์ร้ายเท่าไรยิ่งดีและพยายามอย่าอยู่แห่งเดียวเปลี่ยนที่อยู่เสมอเสมอเพื่อแก้ความเคยชินต่อสถานที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเตือนหนักเตือนหนาว่าอย่าเอาการอยู่ป่าอยู่บนภูเขาอยู่ในถ้ำ เป็นเครื่องมือโฆษณาเป็นอันขาดเพราะการทำเช่นนั้นเป็นการทำให้คนแตกตื่นเพราะคนชอบแตกตื่นกันอยู่แล้วเพราะเห็นของแปลกเข้าก็เลยแตกตื่นกันใหญ่หากทำเช่นนั้นถือว่าเป็นการปลอมแปลงการถือทุดงจะไม่ได้รับผลจากการรักษาปฏิบัติทุดงตามความมุ่งหมาย เมื่อพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์เสากันตาสีโลได้ผ่านไปด้วยดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการหลังจากนั้นพระเถรานุเทระทั้งหมดก็จะมาร่วมประชุมกันเพื่อถวายสักการะแก่พระอาจารย์มั่นภูริตตะเทระซึ่งขณะนั้นท่านเป็นพระผู้ใหญ่และเป็นประธานการถวายสักการะคณะปฏิบัติถือว่าเป็นการทาวัด เพรนานแล้วไม่ได้พบกับท่านอาจารย์มั่นเมื่อมีโอกาสได้มาพบเช่นนี้จึงถือโอกาสทำวัดท่านพร้อมกันนี่จึงเป็นธรรมเนียมของพระกรรมฐานสายนี้คือเมื่อพบกับพระเทระผู้ทรงคุณวุฒิเคารพนับถือแล้วจะต้องถวายสักการะในโอกาสที่ถวายสักการะพระเทระองค์นั้นก็จะถือโอกาสให้โอวาดเป็นทํานองตักเตือนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมต่างๆ นับว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมดีมากแม้ขณะนี้พระเทรานุเทระก็ได้มาทําวัดท่านอาจารย์มั่นกันอย่างพร้อมเพรียงข้าพเจ้าได้เห็นภาพที่น่าเลื่อมใสจริงๆเพราะพระเทระที่มาประชุมกันนั้นส่วนมากเป็นพระผู้ใหญ่กันทั้งนั้นเป็นชั้นพระอาจารย์ขณะนั้นผู้เขียนอายุเพียง23ปีเท่านั้น เมื่อมาเห็นพระเทระชั้นคร่ำคร่ำและเป็นอาจารย์นักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้ผู้เขียนดื่มดำในความล้ำเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นภาพเหตุการณ์ของวันนี้มันน่าจะบันทึกไว้ด้วยการถ่ายทำภาพยนตร์หรือด้วยภาพนิ่งหรือด้วยภาพวาดอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแต่ภาพนี้ก็ปรากฏเป็นเพียงมโนภาพของผู้เขียนเท่านั้นเป็นที่น่าเสีย ด, ดายเป็นอย่างยิ่งแต่ถึงจะเป็นมโนภาพของผู้เขียน ก็ยังดีอยู่ที่ยังมีการถ่ายทอดออกมาจากใจมาเขียนให้ผู้อ่านทั้งหลายมาช่วยกันวาดมโนภาพเอาเองก็อาจจะทำให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาได้บ้างผู้เขียนจึงขอบันทึกความจํานำลงมาเป็นหลักฐานไว้กับหนังสือฉบับนี้เป็นคำเตือนขั้นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่นแก่บรรดาพระเทรานุเทระสิทยานุสิตทั้งหลาย ที่มาร่วมประชุมหลังจากการพระราชทานเพลิงศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วและจะได้มีการอำลาจากกันไปคนละทิศคนละทางซึ่งอาจจะได้พบกันยากนักเมื่อไม่มีเหตุขณะที่ประชุมกราบลาท่านได้เตือนว่าทุกรูปทุกองค์อย่าพากันประมาทเลยจงพากันคิดว่าการมาทำศพนั้นคือการสอนตัวของเราเอง นำเอาศพเป็นสักขีพยานว่าความตายเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านอาจารย์มั่นท่านเสริมว่าปัจจุบันบางคนพากันเข้าใจผิดว่าเวลาคนตายนิมนพระมาสวดอภิธรรมมาติกาบางสุกุลเข้าใจผิดว่าสวดให้คนตายบางคนก็ไปเคาะโลงบอกว่าพระสวดแล้วนี่เป็นการเข้าใจผิดอย่างมาก ความจริงนั้นการสวดของพระขณะที่มีศพท่านต้องการให้ผู้ฟังปลงธรรมสังเวทคือเอาคนตายเป็นสักขีพยานว่านี่ยังไงศพจะได้นึกถึงตัวของเราว่าจะต้องตายท่านอาจารย์มันท่านได้เล่าเรื่องบุพกรรมของท่านพระยาสะกุลบุตรว่าในอดีตชาติท่านพระยาสะกับสหายทั้งห้าสิบี่คน ได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลเกี่ยวกับงานศพเมื่อมีการตายโดยไม่มีญาติหรือเรียกกันว่าผีไม่มีญาติท่านกับสหายจะไปตามเก็บเอาศพเอามาทำชาปนากิจให้หมดโดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใดอยู่มาวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งได้ตายลงโดยฉับพลันด้วยโรคปัจจุบันเนื้อหนังมังสายัางเอือมละอ อ, อยู่ท่านพร้อมกับสหาย เมื่อทราบข่าวก็รีบไป น, นำศพนั้นมาทุกๆุกคนก็ได้เห็นศพตายใหม่ๆยังไม่มีส่วนอวัยวะบุกร่องต่างคนก็พูดว่าแม่ศพเนี่ยยังดูสดใสเราจึงนำร่างหญิงนั้นไปสู่ป่าช้าวางลงบนเชิงตะกอนเตรียมการชาปนากิจเมื่อติดไฟไฟได้ลุกขึ้นเผาผลาญร่างของหญิงนั้นดำเป็นตอตะโกทุกส่วน กำลังถูกไฟเผาผลาญขาดวิ่นลงอย่างหน้าอนาถท่านพระยาศากตร์คุณระบุในชาตินั้นได้เห็นภาพที่ได้เปลี่ยนจากเอี่ยมละ อ, อมาเป็นสภาพดำเป็นตอตะโกได้ปลงธรรมสังเวศเกิดความสลดใจได้เห็นธรรมะแล้วท่านก็บอกสหายสหายก็ได้มาดูเกิดสลดใจได้เห็นธรรมเช่นเดียวกันด้วยบุพกรรม ที่ท่านได้ทำในอดีตชาติเช่นนี้เองเป็นปัจจัยให้ท่านมาบังเกิดเป็นเศรษฐีชื่อว่ายสะกุลบุตรเมื่อท่านได้สวยยาวโรมชมสมบัติเมื่อบารมีปัจจัยในอดีตแก่กล้าขึ้นวันหนึ่งท่านจึงลุกขึ้นกลางดึกเดินออกจากห้องเห็นนางบำเรอหลับไหลหลงละเมอด้วยอาการกิริยาต่างๆท่านก็เกิดสังเวชสลอดจิตคิดว่านี่คือปราชาผีดิบ ไม่เป็นที่เจริญใจเจริญตาเหมือนก่อนจึงคิดเบื่อหน่ายออกอุทานในใจว่าที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายแล้วก็เดินลงจากปราสาทหนีออกจากบ้านบนไปคนเดียวเดินไปจนถึงป่าอิสิ ป, ปัตนะเมรุกททยวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่พระพุทธองค์ทรงได้ยินทางทิพยโสตจึงได้ทรงเรียกยศคุระบุตรว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวาย จงมาเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เธอเมื่อยาสักุลบุตรได้ยินเข้าแล้วจึงรีบเดินเข้าไปตามเสียงนั้นแล้วก็ได้ฟังธรรมภายหลังได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์และบวชในพระพุทธศาสนาสหายทั้งห4คนเมื่อได้ทราบว่าพระยสะกุลบุตรบวชแล้วก็มาคิดว่าธรรมวินัยที่ยสะกุลบุตรบวชคงไม่เลว จึงได้ชวนกันมาพบกับพระยาศะแล้วพระยาศะก็พาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังสหายทั้งห4ก็ได้บรรลุพระอระหันต์แล้วบวชในพระพุทธศาสนาท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าจบแล้วก็ย้ำว่าการที่บุคคลมาทำศพนั้นต้องมาปลงธรรมสังเวชจึงจะได้ผล มิใช่จะมาทำศพด้วยความสนุกสนานหรือด้วยเพียงธรรมเนียมหรือด้วยเสียไม่ได้หรือด้วยการเห็นผิดต้องกระทำเช่นกับพระยสะกุลบุตรกับสหายในอดีตชาติเมื่อท่านได้ทำศพอย่างนั้นแล้วผลที่ได้รับจึงเป็นผลใหญ่นี่ก็เป็นคำสอนคำเตือนขั้นสุดท้ายในงานศพของพระอาจารย์เสาและก็เป็นคำเตือนที่น่าฟังมาก ผู้เขียนจึงบันทึกเพื่อให้ทราบถึงความจริงบางประการหรือนโยบายการแนะนําธรร ม, มานุธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นให้ผู้ที่ไม่เคยเห็นท่านหรือไม่เคยได้ยินจะได้มีความเข้าใจบ้างตามสมควรพระอาจารย์มั่นได้เดินทางกลับมาจากจังหวัดอุบลหลังจากงานพระราชทานเพลิงศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยทางรถยนต์กลับไปจังหวัดสกล น, นครและพักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านนามนต์ตําบลตองโขบอําเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครบ้านนี้เป็นบ้านเดิมของพระอาจารย์เนียมซึ่งพระอาจารย์องค์นี้คุ้นเคยกับผู้เขียนเป็นกรณีพิเศษเพราะตอนก่อนจะไปงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์เสานั้นได้พักอยู่ด้วยกันกับผู้เขียนอยู่กับพระอาจารย์มั่นที่บ้านนาสีนวน พระอาจารย์เนียมนี้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของท่านพระอาจารย์มั่นมากด้วยเหตุนี้กระมังพระอาจารย์หลังจากอยู่บ้านโคกอันเป็นบ้านเดิมของท่านอาจารย์กงมาจิราปุญโญซึ่งท่านก็ได้ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วท่านก็มาอยู่วัดป่าบ้านนามนเท่ากับฉลองศรัทธาให้กับท่านอาจารย์เนียมเป็นครั้งสุดท้ายปรากฏว่าท่านอาจารย์เนียมนี้ท่านอ่านหนังสือไม่ออกเลย ที่ท่านออกปฏิบัติกับพระอาจารย์มั่นด้วยการหวังการพ้นทุกข์จริงๆตอนพระอาจารย์มั่นจำพรรษาที่วัดป่าบ้านนามนบ้านของพระอาจารย์เนียมพระอาจารย์มั่น ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านโคกเป็นบ้านของพระอาจารย์คกงมาจิราปุญโญอาจารย์องค์แรกของผู้เขียนและเป็นบ้านเกิดของท่านต่อมาได้มาจำพรรษาอยู่ที่บ้านนามนต์ตำบลตองโขบอาเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครอันเป็นบ้านเกิดของพระอาจารย์เนียมดูจะเป็นการเอาใจท่านทั้งสองมิใช่น้อยเลยเพราะการจาพรรษาแต่ละครั้งก็มีคนมานิมนต์มากแห่งแต่ท่านก็ไม่ไป ในฐานะผู้เขียนเป็นชั้นสิทธิ์ยังมองเห็นความอศัศจรรย์อยู่มากที่ท่านอาจารย์มั่นมาจำพรรษาที่ป่าใกล้บ้านทั้งสองแห่งนี้เพราะมองดูสถานที่แล้วก็ไม่ใช่เป็นป่าใหญ่หรือที่ที่ดีอะไรนักแต่เพราะท่านมีความประสงค์จะให้พระอาจารย์ของข้าพเจ้าคือพระอาจารย์กงมาจิราพุนโยกลับจากจังหวัดจันทบุรีเพราะท่านต้องการจะให้มาเพื่อหาความวิเวกยิ่งยิ่งขึ้น และจะได้ปรับปรุงการปฏิบัติต่างๆเพื่อเป็นหลักของการปฏิบัติกรรมฐานต่อไปและท่านคงเล็งเห็นประโยชน์อะไรอีกมากในการจำพรรษาสองแห่งนี้เป็นเวลาสามปีผู้เขียนในฐานะเป็นสิทธิติดตามจึงพลอยมาได้รับผลประโยชน์ในคราวนี้อย่างดียิ่งเพราะเมื่อเข้ามาแล้วก็ได้รับตําแหน่งเป็นพระอุปถาษเลยจึงเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่จะได้ทราบการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด วัดป่าบ้านนามนเป็นสถานที่สงบพอสมควรอยู่ไม่ไกลจากเทือกเขาภูพานขณะที่พระอาจารย์มั่นนำพระภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่นั้นไม่มีกุติถาวรมีแต่กุติชั่วคราวหลังคามุงด้วยหญ้าคาและท่านก็ไม่ไกลจะยอมให้ใครทำถาวรวัตถุเลยเมื่อจะยกกุติก็ทำเป็นการชั่วคราวทั้งนั้น ผู้เขียนจึงของกล่าวถึงประวัติของพระอาจารย์เนียมไว้ในที่นี้เพื่อเป็นบันทึกจีวประวัติของท่านไว้แม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่ท่านก็ทําคุ ณ, ณประโยชน์ไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งแก่ตัวท่านและผู้อื่นมิใช่น้อยท่านอาจารย์เนียมได้อุปสมบทหลังจากมีภรรยาแล้วมีความเบื่อหน่ายคารวะท่านมิได้เรียนหนังสือมาก่อนเลยหมายความว่า อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เอาเลยแต่ว่าเมื่อท่านบวชแล้วท่านได้ติดตามพระอาจารย์มั่นได้เรียนกรรมาฐานกับท่านแล้วก็พยายามปฏิบัติอย่างอุกฤษทีเดียวทั้งสนใจในการได้ถามการปฏิบัติจนได้รับผลเป็นที่น่าพอใจท่านอาจารย์เนียมเคยพูดกับผู้เขียนถึงการที่ท่านปฏิบัติอยู่กับท่านอาจารย์มั่น ลึกหนาบางท่านได้บอกเคล็ดลับการปฏิบัติอยู่กับท่านอาจารย์มั่นหลายอย่างในฐานะเคยอยู่กับท่านมาก่อนทำให้ผู้เขียนเข้าใจความจริงอะไรละหลายอย่างซึ่งเป็นประโยชน์เลิศเกินความจริงเคล็ดลับนี้มีความสำคัญนักไม่ว่าจะทำอะไรถ้าไม่ทราบความจริงของเคล็ดลับแล้วจะทำให้เกิดความล่าช้าหรือความลาบากโดยใช่เหตุและอันเคล็ดลับนี้เอง ที่อาจารย์สมัยก่อนเก็บงามซ่อนเงินเอาไว้สำหรับดัดสันดาลลูกศิษย์เช่นวิชาอาคมอะไรต่างๆให้แก่ศิษย์ก็ไม่สอนหมดเหลือตอนสาคัญเอาไว้เผื่อลูกศิษย์มันคิดล้างครูลูกมีรู้คุนพ่อมันจะได้เอาดัดสันดาลการกระทำอะไรต่างๆแม้ในปัจจุบันที่พวกประเทศต้อยพัฒนาทั้งหลายไปร่าเรียนวิชาการสมัยใหม่ทุกๆสาขานเป็นวิชาการสาคัญ ผู้เขียนเข้าใจว่าเคล็ดลับของประเทศที่เจริญแล้วเขาได้เก็บเอาไว้อย่างมิชิตแล้วเราก็ว่าได้สำเร็จปริญญาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ยังมีสิ่งที่เรายัางไม่รู้เคล็ดลับที่สำคัญจึงทำให้เจริญขึ้นยากกว่าจะจับเคล็ดลับได้ก็ต้องอาศัยเวลานานแม้การที่ผู้เขียนได้ทราบเคล็ดลับในการอยู่กับพระอาจารย์มั่นจากพระอาจารย์เนียมนี่เอง ที่ทำให้ผู้เขียนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วกับทั้งการความผิดพลาดต่างๆได้เป็นอย่างดีและแต่ทาไมพระอาจารย์เนียมจึงให้ความสนิทสนมแก่ผู้เขียนมากและในเวลาอันรวดเร็วนี้น่าแปลกใจจึงทำให้ผู้เขียนเข้าใจความจริงอะไรหลายอย่างที่ทำให้ได้ไต่ถามและได้การปฏิบัติทางใจแก่พระอาจารย์มั่นได้มากเป็นที่พอใจยิ่ง เมื่อพุทธศักราช2475พระอาจารย์เนียมก็ได้ทุดดงลงไปถึงจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับพระอาจารย์อีกหลายองค์ขณะพระอาจารย์สิงคันตยาขโมเป็นหัวหน้ามีคนสำคัญอยู่คนหนึ่งคือหลวงชานได้ไปฟังเทศพระอาจารย์เนียมเกิดความเลื่อมใสในคณะกรรมาฐานอย่างยิ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าท่านอาจารย์เนียมท่านอ่านหนังสือไม่ออก ท่านนำเอาธรรมะมาแสดงแต่หลวงชานได้อย่างไรนี้ก็น่าคิดแต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมจนเกิดธรรมะภายในได้แล้วก็เห็นเป็นของธรรมดาปรากฏว่าต่อมาว่าหลวงชานเกิดความเลื่อมใสถวายที่ของตนให้สร้างวัดจนปรากฏชื่อวัดสาลวันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ขณะที่ท่านอยู่กับพระอาจารย์มัน ได้ใช้ให้ผู้คอยแก้พระภิกษุสมเณรที่หลงวิปัสนูปกิเลสเพราะบางองค์ที่บำเพ็ญความเพียรอย่างหนักเกิดความเข้าใจผิดหลงตัวว่าได้สําเร็จพระอรหันต์ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้สําเร็จเพราะอํานาจของวิปัสนูทําให้เข้าใจไปเช่นนั้นเนื่องจากเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากขณะที่เกิดวิปัสนูปกิเลสนั้นมีทั้งความสว่างผ่องใสลึกซึ้งอย่างกับหมดกิเลส ซึ่งแต่ละองค์ที่หลงนั้นย่อมมั่นหมายในตัวเองมากยากที่จะแก้ไขได้หากไม่มีวิธีการแก้จะติดไปนานมากทีเดียวการเป็นเช่นนี้เกิดขึ้นแก่องค์ใดพระอาจารย์เนียมเป็นผู้หนึ่งที่จะต้องถูกอาจารย์มั่นใช้ให้ไปแก้ไขเพื่อให้ท่านเหล่านั้นกลับใจดำเนินไปในทางที่ถูกการแก้ผู้บังเกิดวิปัสสนูปกิเลสนี้ ไม่ใช่ง่ายเลยเพราะความเข้าใจผิดของผู้เป็นนั้นลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปแก้เขานั้นจะต้องมีกำลังจิตมากทีเดียวหากแต่จะใช้เพียงวาทะถ้อยคำก็ยากนักที่จะแก้ได้พระอาจารย์เนียมจึงเป็นผู้หนึ่งที่มีพลังจิตที่พอจะแก้ได้จึงนับว่าท่านเป็นสิทธิคนสาคัญของพระอาจารย์มั่นองหนึ่ง ซึ่งใครๆไม่เคยกล่าวขวัญถึงเลยแต่กับผู้เขียนสนิทสนมกันมากพระอาจารย์เนียมได้มรณาภาพที่บ้านหนองผือตำบนานาในอำเภอพนนิคมที่ท่านพระอาจารย์มั่นจำพรรษาอยู่ห้าปีนั่นเองท่านป่วยด้วยไข้มาลาเรียหลังจากท่านมรณาภาพแล้วท่านอาจารย์ก็ให้ก่อเชิงทะกรด้วยท่อนไม้ทำชา ป, ปนากิจอย่างไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร ซึ่งพระอาจารย์มั่นท่านได้ทมชาปนากิจศพแก่พระภิกษุสามเนนที่มรณาภาพกับท่านเช่นนี้โดยปกติเราได้เคยพูดไว้เสมอว่าซากอสุภะร่างกายที่ตายนั้นควรแก่การที่จะพึงพิจารณาให้เป็นสักขีพยานในการปลงธรรมสังเวทเท่านั้นส่วนการบำเพ็ญกุศลที่จะพึงอุทิศผลไปให้แก่ผู้ลงลับไปแลวนั้นไม่จาเป็นจะต้องมีร่างกายที่สิ้นลมแล้ว จะมาเป็นผู้คอยรับส่วนกุศลผู้เขียนได้มาราลึกถึงคุณานุคุณของท่านอาจารย์เนียมมากแม้จะเป็นการอยู่ร่วมการชั่วขณะไม่นานนักแต่ผู้เขียนได้ทราบความเป็นมาของพระอาจารย์มั่นจากท่านมากเกินความคาดหมายทั้งยังให้คติธรรมที่ท่านเข้าใจด้วยตัวท่านเองอีกมากจะอย่างไรก็ตามผู้เขียนก็ได้ถือว่าท่านพระอาจารย์เนียม เป็นพระเทระผู้ทรงคุณวุฒิสูงผู้หนึ่งมีอยู่วันหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านนาม น, นี้เท่าไรนักเกิดมีการลือว่าผีปอบกำลังอลวา่าตและมีผีป่าเข้าผสมมีการตายกันไม่เว้นแตละวันช้าบ้านได้มีความเชื่อว่าผีอลว่าต์จริงต่างก็พากันครั่นคร้ามหวาเสียวกลัวกันเป็นการใหญ่ พวกชาวบ้านได้ส่งตัวแทนมาที่ท่านอาจารย์มั่นขอให้ไปไล่ผีให้พวกเขาด้วยเมื่อตัวแทนชาวบ้านนั้นมีอยู่สามสี่คนมากราบพระอาจารย์แล้วก็เล่าถึงเหตุเพศภัยที่พวกเขากำลังได้รับอยู่ให้ท่านฟังเมื่อท่านได้ฟังแล้วจึงบัญชาให้ผู้เขียนไปจัดการแก้ไขพวกผีปอบอันที่จริงผู้เขียนก็เคยเรื่องผีผีมาหลายครั้งแล้วมาคราวนี้ท่านอาจารย์มั่น มาใช้ให้ไปจัดการทั้งๆที่พระเทระอื่นๆที่มีความสามารถในทางนี้ตั้งหลายองค์ทําไมท่านจึงไม่ใช้ให้ไปจัดการแต่กลับมาให้ผู้เขียนซึ่งขณะนั้นเป็นพระผู้น้อยมีพรรษาเพียงสามพรรษาเท่านั้นก็คงจะเป็นการทดลองความสามารถหรือดูใจว่าจะเชื่อฟังก็สุดที่จะเดาแต่ขณะนั้นผู้เขียนก็เป็นผู้คอยดูแลอุปถากท่านตลอดเวลา ก็เป็นห่วงจะได้ใครมาแทนการอุปถากสํสำหรับผู้ใครอุปถากก็มีมากเพราะใครๆก็อยากอยู่ใกล้ชิดตัวท่านแต่โอกาสไม่ให้เท่านั้นเป็นนั้นว่าผู้เขียนเดินทางไปเพื่อจัดการกับผีได้สามเณรไปเป็นเพื่อนหนึ่งองค์ไปพักอยู่ที่ป่ากใกล้ๆบ้านนั้นมีญาติโยมมาแพลวทางที่อยู่เป็นเนินปลวกพอที่จะพักชั่วคราวได้ เมื่อพักอยู่ตกกลางคืนได้มีประชาชนพา ก, กันมามากมายผู้เขียนสังเกตดูชาวบ้านที่มานั้นดูตื่นตื่นคล้ายๆจะตกใจเพราะทุกคนเกรงกลัวผีถึงมันไม่กินเรามันอาจจะกินลูกเราเขาคงคิดว่าอาจารย์องค์นี้จะสู้ผีไหวหรือไม่เพราะดูแล้วก็ยังหนุ่มเด็กอยู่เลยถ้าสู้ไม่ไหวพวกเราอาจจะถูกผีรุกพวกเราหนักยิ่งขึ้น แต่เขาก็ดูจะมั่นใจว่านี่เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มัน่นคงจะมีความสามารถจัดการผีได้ท่านจึงส่งมาในค่ำคืนวันนั้นผู้เขียนไดแสดงธรรมให้ชาวบ้านฟังและให้เขารับพระไตรสรารณคมแนะนำความเชื่อถือผิดต่างๆพอสมควรและเขาก็พากันกลับบ้านตอนจะกลับผู้เขียนได้เตือนพวกโยมว่าโยม คืนนี้อาตมาตจะไล่ผีที่มีอยู่หมู่บ้านนี้จะเป็นผีปอบหรือผีอะไรจะไล่ออกให้หมดและขอให้ทุกคนจงบำเพ็ญภาวนาอย่างที่อาตมาตสอนไว้โดยทั่วกันและคืนนี้ใครมีประสบการณ์อย่างไรให้มาบอกอาตมาตในวันพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจเมื่อวันรุ่งขึ้นพวกประชาชนในหมู่บ้านนี้ได้มาเล่าความฝันและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ผู้เขียนฟังว่า เมื่อคืนนี้สุนัขมันเ ห, าห่าฮอนกันตลอดคืนทําเอาชาบ้านนอนไม่ใกล้หลับกันทีเดียวต่างก็เข้าใจว่าอาจารย์ได้ใช้วิชาอาคมปราบผีแน่นอนแล้วและเขาก็เล่าความฝันของโยมหลายคนที่ปรากฏการเช่นเดียวกันเขาฝันว่าพวกผีนับจํานวนร้อยพากันหอบลูกจุงหลานมีหน้าตาลักษณะต่างๆกันเดินออกจากหมู่บ้านนี้ไปพลางก็พูดกันว่า อยู่ไม่ได้ละโวยร้อนเหลือเกินพวกกูก็อยู่กันมานานแล้วไม่เคยถูกใครบังอาจมารังควานเลยคราวนี้กูสู้ไม่ไหวดูท่าทางของพวกผีบอกว่าเดินหนีกันอย่างรีบร้อนและในความฝันเขาบอกว่าเวลาเดินเดินถอยหลังไม่ได้เดินไปข้างหน้าเหมือนคนเรามันเป็นการได้ผลรวดเร็วเกินคาดทำให้จิตใจของชาวบ้านนี้เกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้เขียนมากทีเดียว และเขาทั้งหลายก็เชื่อแน่ว่าพวกผีมันไปกันจริงๆโดยอาศัยความเชื่อมั่นนี้ทําให้หมู่บ้านเกิดความสงบเงียบได้รับความสุขสบายอย่างยิ่งเพียงชั่ววันเดียวบรรยากาศที่เคยคุ ก, กรุ่นด้วยความหวาดเสียวและหวาดระแวงด้วยความกลัวผีก็าหายไปจากหมู่บ้านนี้ยังกะผลิตทิง้งในครั้งนั้นปรากฏว่า ชาวบ้านที่อยู่กันเป็นหมู่หมู่ใกล้เคียงได้ร่ำเลือกันว่าผีออกจากบ้านนี้แล้วมันกำลังบ่ายโฉมหน้าไปโ น, น้นหมายความว่าจะต้องผ่านหมู่บ้านใกล้เคียงเหล่านั้นต่างก็ตกใจนึกว่าคงจะมารวมกับพวกเรากระมังพากันมายังผู้เขียนเป็นการใหญ่ผู้เขียนก็พานั่งสมาธิและแสดงธรรมให้เขาฟังแต่พวกเขาได้พูดว่า ขอให้ท่านช่วยส่งพวกผีให้พ้นหมู่บ้านของพวกผมด้วยเถอะผู้เขียนเห็นเป็นโอกาสดีเลยบอกว่าต้องมาฟังเทศทำสมาธิภาวนารักษาศีลพวกเขาเหล่านั้นก็ทำตามทุกอย่างซึ่งขณะนั้นจะให้เขาทำอะไรก็ยอมเป็นการให้พวกเขาได้รับธรรมมาจากผู้เขียนมากทีเดียวจึงนับว่าได้ประโยชน์ไม่น้อยเลยและในเวลาอันรวดเร็ว ด, ด้วย เมื่อเดททำพิธีต่างๆเป็นการไล่ผีที่พวกเขาเข้าใจผิดจนรู้เหตุผลในเรื่องนี้ดีแล้วอยู่กับเขาประมาณอาทิตย์เศษเรื่องความวุ่นวายของผีปอบได้สงบลงเป็นความยินดีปรีดาของชาวบ้านหายความหวาดผวาแล้วผู้เขียนก็ลาพวกเขากลับมาที่บ้านนามนเพื่อพบกับพระอาจารย์มันเข้าประจาหน้าที่เป็นอุปถาษตามเดิม เมื่อพบพระอาจารย์ในวันนั้นท่านได้ถามว่าวิริยังได้แก้มิจฉาทิฏฐิสาเร็จหรือไม่ผู้เขียนตอบอย่างภาคภูมิว่าได้แก้สาเร็จแล้วทุกประการท่านได้พูดเสริมต่อไปว่านี้แหละคือประโยชน์และพระภิกษุสมณเณรผู้บวชมาแล้วในพระพุทธศาสนานอกจากจะทำประโยชน์แก่ตนแล้วก็ควรจะได้ทาประโยชน์ผู้อื่นต่อไป จึงจะเป็นการเชิดชูไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาบางคนเขาว่าพวกเราอยู่ในป่าบ้านนอกบ้านนาเอาแต่ความสุขส่วนตัวได้รู้ทำเห็นธรมแล้วก็หลบตัวซ่อนอยู่ในป่าเขาไม่ทําประโยชน์แก่ส่วนรวมความจริงแล้วพวกเราก็ทําประโยชน์ส่วนรวมกันแล้วทุกองค์เพราะชาวบ้านนอกบ้านนาที่ยังต้องการผู้เข้าใจในธรรมทั้งส่วนหยาบและละเอียดมาสอนเขา าพวกเราไม่มาแนะนำในทางที่ถูกอันเป็นส่วนหยาบและละเอียดแล้วก็จะหลงเข้าใจผิดกันอีกมากนี่แหละคือการทำประโยชน์แก่คนบ้านนอกบ้านนาจะขอให้เจ้าฟ้าเจ้าคุณผู้ทรงความรู้ในกรุงในถิ่นที่จเจริญมาสอนนั้นเห็นจะไม่ไหวเพียงแต่ท่านเดินทางด้วยเท้าสักหนึ่งกิโล2กิโลก็ไม่เอาแล้วพวกเราจึงได้ชื่อว่าได้มีส่วนช่วยทาประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ที่ใครอื่นเขามองไม่ใครเห็นผู้เขียนนั่งฟังท่านอธิบายก็ทราบซึ้งใจเป็นหนักหนาและเข้าใจอะไรๆหลายอย่างเกี่ยวกับส่วนตัวและส่วนรวมข้าพระเจ้าก็ขอยุติใต้ส ม, มันสำนึกไว้เพียงเท่านี้โปรดติดตามประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเทระฉบับสมบูรณ์ต่อไป หมายเหตุผู้อา่านสำหรับการอดนอนการอดอาหารของครูบาอาจารย์นั้นขอให้เข้าใจนะครับว่าต่างกับการทรมานตนที่เป็นสิ่งต้องห้ามของพระพุทธศาสนานะครับโดยปกติแล้วต้องมีทางสายกลางที่เหมาะสมสบายต่อจิตและกายของคนคนนั้นคืออะไรที่ทำแล้วกุศลเจริญท่านให้ทําอะไรที่ทำแล้วอกุศลเจริญท่านไม่ให้ทําซึ่งแต่ละอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนกินพอดีแล้วร่างกายสดชื่นภาวนาดีบางคนกินน้อยหรือไม่กินแล้วภาวนาดีกว่าเรื่องการนอนก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้มาใหม่เพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ท่านที่ปฏิบัติมานานแล้วท่านมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วท่านทำได้อย่างที่คนทั่วไปยากจะทำได้เป็นเรื่องของจริตวาสนาปัญญาบา ร, รมีของท่านที่เราไม่ควรเอามายัดเยียดสอนคนมาใหม่ ให้ทุกคนต้องทําตามนะครับบางท่านก็สะสมการปฏิบัติการศึกษามาหลายภพหลายชาติแล้วดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้ละเอียดด้วยนะครับการนอนน้อยการไม่นอนหรือการอดอาหารของพระปฏิบัติในอดีตท่านเจริญสติทาสมาธิทั้งวันท่านจึงเหมือนได้นอนได้พักผ่อนในระดับลึกมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับปิติที่เกิดจากสมาธิและการเข้าถึงธรรม เป็นอาหารที่ดีอย่างหนึ่งที่ทำให้อิ่มทำให้ไม่รู้สึกหิวได้คล้ายคนเราดีใจอะไรมากก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจหรือที่คนทั่วไปชอบแซวกันว่าอิ่มทิพย์นะครับแต่นี่ท่านมีความสุขในระดับชาญร่างกายใช้พลังงานน้อยมีสารอาหารเพียงนิดเดียวก็สามารถใช้ได้นานกว่าคนทั่วไปจึงไม่แปลกที่ท่านจะไม่ฉันอาหารหลายวันไม่นอนหลายวันก็ได้คาว่าทรมานในพระปฏิบัติหมายถึงทรมานกิเลส ไม่ใช่การทารมานร่างกายที่ถือเป็นอัตกิฬมัานุโยกอันเป็นข้อห้ามที่ไม่ควรกระทำธรรมะควรศึกษาให้เข้าใจก่อนปฏิบัติและรู้ระดับของตนเองและคนที่นำไปสอนว่าอยู่ในระดับไหนควรปฏิบัติอย่างไรแค่ไหนจึงจะพอดีกับร่างกายและจิตใจของเขาในเวลานั้นด้วยไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเห็นช้างขี้ก็ขี้ตามช้างมีแต่ผลเสียหายมากกว่าผลดีนะครับ ซึ่งการสอนของครูบาแต่ละองค์นั้นหลายท่านมีความสามารถพิเศษในการมองออกว่าควรสอนลูกศิษย์ตรงหน้านั้นอย่างไรแค่ไหนและก็หลายครั้งเช่นกันที่เราฟังหรืออ่านคำสอนที่ท่านสอนเฉพาะศิษย์ตรงนั้นเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำกับทุกคนแล้วก็นำมาปฏิบัติหรือนำมาเผยแพร่ต่อต้องการให้ทุกคนทาตามนั้นซึ่งหลายอย่างแม้แต่ในพระไตรปิฎกเองนะครับ ก็ต้องพิจารณาว่าท่านสอนใครเวลาไหนด้วยในยะอะไรหลายครั้งเป็นสิ่งเฉพาะตนเฉพาะโอกาสเฉพาะการไม่สามารถนำไปใช้กับทุกกรณีได้นะครับในปัจจุบันเราจะเห็นการสอนธรรมะที่เอาวิถีทางของพระอริยะผู้มีปัญญาบารมีแก่กล้าหรือสะสมบุญบารมีมาหลายพบหลายชาติแล้วมาให้คนธรรมดาทำตามแบบสุดโตงหรือเป็นการลัดขั้นตอน จนทำให้มองเห็นว่าธรรมะเป็นของยากทำตามไม่ได้หรือต้องฝืนทมกดข่มจิตใจจนส่งผลเสียหายหลายคนทำสมาธิแบบผิดผิดด้วยการบังคับจิตบังคับกายเกินไปจนกลายเป็นบ้าสติวิปลาสหลงทางไปไกลก็มีให้เห็นมาเยอะแล้วและเช่นเดียวกันหลายคนศึกษาพระไตรปิฎกละเอียดแต่ไม่เคยคิดลงมือปฏิบัติก็เกิดอาการวิปลาสเข้าใจผิดหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิจนน่ากลัว ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยมานะครับเด็กอนุบาลก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนแบบเด็กไม่ใช่ต้องทําเหมือนผู้ใหญ่ต้องทําอะไรได้เทียบเท่ากับนักกีฬาทีมชาติที่ฝึกฝนมานานแล้วจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับก่อนจบเสียงอ่านในภาคแรกนี้ขออนุมโมทนากับเจ้าภาพร่วมอีกดังนี้นะครับครอบครัวหัตถมาศ ร, รอบครัวหังสเสน ครอบครัวประกรณเกษตรครอบครัวทองไผโรดคุณแม่ปราณีนภัทรลุงจิติมาเดออภิรัตคราวส์ปฐมฤกษ์เสนทองพีชคณิตอุทัยวัฒนาเกซิรินเรืองชาวลีมาดวดีปั้นงามอำพรกลิ่นสีสุขวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตอังสนาบุญกเกษมวรพันธ์ชัยพันธ์ปราณีวังเบญจสุขีวรวุฒิสุนทร琅สายจันเพนกระจ่างพัน ร่วมกับอีกหลายท่านดูรายชื่อจะเครดิตท้ายเรื่องและรายละเอียดทุกช่องทางของชมรมผลดีที่เผยพแพร่นะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมทุกท่านรวมถึงท่านที่ไม่ประสองค์ออกนามด้วยนะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทําเสียงอ่านเพื่อเป็นมหาธรรมทานในครั้งนี้หนังสือเสียงเล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าหากไม่มีทุกท่านร่วมบุญกันมาขอทุกท่านเจริญในทางกุศลอยยิ่งขึ้นไปขอให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งภายนอกและภายในทั้งปวง ขอให้มีตาสว่างในทุกเรื่องเกิดปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ในชาตินี้ในเร็ววันนี้ทุกท่านเทินสัพพาะธานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอริยคุณพุทธธรรมชมรมผลดีพฤศจิกายนพุทธศักราช2564สนใจสร้างมหาธรรมทานร่วมกัน ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โจโฉ .net โจโฉภาษาไทยนะครับ .net หรือ .net สิ่งอันหนังสือโดยโจโฉและชมรมผลดีทั้งหมดเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นและห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเด็ดขาด